อาจารย์อนทุกท่านหวังว่าคงสบายดีกันอันนี้เราก็มาสนทนาธรรมกันอีกครั้งหนึ่งคุณสาธกาเป็นคนแรกที่เข้ามาในครั้งนี้อาจา บ, บ้านแล้วเลยต้อเปิดใหม่ก่อนนะยังไม่ได้เปิดใหม่เดี๋ยวพระอาจารย์ถามเลยนะ เอ uh huh. จริงๆแล้วอีกคราวก่อนนู้นเลยอะค่ะที่ลูกเคยถามพระอาจารย์อะค่ะที่ว่าการนั้นที่มีคุณภาพอะคะ mm ่ะ hmm. ทีนี้ลูกอะมาคือลูกอาจจะอธิบายไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมกระจาย mm hmm. คือที่ลูกมานั่งฟังจากเกศพระอาจารย์อะคะ mm ่ะ hmm. ลูกน่าจะได้ค่ะนิกะที่ลูกลูกบอกพระอาจารย์นะคะ mm hmm. ที่ตอนนั้นที่ว่าเหมือนปุ๊บเข้าไปอะคะ mm ่ะ hmm. มันจะนั่งเหมือนสุญญากาศอะค่ะแล้วมันด mm ัน hmm. ออกมา แล้วทีนี้อีที่ลูกถามพระอาจารย์อีกว่าทออีกครั้งหนึ่งอะค่ะมันก็คืดันกลับไปมันจะเป็นเหมือนอวกาศอย่างนั้นนะคะพระอาจารย์ อ, อันนี้นี่คื อ, อครั้งแรกที่ลูกได้ไปจากครั้งแรกที่การปฏิบัติครั้งแรกอ่ะค่ะพอกลับลงมาแต่ลูกก็ยังไม่แน่ใจอีกแล้วใช่ไดนะ้ถ้ามันว่างมันสงบมันสบา ย, บายก็ใช้ได้แต่ทีนี้ที่ลูกเคยถามพระอาจารย์คือลูกไม่เข้าใจเรื่องสมาธิอะค่ะทีนี้สมาธิเนี่ยคือ การที่ที่ลูกถามอาจารย์ว่าที่มันไม่มีคุณภาพคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่ลูกเจอส่วนมากเลยที่ลูกไอ้นัน่นนะคะคือความนิ่งความสนุกที่อาจารย์บอกว่าอันคือยุงลูกพยายามทําตามที่ระอาจารย์บอกอะคะ่ะยุงกัดลูกก็เฉยอะไรก็เฉยแล้วลูกก็ภาวนาอย่างเดียวมันก็เลยอยู่ ใ, ในความนิ่งความสนุกแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะที่ลูกได้ทุกครั้งทุกครั้งนะคะจนแฟนลูกตกใจก็คือเขาพูดอะไรคือมันมัน แต่ตอนเนี้ตอนใหม่ๆลูกจะรู้สึกโอ้ถ้าอะไรเสียงนิดนึงลูกจะรู้สึกแบบหงุดหงิดแต่อันนี้คือลูกอยู่กับมันได้อันนี้คือใช่เป็นการฝึกเจิตให้วางเฉยเวลาเราออกจากสมาธิมาเวลาพอบาขับลูกเสียงเกินรถที่เราชอบแลือไม่ชอบไม่อยากไปรักอยากไปช่างเฉชๆอ๋ออันนี้ก็คืออันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าสมาธิใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ใช่สมาธิแล้วแล้วทีนี้ลูกอยากรู้ว่า อีคำ ว, ว่าที่พระอาจารย์บอกว่าอุเบกขาเนี่ยก็คือการที่ว่าเราเรารู้ว่ายูจัดเราอะไรเนี่ยคืออันเนี้คือการวางเฉยที่เป็นอุเบกขาใช่ไหมคะ ใ, ใจเราไม่มีอารมณ์ ก, กับสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ใช่แล้วทีนี้ค่ะแล้วอีตอนที่คือรูกเพื่อที่จะในการที่พัฒนาขอให้มันแบบตรงๆนะคะถ้าอันไหนผิด ก, ก็ขอใหบอกเพื่อการปรับปรุงอันแรกเลยคือลูกอะค่ะคือที่บอกพระอาจารย์กินนัง่งนั่งไปมันจะค่อยๆยตื ก็ทีละหน่อยอะค่ะแต่ทีเนี้ยลูกแบบฟังจากที่พระอาจารย์สอนท่านอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยลูกก็มาประมวลว่าถ้าสมมุติว่าลูกก็เลยว่าที่พระอาจารย์บอกว่าให้สักแต่ว่าเห็เหนอะไรก็คือบางทีมันก็เห็นเป็นไฟเปิดปิดบางทีก็เห็นเหมือนไฟแจ้เข้ามาบางทีก็เห็นเป็นแบบแสงแต่ลูกก็คือตามที่พระอาจารย์บอกอะค่ะให้ขึ้นอยู่กับการภาวนาแล้วก็ผ่านไปจนกระทั่งถึงความสงบตรงที่ลูกบอกพระอาจารย์ ใช่เราต้องการไปถึงจุดที่ว่างสงบเนี้ยสบายออไม่มีอารมณ์ไม่กมวความสุขค่ะและทีนี้ที่พิพากษาบอกว่าเกี่ยวกับทดสอบว่าเรากลัวตายไม่กลัวตายอ่ะคะ่ะตอนที่บอกกับพระอาจารย์แล้วอะคะ่ะตอนนั้นน่ลูกไปเดินที่พระอาจารย์บอกว่างั้นก็ให้ไปเดินลูกก็ไปเดินประมาณสองชั่วมกว่าแต่ใส่ปลาลูกลูกไม่ได้มองซ้ายมองขวาลูกมองแต่ ไปประมาณสักสิบเมตรไปเล่นเรื่อยๆค่ะแล้วก็พุโทโธแต่ทีเนี้ยพอเสร็จแล้วอ่ะตาลูกก็จะเหมือนแต่ว่าลูกก็ไม่เงยมองมันจะเห็นเป็นแบบว่าเหมือนแบบสีน้ําตาลลูกก็นึกในใจว่าตรง น, นั้นเน่ยมันจะเป็นทางออกทางผ่านของลิงที่เยอะๆลูกก็ไม่มองแล้วลูกก็พยายามเดินเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆค่ะแต่ลูกก็แบบไม่กลัวจนกระทั่งมันอยู่ถึงรานนะคะ่ะแต่ลูกไม่ได้แบบขนลุกอะไรนะคะอาจารย์ แต่ว่ามันมีจังหวะที่ปอกไกลเข้ามากๆอะคะ่ะมันเหมือนว่าขนลุกมันเหมือนตัวแบบบินออกมานิดเดียวอะคะ่ะเหมือนตู้ขึ้นมานิดเดียวแล้วก็มันก็พอเสร็จลุกก็ไปเห็นว่ามันคือกวางพอเข้ามาจนชิดอะคะ่ะอันนี้แสดงว่าเราทดสอบกอกความกลัวตายอย่างนี้เราก็ยังถ้ามันมีขนลุกนิดนึงก็แสดงว่าเราก็ยังกลัวอยู่ใช่ไหมคะคือถ้ามันขนลุกแป๊บแล้วมันหายไปแล้วก็นิ่งมันไม่เป็นไรก็ใช้ได้ มันแค่เหมือนสกิบวันลุกนิดเดียวเหรอคะบางทีมันจ้าเอกันมันก็การอาการที่มันมันตกใจแต่พอตกใจแล้วก็มีสติบางเฉยบางเฉยต่อไปได้ก็ใช้ได้ไม่ไม่ตื่ตระหนกไม่ไม่ไม่ลูกไปยังแบบในไปตามที่ป้าอาจารย์แบบลูกก็มองมองแล้วก็ยิ่งให้เข้ามันไปใกล้จนลูกรู้ว่ามันพอแบบมันเหมือนมีตัวแบบ มันไม่ได้ขนลูกหรือกลัวอะไรค่ะมันเบื่แบบตั้งที่มันดิดแค่นั้นอากาศส ก, กิดผิวพอดีต้องทดสอบไปเรื่อยๆว่านะ ม, มีข้อสอบอย่างที่อยากจะมากระทบกับความเป็นบามตายของเราแล้วก็อันอันสุดท้ายอะค่ะที่ที่ลูกตอนแรกอะลูกมีความรู้สึกว่าเออที่ลูก ลูกมีปัญหาเลยที่ลูกรู้เลยอ่ะลูกมีความรู้สึกว่าลูกโมโหคนคนหนึ่งมากมาที่ลูกรู้สึกว่าตัดตายแล้วลูกก็ยังให้อภัยไม่ได้เลย mm hmm. คือตอนที่ฟังพระอาจารย์ว่าอูโอะไรนะที่มันจะแบบคือพระอาจารย์บอกว่าเราเราสุดท้ายแล้วเราก็อันนี้ลูกก็ยังแบบมีความรู้สึกว่าขานว่าเราทําไม่ได้จริงๆแต่ครั้งแรกเลยที่ลูกก่อนปฏิบัติขึ้นไปบนเขาอนะคะพระอาจารย์ลูกเห็น คนคนนี้ลูกจะรู้สึกว่าใจลูกเต้นเต้เต้นต้นแบบร้อนรุ่มแต่ครั้งแรกที่ลูกขึ้นเขาไปลูกรู้สึกว่าใจลูกมันจะหนีแต่ลูกรู้สึกว่าลูกยังไม่สามารถลูกกับเขาได้แต่ครั้งเนี้ยค่ะลูกสามารถที่จะคือทุกคนบอกว่าให้รู้ให้ลูกอ่ะปล่อยวางแต่ลูกบอกคนวันนี้ลูกแบบมีความรู้สึกตายลูกก็แบบไม่นั่นไม่ได้ครั้งที่ครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะลูกสามารถที่จะแบบ เอาของให้เขาได้เลยอาจารย์คุยกันเป็นปกติเหมือนคนเดิมคุยได้ค่ะแต่พอตอนหลังคือด้วยพฤติกรรมนิสัยเขาอะค่ะมันจะมันจะไอ้นั่นมากลูกก็เลยรู้สึกว่าลูกคุยได้แต่ว่าถ้าเราจะคุยกันมากไปอ่ะมันก็จะเข้าอีหลอกเดิมลูกก็เลยเหมือนจะต้องถอยห่างเราก็รู้ระยะแต่เราไม่ไม่รู้สึกว่าใจเราอ่ะเหมือนตอนแรกที่มันแบบอย่างไงก็ไม่ได้ ก็ขอให้เราทดสอบว่าเราไม่มีอะไรกับเขาแล้วก็พอไม่จําเป็นที่จะต้องไปสนิทสนมอะไรกับเขาถ้ามันมันไม่เกิดประโยชน แ, แต่ว่าให้เรารู้ว่าเราไม่เ ร, ไมเราไม่ชังเขาเราไม่กลัวคเขาเราเหมือนกับคนอื่นเหมือนกับเราเห้นเาเหมือนกับเราเห็นคนอื่นเหมือนเหอนตอนนี้เห็นพวกเราในห้องนี้กเ็เฉย แล้วพระอาจารย์คะ ล, ล, ลูกอยากรู้ว่านะคะว่าอันที่ที่พระคือที่ว่าความสงบนิ่งนะคะที่เราต้องการที่สุดเนี่ยมันคืออัปปนาสมาธิที่เป็นอยู่ทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะถ้าเราฝึกไปมากๆเนะะี่ยค่ะมันเจอรู้สึกเริ่มต้นมัน ต, ต้องเข้าไปในสมาธิเหมนที่จะได้ความสงบ<อ>แบบนะั้นแต่อันนี้คะ่ะลูกบอกพระอาจารย์<อ>ที่บอกว่าลูกเจอครั้งแรกกับครั้งที่สองห<อ>ลังจากนั้นลูกจะได้แค่ ประมาณรับรู้ยุงกับอะไรอย่างนี้ค่ะ <ừ. S 2> คือมันมันไม่รู้สึกอะไรแต่มันรู้สึกแต่ความมืดแล้วอยู่อย่างนั้นได้ไออาการปวดที่ตอนแรกที่รู้สึกว่ามันทรมานมากๆ ม, มันไม่มีแล้วอ่ ะ, ะ, อ ะ, อะต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้รักษาความนิ่งของเฉยของใจต่อไปเวลาไปสัมผัสรับรู้กับอะไรก็ไม่ทำไป สนุกตกใจไม่ต้องไปหวั่นไหวไม่เท่าไหร่ค่ะค่ะก็ก็ก็ฝึกในแนวนี้ตลอดแล้วก็พยายามเจริญสติตลอดใ ช, ใช่ไหมคะใช่รักษาใจให้เรานิ่งสงบไปเรื่อยๆก็คือเราก็ต้องนั่งสมาธิไปเราไม่ไม่ต้องเราประมาณนี้เหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเราสมมุติว่าเราต้องต้องให้มีได้สมาธิได้การวางเสริมแล้วเราเราถึงจะทุกอย่างมันจะพร้อมไปได้วยกันหมดใช่ไหมคะใช่มันจะพร้อมให้เรา ศึกษาทำปัญญาต่อไปค่ะแต่ว่าทานสิลสมาไอทานสิลเนี่ยเราคือเอาให้มันแน่นให้บริสุทธิ์แล้วก็เจริญสติให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ถ้าจิตเราสงบแล้วสินมันก็เหมือนกระบอเหมือนกระบอสูดเองเพราะว่าเมื่อจิตสงบมันก็ไม่มีความมากคิดที่จะไปทําผิดสินผิดธรรมของใครเพราะว่าเดี๋ยวอีกอันหนึ่งคือไอไ อ, อที่ลูปบอกว่าอัปปนาสมาธิอะค่ะอันนั้นนะคะ คือลูกเนี่ยที่ลูกตอนครั้งแรกเลยที่ลูกเข้ามาที่ว่าลูกไม่กล้าบอกพระอาจารย์ที่พระอาจารย์อย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกความรู้สึกอันเนี้ค่ะลูกเคยเจอครั้งแรกที่ลูกบอกว่ามันเหมือนตอนที่แม่ลูกไปมันนิ่งอย่างนั้นเลยค่ะอาจารย์อันเนี้ค่ะแต่อันนั้นมันเย็นกว่าเยอะเลยค่ะแล้วมันก็คือสิ่งที่ลูกลูกรู้สึกว่าลูกเขาหวินหาค่ะ เีดีก็สามารถเข้าไปหน้ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วก็กำหนดสติเดี๋ยวก็เข้าไปกลับไปจุดนั้นได้ค่ะพระอาจารย์งั้นวันนี้แค่นี้่ค่ะเดี๋ยวลุกวันเวลาออท่านอื่นค่ะพยายามนั่งสมาธิบ่อยๆให้จิตมันนเ่งให้มันเยอะทำทุกวันเลยค่ะพระอาจารย์ออถ้า อ, อ, อันไหนที่แบบว่าไม่รู้สึกว่านอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งไป เ, ออเพราะว่าที่พระอาจารย์บอกว่าถ้านอนไม่หลับก็ให้ลูกมานั่งเ อ, อ ทำหลายๆรอบ ก, ก็ได้วันๆห น, นึ่งนะหรือก็ไปทําอย่างอื่นหรืก็ไปดูหนะังฟังเพลงไปกินอะไรต่ะางๆมีเวลาก็ไปนั่งสมาธิ่ายใจให้นิ่งให้สบายให้มันให้มันทําบ่อยๆต่อไปมันจะได้เป็นมันจะได้นิ่งทั้งวันได้เย็นทั้งวันอาจารย์ขอพบพระคุณค่ะอาจารย์แล้วต่อไปจะต้องศึกษาทางปัญญาต่อว่าทุกอย่างไม่เทีย่ยงทุกอย่าง อาจารย์ลูกคิดว่าปัญญาลูกอาจจะเป็นแค่สัญญาเพราะว่าลูกลูกบอกว่าอาจารย์เลยลูกทำงานพยาบาลมาปอนค่ะอยู่ในในเอ็นซเลยค่ะอาจารย์เห็นคนตายเห็นคนเจ็บใช่ค่ะลูกคือลูกเด็กที่ศูนถึงที่แปดวันนะค่ะลูกแก้เด็กไหมอย่างนั้นเลยค่ะก็ดีแสดงว่าเราได้ปัญญาจากอาชีพของเราโดยไม่รู้สึกตัวพวกหมอพวกพยาบาลนี่อยู่ใกล้สัธรรมากจริง คือปัญญาแล้วแล้วลูกก็ดันเจ็บตายกันค่ะแล้วลูกก็ดันได้ได้แบบเหมือนไปช่วยตึกอื่นที่ตึกผู้ใหญ่ที่ลูกไปเจอคนไข้ที่นอนติดเตียงแล้วแผลใหญ่ๆลูกก็เลยรู้สึกว่าอันนั้นนะคะมันก็เลยมันก็เลยมันประมวลหลายอย่างค่ะะอาจารย์เนีจะได้จะได้ปล่อยวางจะได้ปลงได้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเรื่องร่างกายของใครก็ตามทั้งวันหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะต้องแผลเจ็บตายกทุกคน ค่ ะ, คะไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องตื่นเต้นพระเจ้าบอกเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดา่เพราะว่าลูกลูกเห็นหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าคนลราคือลูกลูกเห็นจากการที่เราแบบคุยเพราตอนที่ลูกบอกพระอาจารย์ว่าที่ลูกลาออกจากที่ทํางานเพื่อมาดูแม่ะคะ่ะ ม, มีน้องคนหนึ่งตอนที่ลูกรีเฟอร์รถไปอ่ะคะ่ะส่งผลไข้อ่ะคะ่ะเขาบอกว่าอเออพี่พี่โชคดีนะ พี่ๆแบบมีคือพี่ตัดสินใจที่ลาออกไปดูแม่เพราะว่าอย่างหนูอะขนาดพ่อตายหนูยังไม่ได้ดูเลยหนูมโมแต่ดูคนอื่นโดยที่หนูไม่สามารถที่จะดูแลลูกพ่อนได้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตอย่างเงี้ยค่ะลูกก็เลยแบบเออก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกอะค่ะพระจังดีเพราะว่าใจเราคงไม่หิวโหกับลาบนเท่าไหร่พอมีพอกินก็ใช้ได้แไม่ต้องทํานาก็ได้นะ ลูกก็ยังนึกถึงที่พระอาจารย์บอกว่าลูกก็ยากว่าลูกอาจจะเป็นคนแปลกมั้งคะในชีวิตลูกลูกก็แบบคือลูกเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ค่อยอับใจเจ้าหน่ายเท่าไหร่อะค่ะแล้วที่ที่สนิกการอย่างเงี้ยค่ะที่เขาไปลองหัวหน้าเขามาดูในประวัติลูกเนี้ยลูกสามารถอยู่กับสองเปอร์เซ็นได้ปกติมันต้องสี่เปอร์ซ็นต์นะฮะลูกอยู่สองเปอร์เซ็นได้หกเจ็ดปีโดยที่ลูกไม่รู้สึกกังวลนะลูกก็เฉยเฉยได้อะไรก็ได้พออยู่พอกินมากน้อยสั้นหน่อยใช่ค่ะ ดีแล้หล่ะใจเป็นอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไป่วิ่งหาโน่นหานนให้เนื่อยเหนื่อยยากเอาเวลามาหาธรรมะหาควาสมสงบดีกวานะะค่ะขอขอคุณพระอาจารย์ค่ะโะาสะาธุไได้ึงสุนทรเชิญสุนทรอยู่กม็มะใช่ไมสนทรได้ยินไหครับอาจาร ย, ย์ได้ชัดเจนชัดเจน เพราะรายงานเกี่ยวกับการทำสมาธิในสัปดาห์ที่แล้วเป็นอย่างนี้ก็คือในหนึ่งวันเนี่ยจะแต่ละครั้งนี่ทำได้ประมาณยี่สิบสามสิบนาทีนะก็อย่างที่ว่าว่าก็มีอาการอาการของของของเวทนานะแล้วก็เรื่องเวทนาที่เกี่ยวกับการคันนี่รู้สึกจะหายไปเลยจะมีบ้างก็เอาอยู่ แล้วก็สมาธิในสัปดาห์ที่แล้วก็ดีบ้างไม่ดีบ้างไอ้ที่ดีก็คือว่าเรารู้สึกว่าพออารมณ์สมาธิมันรูปลงไปเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเวทนาเนี่ยมันมันมันมันลดความสําคัญลงไปเยอะเรารู้สึกว่าเราเราสามารถนั่งได้นานขึ้นนะครับหลังจากนั้นสัปดาห์ที่แล้วก็ได้อ่านหนังสือของท่านอาจารย์ เล่มหนึ่งก็คือสติธรรมนะมแล้วก็ได้มีโอกาสนำบางส่วนไปเผยแพร่ในธรรมะบนเขาก็คิดว่ามันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ยังยั ง, ย, งยังเป็นที่สนใจคื อ, อพระโสดาบันเนี่ยที่ท่านอาจารย์บอกว่าในเรื่องความเจ็บและความตายเนี่ยต้องนำมาพิจารณา เรารับรู้ตามที่พระอาจารย์สอน ก, ก็คือรับรู้ในลักษณะของสัญญานะแต่ถ้าจะให้โอปาญิโ ก, โกน้อมนำเข้ามาในตัวในจุดเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าเราจะดำเนินในขั้นต่อไปยังไงนะซึ่งมันมันมันต้องมีเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายเช่น ไปสบายไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าคุณไปโรคอะไรนะขั้นสุดท้ายแล้วอันนั้นอ่ะคุณจะต้องมาดูใจของคุณแล้วว่าเฉยแล้วไม่เฉยกลัวแล้วไม่กลัวหลงแล้วไม่รักแล้วหลงที่ว่าร่างกายอย่างเป็นเราอยู่หอป่าอันก็เป็นเป็นตัวที่จะพรูฟว่ามันโอปะนิโอเข้ามาในตัวแล้วใช่ไหมว่าเราเห็นร่างกายนี่เป็นสัจแต่ดิน้ำลมไฟไม่ยึดตัวเราของเรา ทำมาจากดินน้ำลงไปเดี๋ยวก็ต้องกลับเงินส่วนดินน้ำลงไปไปแล้วถ้าจะทำในลักษณะนี้เวลาเรานั่งสมาธิได้สักพักหนึ่งเราก็น้อมจิตมาที่อุปจารสมาธิแล้วก็รับพิจารณาในเรื่องของของร่างกายในเรื่องของท่าสี่ในลักษณะนั้นอันนี้จะเป็นโอปะนิโกไหมครับอันนั้นเป็นการทำการบ้านมันการเตรียมตัวสอนใจให้ Oh. ให้รื่องความจริงว่าร่างกายหนึ่งเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นการสอนแต่เราต้องเ<ช>จอการจริงเวลาที่ร่า ง, งกายจะต้องจากออกไปเนี่ยเราต้องปล<น>่ อ, อในการสอนนี่เราจะต้องทําบ่อยๆมั้ครับใช่ต้องทําบ่อยๆอย่างไทั้งมันต้อ ง, องมันต้องทําบ่อยๆ่ ม, มันไม่ไม่กลิ่มมันไม่แก่งกลัวความตาย แต่แ ม, ม้ว่ายังไม่ได้เจอความจริงแต่อย่างน้อยเพียงแต่คิดแต่มันก็ไม่กลัวแล้วเมื่อก่อนนี้คิดไม่ได้คนเราคิดถึงคำว่าตายแนี่นก็กลัวแนละ้วครับอืมครับแต่อันนีนก็เป็นยังยังเป็นการบ้านอยู่มันต้องไปเจอเหตุการณนะ์เช่นนั่งเครื่องบินแล้วมันจะตกเนี้ยอืมครับ <c oughs> แต่ว่าการฝึกใจก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะก็ทำอีกทําการบ้านอะไรมันนั่งมวยต้องซ้อมอยู่เรื่อยๆโอืม <C> e <an> ถ้าไม่ช้ามันเดี๋ยวมันก็ลืมนด้านเผลอได้เดี๋ยวมันก็กลับไปขึ้นแบบเดิมอีกที่ว่า <C> e <an> เป็นตัวเราของเราเองที่ว่าเราก็อยากให้มันอยู่ไปนานๆไม่อยากให้มันตายแ <C> e <an> ต่ตามใจยังมีความอยากไม่ตายอยากอยู่นานๆนี่ก็เป็นกิเลสทั้งนั้นอกับก <C> e <an> ับเพราะมันมันหนีพ้นความจริงไม่ได้มันต้องตายก็คือทัศในสัญญาเนี่ยเราเรายอมรับความจริงตรงนั้นแต่ในที่ที่ที่ตอนที่ ผมติดนัญหาคือเออแล้วแล้วเราจะรู้รู้รู้สึกความเป็นจริงแล้วก็รู้แจ้งตรงนี้เนี่ย<ม>เราจะต้องทําอย่างไรซึ่งอ่ะครับนั้นแหะก็ต้องต้องรอให้มันมีอะไรมาเป็นข้อสอบอ๋อครับเช่นร่างกายเราเช่นตอนนี้กังวลเรื่องโควิดระบาดแล้วกังวลก็แสดงว่ายังยังไม่ผ่าน ไม่ไม่เคยกังวลเท่าไหร่อตอนตอนนี้ก <Wing. S 2> ังวลอยู่อย่างเดียวว่าเนื่องจากเรามีอายุค่อน ข, ข้างสูงแล้วเนี่ยเราจะมีเวลาที่จะเอธรร ม, มะให้เข้าสึงอย่างน้อยก็ก็ทัศา บ, บัานได้นี่ก็คือเป็นความฝันอันสูงสุดแล้วก็คือก็ปฏิบัติตรงไม่ต้องไ ป, ง ป, ป, ปกังวลกังวลก็ไม่เกิดประโยชน์อะไ ร, ระกับกับก็คือทาในปัจจุบัน เราไม่รู้ว่าร่างกายมันจะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมไปกังวลไปก็ไม่เกิดประโยชน์แต่เราเตรียมตัวตามเตรียมใจว่าอมันอาจจะเกิดขึ้นคืนนี้ก็ได้ขึ้นคืนนี้ก็ได้เย็นนี้ก็ได้ัับบมีอีกครับมีคําถามหนึ่งที่อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงก็คือในในเรื่องก็ได้อ่านเรื่องธาตุหกด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ ก็เป็นเรื่องที่เอ อ, อแล้วก็มีความเข้าใจในในในในธรรมะมากขึ้นนะมันมีคำอยู่สีคำเมืคือจิตอารมณ์ตัวผู้รู้ธาตุรู้ทั้งทั้งสี่ตัวเนี่ยมันมันบางทีเวลาเราเราเราเร า, เราทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยไอ้สี่ตัวนี้มันก็เข้าเข้าเข้ามาในหัวแล้วก็พยายามมันก็มีการคิดของมันเนี่ยทาให ทำให้เออเราเรามีความคิดในลักษณะที่ถูกต้องหรือไม่ก็อยากให้อาจารย์ช่วยช่วยอธิบายทั้งสี่คำที่ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน่ออคําว่าจิตผู้รู้ทรานู้นี่เป็นตัวเดียวกันคําจิตก็คือผู้รู้ท่านท่ารู้นก็คือจิตผู้รู้ที่ที่ผมก็ใจก็คือผู้รู้ถ้าเราต้องต้องเอาส ต, ติแนบไว้กับจิต เพื่อให้เกิดผู้รู้อันนี้ถูกต้องัหมครับไม่ใช่เอาเอาสติน้ำกับจิตเพื่อให้หยุดคิดให้หยุดคิดให้หยุดคิดให้หยุดตรงแต่งให้หยุดกระดิษอารมณ์ต่างๆขึ้นมาใช่ไหมเราฝึกนั่งสมาธินี่ยเราเอาสติเช่นดูดโธรดูดอมหายใจเพื่อมาให้จิตหยุดคิดไม่ให้จิตไปคิดอะไรให้จิตเน่งเป็นสมาธิให้จิตว่าให้แล้วแต่ผู้รู้อย่างเดียวให้หยุดทุกคิด ในจิตนี่มีผู้รู้ผู้คิดแล้วก็มีอารมณ์ที่เกิดจผู้คิดทิ้งทิ้งแต่แต่จิตเนี่ยมันมีนิสัยอย่างคือคือแว่ไปหาอารมณ์ทั้งภายนอกและภายใ น, น, นเรื่อยๆทุเรเรื่อยๆใช่ถูกกวิชาให้ให้ไปเสร็จรูปเสียงกนินนั่นเราก็เลยต้องใชสติอยู่บ้างเพราะฉะนั้นมันเพราะนั้นสตินี่มันก็มันก็เหมือนอารมณ์ตัวหนึ่งที่คอยดึงจิตไว้ใช่ไหมครับ ที่ก<อ>็ดึงมาอยู่ตรงนี้เราเราไม่เรียกว่ามันเป็นอารมณ์เราเรียกว่ามันเป็นธรรมเป็นธรรมอ่าเป็นธรรมโอ้กับกับแต่เมื่อเมื่อเมื่อมาอยู่กับธรรมนี้เมื่อจิตแวบไปหาอารมณ์ทางกายทางใจอะไรนี้เราก็จะเกิดการรู้ว่าเออแวบไปแล้วแวบไ ป, <อ>ไปแล้ ว, ลวใช่ถ้วเรามีสติเราก็เนินกลับมาครั บ, บ, รบถ้าเรามาอยู่กับอารมณ์ทางธรรมเช่นพุโทโธนอำลมหายใจเข้าออกอืมอืม แต่ตอนหลังก็ยังต้องทำลายตัวผู้รู้อยู่ใช่ไหมผู้รู้ไม่ทำลายละทำลายตัวกิเลสทำลายกิเลสตัวความโลภความอยากต่างๆอเรือซึ่งอันนั้นก็จะตัวผู้รู้ทำลายไม่ได้ผู้รู้เป็นธาตุธาตุแท้ธาตุเดิมไม่มีกครับท่านธาตุมันเป็นธาตดินจะทำลายไม่ได้อธาตุดินทำลายไม่ได้ปกติธาตุนี่มันทำลายไม่ได้ ตอนี้เหมือนมันเหมือนกับผู้รู้กับธาตุรู้นี่คือตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันเราใช้ชื่อแทนกันอ๋อแต่ผู <ม sam S 2> ้รู้ธาตุรู้จิตนี่มันตัวตัวเดียวกันตัเดียวกันใจตัวเดียวกั น, กนแต่สภาวะว่ามีกิเลสไม่มีกิเลสนี่เป็นตัวแยกว่าอันนี้เป็นธาตุรู้อันนี้เป็นผู้รู้ใช่ไหมไม่ยังมีอันเดียวกันอันเดียวกันเลย อ่าอันเดียว่านธาตรู้พรู้มีกิเลสไม่มีกิเลสนัานแตกกันพระพุทธเจ้าก็มีท่านรู้แต่ไม่มีกิเลสท่านรู้ครับพวกเรามีกิเลสในท่านรู้อย่างละอย่างชามยังโลกอย่างโกยอยัางหมองอยู่อืมอันนั้นก็คือการปรุงแต่งของสังขารที่ปรุงแต่งตลอดเวลาแ ต, แต่ปรุงไปทางความโอภปรุงไปทางอวิชาอืมถ้าถ้าเราจะกำ จ, จัดตรงนี้ได้ก็ต้องเอาสติ ม, มาอยู่พยายามให้อยู่ตลอด แล้วใช่แล้วก็สอนให้มันคิดไปในทางความจริงให้คิดในทางไตรลักษอันนี้จำทุกข้อนะครับครับโอ้ก็ก็มีเคขามีไตรลักษณ์นี่เป็นตัวรองรับเป็นตัวรองรับไว้ตัวที่จะมาแก้วิชาต์ก็แก้ความความเห็นผิดมันชอบครับครับโอเควันนี้ก็มีคําถามดึงดุนี้ครับขอบขอบคุณอาจารย์าอาจารย์ครับ กอยึดแนวาการปฏิบัติสติไว้อย่างเดียวนะให้ความคิดเหล่านี้เถึงความรู้แต่เวลาปฏิบัติก็ต้องเอาสตินี่มามาตัวคอยหยุดความคิดให้ได้คอยควบคุมรับคิดให้ได้น้อมรับมาสการครับเป็นท่านต่อไปคุณ น, นันทบัณจากกูเทพต่อธรมรง ตามนมัส ก, การเจ้าขาพระอาจารย์วันนี้ลุงไม่มีคําถามค่ะแต่ที่ฟังเมื่อคืนมีประทับใจคําถามหนึ่งอะเจ้า่าพระอาจารย์ที่เกี่ยวกับการโก setting อะค่ะพระอาจารย์ที่ว่าจารว่าตั้งเป้าแบบที่พระอาจารย์แนะนําที่ดีที่สุดก็คือการ get rid of suffering อะค่ะอาจารย์ให้ไม่ให้ดับทุกข์ค่ะการดับทุกข์คือไม่ให้ไปกําหนดว่าเราจะต้องเป็นโสดาบานันเป็นนูน่นเป็นนี่อะไรย่างเงี้ย ธรรมะพระเจ้าทรงตรัสสอนอยุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรท่า<ะ>นไม่ได้ไปเน้นว่าต้องเป็นโสดาบันต้องเป็นอะไรเน้นทีดับทุกข์ด้วยการดับความโลภความปวดความหลงไม่ได้นะในบางทีเราไปติดชื่อกันติดชื่อโสดาบันฟังแลมันแท้เพราว่าฉันเป็นโสดาบันแล้วน ะ, ะนเมื่อกี้เลยขึ้นมาแล้ว ตาตตตอนขึ้นมาแล้วฉันเป็นโสดาแล้วฉันเป็นส ก, กีดาคาแล้วไม่ได้ไปสนใจนั้นรู้ว่รู้ว่เป็นความรู้เป็นความรู้เสริมแล้วกันแต่ไม่ใช่เป็นความรู้ที่เราจำเป็นจะต้องไปแบบไปไปคนวณด้วยหมายรู้เราวิธีดับความทุกข์ดับยังไงท่านอาจารย์คะค่ะเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์เคยสอนนะเจ้าค่ะว่า เวลาที่เราดูจริงๆคือดูความทุกข์แล้วก็ดูความอยากใช่ไหมเจ้าขาพันธใช่อริยสัจเนี่ยทุกข์เกิดจากความอยากนั่นก็ทุกข์ดับเพราะปัญญาเพรเห็นใจแล้วเห็นใจแล้วก็ละละความอยากได้ทุกข์ก็ดับนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาเนี่ยอริยสัจเป็นสองคู่ต่อสู้กันคู่ของทุกข์กับคู่ของนิโรธค่ะ ตัวที่ทําให้ทุกข์เกิดก็คือตัวความอยากตัวที่ทําให้ทุกข์ดับก็คือตัวปัญญาถ้าเห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากเป็นทุกข์มันก็หยุดอยากใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอยากจะเป็นนายกแล้วมันทุกข์อะอยากจะเป็นไม่เนี่ยให้เขาโถเขาชาวบ้านเขาด่าทุกวันเลยนะไหนมาไหนก็ถูกเขาด่าไม่เนี่ยอยากจะเป็นไม่เนี่ยใช่ไ้มเป็นพระไม่ดีกว่าพระไม่มีใครเขาด่า นั่นและต้องต้องถ้าเห็นทุกข์แล้วมันก็จะหยุดได้ที่มันทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสุขมันสุขชั่วคราวนั่นะไม่เที่ยมเนี่ยได้ได้ตำแหน่งนายกมาเดี๋ยวก็เลอกสร้างใหม่ใช่ไหม<า>เดี๋ยวก็คนตำแหน่งละทุกข์เอาหมดก็ทุกข์เลยใครมีหน้ามีตามีบริษัทบริวารนีหายหมด เราต้องพิจารณาทุกในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากเหมือนกับเราเห็นว่าเครื่องเดือมที่เราจะเดื่มมันเป็นยาพิษมียาพิษผสมอยู่ที่เราจะไม่กล้าแต่เลยนะคะถ้าถ้าถ้าลูกลูกดูดูดูที่ตัวเองประมวลที่พระอาจารย์สอนนะเจ้าค่ะถ้าถ้าสมมติว่าลูกใช้หลักการคือพิจารณาทุกข์กับความอยากเป็นหลักอย่างเนี้ยพอพอได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ แล้วก็จะริ่ออมกินก็เวลาทุบเท่าไหร่ก็ค้นหาเลยว่าอยากอะไรอยู่ตอนี้นน อ, อ, อยากได้หรืออยากไม่ได้อยากให้เป็นหรืออยากไม่เป็ น, นก็มีอย่างนี้ค่ะโอเคนะค่ะวันนี้มีเท่านี้เจ้าค่ะพอาจารย์กล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะคุณหมอพราสนาบนจบแล้วสําหรับการพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีสองคําถามค่ะพระอาจารย์ คำถามแรกค่ะพระอาจารย์คือในในจิตในสติปัฏฐานสี่ะค่ะเรื่องจิตอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราถ้าถ้าเกิดว่าเราอ่ะมองข้างนอกสิ่งของข้างนอกเป็นไตลังนี่คือจิตส่ ง, สงนอกใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะอยู่ข้างในก็คือว่าให้เรามองว่าเวลาเราเห็นอะไรแล้วความอยากมันมีความรักชังกับเพื่อกับเพื่อนไม้แล้วเราก็ใช้ไตลังหยุดสิ่งนี้เรียกว่ามองข้างในใช่ไหมคะพระอาจารย์อ๋อมันอยู่ที่ว่าจิตเราไปยึดกับของข้างนอกนั้นของข้างใน ถ้ามันยึดกับของข้างนอกก็ต้องพิจารณาของข้างนอ ก, กเพื่อให้ปล่อยวางเลยถ้าเรายังยึดติดกับลาบยศสารเสริญมอยู่เราต้องพิจารณาว่าเป็นใจละไม่ใช่มาดูจิตมันดูจิตมันก็ไม่ไม่มันก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาปัญหามันอยู่ที่จิตไปยึดไปติดกับลาบยึดสารเสรื่อะก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์ไม่เทีย่ยงเป็นสนตา มันถึงจะปล่อยได้มันถึงต้องปล่อยข้างนอกปล่อยข้างมาปล่อยร่างกายแล้วมาปล่อยเวทนาแล้วมันถึงจะเข้ามาในตัวจิตตอนนั้นจิตมันไม่ออกสมหวังนะแต่มันยังทุกข์อยู่กับอารมณ์ของตัวเองอยู่ทุกข์กับปัญญาสังขารความคิดปุนแต่งคิดถึงอดีตบางทีก็เกิดอารมณ์เศร้าไปนมางคิดถึงอะไร ซึ่งตรงนี้เราก็ยังต้องใช้ความสงบก็คือต้องใช้อุเบกขาใช่ไหมคือพอพอถ้าในถ้าเกิดเราอยู่ในข้างในปุ๊บนี้ถ้ามันมีอะไรมันก็เลยต้องมารักชังกลงัวหลงก็เลยต้องให้มันอยู่ในตรงกลางก็คือต้องเอามาถึงความสงบยังต้องยึดติดความสงบอยู่ใช่ไหมฮะไม่ใช่คำเดียวกันก็คือให้ให้มีอุเบกขาเพื่อปลอดวางเพ่รู้ว่าอารมณ์ต่างๆก็เป็นของชั่วคราวเยอะแยแต่บางทีเราอยากจะให้ได้อารมณ์ดีทั้งวันมาอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็หมดเห็นลมหายใจขึ้นมา นายก็พยายามทำต่อไปพระอาจารย์การแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทีตนี้ก็จะไปพระอาจารย์มีอะไรแนะนำไหมคะจะไปที่วัดป่าตะล้น้อยอนุภูมิประมาณสิบห้าองศาไปสองทางคนไปอาทิย์หนึ่พระอาจารย์มีแนะนำมีสติมีสติมีปัญญามีความเพียรครับพอเราปฏิบัติทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดืยนนี้ก็ดีขึ้นพระเดให้มีความเมตตาศาสนาแพทย์นี่ต้มีความเมตตา เดี๋ยวเราอาไปจานออกไปก่อนไม่มีอะไรคุณว่าเล็กว่าเล็กกาวนมัสการครับหลวงพ่อนึกถึงคําสอนหลวงพ่อทุกปลายปีหลวงพ่อจะบอกว่าให้นี่สิ้นปีนะถ้าเป็นทางโลกก็จะมาดูกําไรขาดทุนทางธรรมก็จะดูว่าเราทําบุญหรือทําบาปอะไรมากกว่ากันก็คอยเช็คตัวเองอย่างนี้ครับทางโลกนี่มันมีหน่วยวัดเป็นบาทเป็นดอลลาร์แล้วทางธรรม มันหน่วยวัดคืออะไรครับหลวงพอ่อก็พฤติกรรมของเราเนา่ยทำบาปมากเท่าไหร่ทำบุญมากเท่าไหร่ครับมันก็อยู่ในใจของเราคนอื่นไม่สามารถรู้ได้ถูกไหมครับหลอมันก็จะมันผลเนี่ยของถ้ามันบาปมากกับบุญใจก็จะทุกมากกับสุขนะถ้าบุญมากกับบาปใจมันก็จะสูงมากกับทุกนะครับก็ ผมก็โอเคก็พยายามจะเริ่สติเหมือนที่หลวงพ่อบอกสติสติเอ้ยก็เลยฟังธรรมให้เกิดสมาธิแบบฟังธรรมหลวงตาแบบนี้ก็รู้สึกถึงความร่มเย็นผ่านกระแสเสียงของหลวงพ่อหลวงตายอย่างนี้ตล อ, อดก็ <ทำ S 2> ดีทำไปเรื่อยทําไปเยครับก็จะบอกว่าปีหน้าก็จะให้ได้กําไรเยอะกว่านี้อีกครับก็มา กราบขออนหลวงพ่อพแล้วก็แบบจะปฏิญาณว่าลดยึดหลวงพ่อเป็นสารณะตลอดไปครับทำความดีให้มากขึ้นทำบาปให้น้อยลงครับวันแค่นี้ครับวันสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าอาจารย์ทรพยยิตราเชิญำำกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์มีอะไรเงาเงามาอย่างไรมาด ม, ามีมีคนป่ยค่ะ ให้ใส่หน้ากากะคค่ะครับอาจารย์ครับเป็นเป็นวัดธรรมดาครับอาจารย์ใส่ ATK สองเที่ยวแล้วไม่มีคยังไม่โอเคยังโอเคนข้าครับคนข้างๆกลัวอยู่อาจจะใส่หน้าสหน้ากากด้วยค่ะอาจารย์ทราเมื่อคืนนี้มันมีคำหนึ่งนะคะที่อาจารย์พยายามอธิบาย ให้ให้ทางนูน้นทางต่างชาติฟังนะคะโนมีใช่ไหมโนมีก็ไม่มีเรา่ไหมใช่อะคำนี้มันค่อนข้างลึกซึ้งมากในภาษาทไทยเพราะว่าทางทางทางโลกก็จะเป็นเรื่องของอีโก้ใช่ไหมคะในทางธรรมนี่ก็คือเยอะมากเลยทีนี้เราจะมีคำอธิบายให้คนทางโลก ให้เข้าใจลึกซึ้งเพิ่มมักขึ้นเนี่ยได้ยังไงคะว่าโนมีกาา็ที่เราคิดว่าเป็ น, นเราเนี่ยมันไม่ใช่เรามันมีแต่ความคิดนะเนี่ยเรามีมีแต่ความมีแต่ผู้รู้ผู้รู้นี้มนไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงแต่ผู้ทําหน้าที่รู้ผู้รู้ผู้คิดคือจิตเ่ยแต่อวิชากิเลสนั้นให้ไปคิดว่ามันเป็นเรา เราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้คิดถ้าเหมือนกับที่เราไปคิดว่าโลกนี้มันแบนถ้าเราไปคิดมันเองใช่ไหมคิดว่าโลกแบนสมัยก่อนนี้ว่าไม่มีวิทยาศาสตร์มาสอนแ๋ยในสมัยนี้ก็ไม่คิดว่าเป็นโลกแบนแล้วนทุกวันกลับมาก็เห็นโลกกลมในภาพให้เห็นชัดเจนเนีย่ยถ้าเรามีภาพให้เราเห็นว่าที่ว่าที่ว่าเร า, าเปล่านี่ก็คือเป็นอยาตัวคิดเนี่ย ตัวคิดท่านเง่งตัวรู้แต่ไม่ได้เป็นเราเพียงแต่เราไปคิดว่าเป็นเราเป็นความคิดท่านเองเราก็ต้องมาแก้ทากคิดนี้ว่าเราได้คิดว่าไม่มีเราไม่ใช่เราเราเป็นเพียงผู้รู้เวลาใครโคตรดา่าก็เพียงแต่รู้เขามไม่ได้ด่าเราเรามไม่มีเราถ้าออกไปรับก็แสดงว่ามีเราขึ้นมา แต่เราเราเนี่ยนะครับเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็ไม่มีเราอยู่เมื่อเกิดความลาคาญใช่ไหมคะเวลาคนเขามีอีโกโ้เยอะๆเราก็เกิดความําคาญขึ้นมาเร า, เร า, าก็มาพิจารณาว่าเออเราถ้าเราลาคานปถ้าเรารําคาญเราก็มีอีโกโ้ขึ้นมา <S <S ใช่ถ้าเราเฉยๆเนี่ยนะแต่ก็ไม่มีอีโก้ต้องงุ้เฉยๆสแต่ว่าถ้ามีอีโก้มีอารมณ์ก็แสดงว่ามีเราเราออกไปรับมันนะ เราก็ชอบพยายามไปไปแก้ไขค่<ร>ะแต่ไอ้เชนเราไม่ช่วยขเขาแล้วใครจะช่วยเออถ้าเกิดเราตายไปแล้วใครจะช่วยลนะ่ะใช่เราถึงต้องมาฝึกสมาธิเพื่อดึง ใ, ใจมันอยู่เฉยๆให้มันเป็นอุเบกขาให้มันเป็นผู้รู้ไม่ให้มันเป็นผู้ตัวตนขึ้นมาไม่ให้เป็นผู้กระทําให้มันเป็นแต่ผู้รู้เฉยๆ ถ้ามีความจำเป็นจะต้องทําอะไรก็ให้เป็นมีเหตุมีผลบังคับให้ทำถึงทำถ้าไม่มีเหตุมนีนผลก็ไม่ทําอะไรเราก็พยายามละละเลิกกันค่อสงบซึ่งบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าเราหนีหนีออกมาจากตรงนั้นเพราะว่ามั น, ม, นมันมั<ก>นมีมที่เงียบสบายกว่าก็เหมือนเสียหายตรงไหนหนีออกจากกองไฟมาอยู่ที่นอกก อ, องไฟ ใครอยากจะอยู่ในกองไฟก็กว่าก็อยู่ไปดนะด่า ก, ากนันด่ากันตั้งแต่เช้าจนเย็นนะแบบแบดูใ น, ในเฟซบุ๊กเนี่ยโหด่ากนันเหมอกูอะไรว่ากันไปเวลานอนหลับก็คงจะด่ากนันเลยในฝันเองแ <c oughs> <c oughs> ้วมได้ไรจิตร้อนกันทุกคนที่เลยคำว่าโนมีเนี้ยมันค่อนข้างดีมากไม่มีเราไม่มีเรา ไม่มีเรามันดูมนามันก็ไม่ชอบไม่มีของเราก็เลยจริงๆเอาไว้เป็นคำอวยพรให้รุ่นเด็กๆว่าพยายามโนมีไม่มาบ้าไม่เป็าไม่าาก็าแล้วแบบปุบก็ตอนนี้ใกล้เคียงโอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีแล้วค่ะกอบอาจารย์ค่ะไปที่ท่านตอบไปคุณเอกคิดตรสาตอน อยู่ที่ไหนคุณเอกกรุงเทพครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับอยู่ก ร, รุงเทพอาจารย์ครับแต่แต่ตอนนี้มาอยู่แม่สอดครับมาบ้า น, นคุณแม่ครับมีอะไรไหมมีคำถามนะมีมีคําถามครับอาจารย์พอดีจะสิ้นปีแล้วครับอาจารย์ปกติอย่างปีใหม่เนี่ยก็จะตั้งเป้าหมายของแต่ละปีอย่างปีปีปีนี้ปีนี้เนี่ยปีก่อนผมถือสี่ห้า ปี 6-4 สี่นี่เริ่มมาถือศีลแปดทุกวันพระก็ทำได้ดีขึ้นครับทีนี้ปีหน้าเนี่ยจะลองเพิ่มในส่วนของการปีกวิเบก ค, ครับทีนี้จะจะจะไปไปที่เขาชีโอนนะครับต้องต้องต้องติดต่อที่ใครครับอก่ก็เป็นผู้ชายก็ต้องติดต่อต่อพระครับเดี๋ยวคุณนาะอาจจะมีเบอร์ของพระให้ติดต่อคุณนะ้ได้ไ ไปครับเคยเคยไปพักอยู่คืนเดียวครับแต่ว่านานแล้วครับสก็ก็อยู่ได้ครับก็ต้องถามพระว่ามีที่ว่างหรือเปล่าเพราะที่มันก็มีจำับก็คือว่าจะตั้งใจว่าจะไปทีแรกอะจะตั้งใจว่าเอ๊ะไปสักเดือนเดือนละครั้งสักสามวันเนี่ยครับแล้วก็ไปได้ก็ได้แต่ว่าก็คุยกับทางทางแฟนเขาก็ เขาก็บอกไม่โอเคเลยบอกว่าถางั้นเดือนเว้นเดือนก็ได้เขาก็บอกยังไม่โอเคเขาเลยถามเขาแค่ไหนได้เขาบอกสามเดือนบอกว่าะแต่ยังดีเราก็บอกว่าสามเดือนก็สามเดือนแลูกก็อนุญาตครับแฟนก็อนุญาก็ดีขึ้นครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาจะค่อนข้างต่อต้านเราแต่พอเห็นเราทําจริงเ้าก็โอเคด้วยครับยังถือสินแปดเขาก็ก็ซื้อข้าวทุกเรื่งให้เราก็ก็ กินตามมีตามเกิดครับครับผมก็ว่าจะลองไปแล้วทีนี้อีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์ในส่วนของบางทีการทำงานนะครับเรายังติดอยู่ในเวลาได้ได้เงินทองมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็อยากได้เยอะอย่างเงี้ยฮะก็ยังมีความสุขอย่างเงี้ยอย่างนี้เราควรคิดไปในทางไตรลักษณ์ครับว่ามันวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปก็ คือย่างนั้นก็ได้แล้วก็วิธีนี้ก็คือเราต้องตั้งตั้งเพดานของเงินที่เราควรจะมีอ๋อคือถ้ามีมากไปนั่นก็เอาไปทําบุญอ๋อถ้าถ้าเราตั้งไว้ว่าเราหาได้เท่านี้ปึ๊บเราก็จะหยุดพอละถ้าเกินนี้เราก็ทําไปทําบุญบางทีชอเดือดถู่วขวยถูกอะไรขึ้นมาขายที่ได้อะไรับทําเงินที่มันเกินที่เราต้องการ เป็นเพดานที่เราต้องการจะมีให้ก็ทำถ้าไม่ตั้งเพดานมันก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆก็ตั้งตั้งเป็นแสนจากแสนก็เป็นล้านก็จะขยับขยับขึ้นไปเรื่อยอืมก็คือเอาให้เหมาะกับความเป็นอยู่ของที่บ้านใช่ค่าใช้จ่ายค่าใช้อะไรต่างๆแล้วก็ต้องมีส่วนไว้เก็บสำรองไว้บ้างครับอถ้ามากกว่านั้นก็เอาไปช่วยเหลือคนอื่นบ้างก็ดีได้ครับ หรืออีกวิธีนึงก็คือเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวกันเนี้ยไปทํางินเพื่อตัดการการติดเที่ยวได้ยกเงินที่ซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จําเป็นนะครับไปทำเงินแต่ซื้อของก็ซื้อของที่จําเป็นจริงๆเช่นเสื้อผ้าขาดแล้วไม่มีไซส์ก็ซื้อถ้ามีแฟมเปอร์ยังอยากซื้ออีกมันเป็นเกล็ดมันได้ตัดมัมีเยอะครับแต่ว่าใส่อยู่ไม่กี่ตัวครับ่ ก็มีร่างกายร่างเดียวเวลาใส่ใส่ได้กี่กี่ชุดอ่ะมันก็ใส่ได้ชุดเดียวครับครับต้องใช้เหตุผลเด็ถึงจะปราบภาพโลกได้ครับผมแล้วถ้าจะทําบุญกับทางหลวงพ่อนนี้ต้องต้องต้องถามคุณลารู้คุณลากัน้คร่บได้ครับก็หมดคําถามกับอาจารย์ครับก็ในนั้นพูดต้องทําบุญก็ขออนุโมทนากับทุกท่าน่ะที่ทําบุญฝากคุนลารามนะครับโมทนา ในรับทราทุกระยะเวลาทำบุญตุลาเขาก็จะแจ้งมาให้ทราบเดือนตาจะไม่ก็ได้มาพูดคก็ขอให้ทราบวันได้รับแล้วขออนุโมทนาทุกครั้ง น, นะโอเคบุตรลูกดาต่อบุตรลูกดาตอนนี้กลับอยู่บ้านแล้วยังอยู่บนเขานีกการราชการค่ะอยู่บนเขาค่ะขขพระอาจารย์ครานี้กัเจ็ดวันนั่นเอนะค่ะ กับวันที่หนึ่งค่ะอดมันเดียวอดเดียวค่ะมาเข้าอาคนเดียวนะอะไรนะคะมาเข้านาคนเดียวเข้านาคนเดียวค่ะก็ฝึกสติให้เยอะๆค่ะสติแล้วก็ฝึกปัญญาเวลาออกนิยสมาธิมาก็พิจารณาความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์ ถ้าวันหนึ่งจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปปฏิบติไปค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะไม่มีคาถามเลยนะไม่ค่ะขึ้นมาครั้งในครั้งที่เท่าไหร่นีถึงสิบครั้งเนี่ยหกค่ะหกกแล้วเลยครั้งหน้าเจ็ดวันเลยนะค่ะมีครั้งแรกห้าวันเพราะว่าไม่เคยครั้งนี้ไม่ว่า สี่ทำไป็นบ้างทั้งครั้งครั้งไหนคะขั้งแรกเอาขั้งแรกขั้นแรั้งแรกอะค่ะห้าวันเพราะว่าไม่เคยขึ้นมาก็เลยมาลองดูก่อนค่ะทีนี้เจ็ดวันสบายค่ะเดี๋ยวลองลองดูสิบวันดูค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเพิ่มดูค่ะที่นี่ได้สูงสุดสิบวันนะคะก็แล้วแต่คุยกับคนที่ขั้นจัดตลาดใช่ไหมข้านอกอย่านั้ มีช่วงช่วงว่างแล้วก็เราอยากจะอยู่จริท่องก็ไม่ขัดช่องค่ะปีหน้านเดี๋ยวลองดูเพิ่มดูค่ะลองถามวันที่เขจัดตาราดดูว่าขออยู่ยาวนีดหน่อยได้ไหมอะไรนั้นก็ไม่ไได้ค่ ะ, ะ อ, อาจารย์หรือเราไม่มีกดตายตัวอะไรแบน้าเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มดูค่ะดี <laughs> คนะ่ะอาจารย์ขอบค<อ>ุณ ทวิสาเจจากสวิตเซอร์แลนด์คุณล่าแาจ้งมาชามนนันพรบุตนากราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์นาัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะโยมก็ไม่มีคําถามค่ะก็ฝึกปฏิบัติต่ออยูอย่ประจําค่ะเรื่อยๆค่ะตามกําลังค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ความเพียรนะและก้าวหน้าก็าต้องก็อยู่กับความเพียรนะะ ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็อยากจะได้ความเพียรเยอะๆค่ะบางทีมันก็มีเหตุให้ดึงดึงความเพียรออกกิเลสมันเยอะค่ะพระอาจารย์ก็พยายามอยู่ค่ะพระอาจารย์เขามาัญตัตการกระตุ้นความเพียรเช่นออกข้าวว่านอะไรบ้างช่วยกรนหน่อค่ะพระอาจารย์พอเวลาอดแล้วมันหิวมันจะต้องมันจะต้องเจริญสติเจริญสมาธิเพื่อดับควาหิวทางใจ ค่ะปาจางอาทิตย์นี้ก็หยุดร้านทั้งอาทิตย์ก็เลยก็ลอยู่บ้านก็เลยเออพอดีเป็นจังหวัดดีอา่าพอบ้านเขาก็ไปทํางานกลางวันก็เลยยมก็จะมีเวลามากขึ้นค่ะคือกลางวันก็พยายามจะทําตรงนี้ให้ให้ไม่ให้เสียเปล่าค่ะในสานการณมันหยุดค่ะที่เคยไปปิเรื่อนั้นก็ไม่ไปแล้วนะครับแ ม, มแ่ค่ะ ตอนนี้ตอนนี้ไม่น่าจะสะดวกค่ะเพราะว่ามันมันหนาวมากแล้วก็คนคนเขาจะเยอะค่ะมันเป็นอ่ามันเป็นหมู่บ้านเป็นสกีรีสอร์ทค่ะพระอาจารย์แล้วตอนนี้คนจะเยอะมากนะครับตอนนั้นไปช่วงที่ไม่ใช่คนไม่ใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยแล้วส่วนอื่นมั้นก็คิดว่าตอนนี้ระเลบ้านมันตอนนี้บ้านก็โอเคอยู่เพราะว่ากลางวันไม่มีกลางวันไม่มีคนอยู่ดีที่ไหนอยู่คนเดียวได้ก็โอเค ค่พยายามจะหาอยู่ค่ะพระอาจารย์รอช่วงที่แบบแม่คนที่เขาแบบช่วงเล่น้อยหรือสถานที่ที่มันดีกว่านี้หน่อยเองค่ะพรับแล้วคนที่บ้านเขาอนุญาตให้ไปอยู่มั้ยเนี่ยอนุญาตค่ะพระอาจารย์เขาดีหน่อยค่ะพระอาจารย์คนที่บ้านเขาเข้าใจค่ะแล้วก็สนับสนุนเรื่องนี้อยู่ค่ะโอเคก็ดีอยู่ก็เลยก็ถือว่าถือว่าโอเคถือว่าไม่เป็นบุญของของโยมค่ะพระอาจารย์ที่เขาเข้าใจ มีมีสาธรรมิกามีการยามทำนค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติกับเราค่ะแต่ว่าเขาเขาแบบเขาไม่เป็นไรงเขาไม่ขัดขวค่ะค่ะไม่ขัดขวเขาดูโมทนาดุโมทนาค่ะค่ะทำไปเรื่อยๆนะค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบคุดค่ะคุณเอกเชคุณเอกจากเชียงรายกั่านามรักรพระอาจารย์ครับผมเอ่อ วันนี้เขาประกาศพระอาจารย์แล้วก็ลวกฟังธรรมครับไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาครับก็ปฏิบัติครับปฏิบัติต<น>ทุกวันนะดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่สติแล้วแต่ความเพครับผมใช่ครับ <c oughs> ก็ยังรูกนอนนอนอยู่ <c oughs> แต่ก็ปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์เมื่อกีแบบมันเคยมีเหมือนกันนะพระอาจารย์แบบว่าช่วงก่อนนอนไม่ปฏิบัติเงี้ยพระอาจารย์แบบว่ามันเหนื่อยแต่ เสียงในใจมันออกมาคพระอาจารย์เหมือนประมาณว่าเอ๊ะเรานอนมากี่ภพ ก, กี่ชาติแล้วอะ่ะเราจะนอนไปอีกกี่ภพ ก, กี่ชาติเนี่ยมันขึ้นมาในใจครับอาจารย์มันต้อ ง, ต, อ ง, ต, งต้องขึ้นมาแบบนั่งสักแป๊บเถอคะครับอาจารย์เป็นอย่างไงครับ ม, ม, มีทางมโนสรรกิจใจเราละมีปัญญาต่รรตาใจเราโอ้นอนมากี่ภพ ก, กี่ชาติแล้วเนี่ยโอ้แล<ม>้วฟังพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เทศเทศไว้อะที่ว่า เราเกิดมาเนี่ยน้ำตาที่เราหลั่งมาเนี่ยมันมากกว่าน้ำเลือดมาสนุกใช่ครับผมคิดนึ่งโอ้ต่แล้วจะนอนอยู่ได้ยังไงเนี่ยเราไม่รู้วันไหนหายใจไม่ออกแล้วมันจะทํายังไงเนี่ยไม่เคยชาติที่ชาติที่วิเศษที่สุดเพราะมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครยข้าอยบอกมาข้าวผมหาหาไม่ได้อีกแล้วครับจริ่งมาเจอพระอาจารย์อีกก็พยายามเต็มที่ครับพระอาจารย์ ไปไปทำมาเกิดครั้งครั้งหน้าจะไม่มีพระพุทธธรรมพุทธสงฆ์อในรอบนี้กันนะครับผมครับผมครับงั้นเอาพยามาพระพุทธธรรมพุทธสงฆ์เข้าไปในใจให้ได้เอาไปกับเราให้ได้วันนี้มีพระพุทธธรรมพสงฆ์ติดใจไปือพรอิยบุตแต่พรสาวกธรรมะเท่านั้ครับผมครับมีพระพุทธธรรมพุสงฆ์ในใจแล้วไปเกิดที่ไหนไม่มีพระพุทธศาสนาก็ปฏิบัติเองได้ พอมาทำรู้กาสําน็สอนใจคอยสอนอยู่ตลอดครับผมครับผมปีนี้ก็ก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่ตั้งแต่ต้นปีฮะที่ผมกลาวเรียนพระอาจารย์เรื่องเอ่อทุโนโควิดะ <c oughs> ก็เกือบปีครับมาถึงปลายปีก็เออใจมันใจมันยอมรับได้แล้วรครับอาจารย์ <c oughs> ก็เห็นว่ามันเจ็บก็มันก็มันก็เจ็บของมันนะครับ มันเจ็บก็เจ็บมันไปก็คือเราไม่ได้ไปเจ็บมันอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่ไปอะไรกับมันเราไม่เดือดร้อนเราเดือดร้อกับพุทโธพุทโธไปครับก็ไม่ไม่ไปเดือดร้อนกับมันแล้วก็ไม่ไปสนใจมันมันจะหายไม่หายก็ก็ปล่อยมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของขาเป็นเรื่องของเอวที่มันเจ็บครับต้องนะแสดงว่าเราเข้าใจหลักธรรมนะเนี่ยครับเข้าใจหลักนิจจานัตตาครับ แต่ก็มันมันมีแวบขึ้นมานิดหนึ่งครับพระอาจารย์ที่เ อ, อ่อมันที่ว่าทุกทุกในพระไตรลักษณ์กับทุกในพระนิยมสัตว์อ่ะมันทุกตัวเดียวกันไหมคับพระอาจารย์ก็เดียวกันตัวเดียวกั น, กนใช่ไหมครับเชื่อมเดีวกันอ๋อเชื่อเดียวกันนะฮะครับผม้ในไตรลักษณ์กับพระปริยะติ้ปสิ่งที่มันไม่เทียเท่ยงไม่นับเที่ยงเออครับผมครับผมไม่ยากให้ในสิ่งที่เราไม่ ที่ที่มันตั้งอยู่อยากให้มันหายไปเช่นเวทนาความเจ็บหายไปพอไปอยากปั๊บมันก็ทุกข์ขึ้นมาใช่อหครับครับคับใช้ครับใช่ไปทุกตัวเดียวกันฮะช่วเดียวกเดียวกันครับผมเกิดจากความอยากนะครับอมาจากความอยากเกิดจากการที่ไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาพอเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาก็หยุดอยากได้อยากไปก็ไม่เกิดประโยชน์เลยอยากไปมันก็ไม่อยู่มัน ครับอยากไปมันก็ไม่หายครับไม่หายใช่ก็เลยไม่อยากเพรไม่อยากมันทุกข์ก้อดับไปครับครับอ๋แต่ควาเจ็บไม่ดับนะความเจ็บเป็นคนละเรื่องกันไม่ใช่ความเจ็บไม่ใช่ทุกนะความเจ็บทางร่างกายมันวก็เวทนาไครับผมอืมครับผมครับผมครับผมกระจ่างแล้วครับอาจารย์กรับผมว่าคุณพระอาจารย์มีสูงครับผม่สาธุคุณนันแต่คุดอนอันนี้อยู่ดอนไม่อยู่ที่ไหน อยู่ดานค่ะการทมัศกาค่ะพาจาวันนี้ไม่มีคำถามค่ะไม่มีนะค่ะครครับเพิ่มไปที่ภูรายโพลตอบไม่ทราบคนไ้ไม่มีชื่อนัโพนมัศกาค่ะพาจย์อ้อมค่ะอยู่วนเท่าไหร่วันนี้ใช่ค่ะกลับบ้านนะค่ะกลับบ้านมายี่ยมพ่อแม่ค่ะพรุ่งนี้ไปอุดรค่ะไปบ้านแฟน ค่ะคุณแนนหรือว่าพระเยซูแค่ะวันวันนี้ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์มาฟังธรรมค่ะโอเคเอาไปเรื่อยๆนะค่ะไม่เกิดประโยชน์นะค่ะค่ะคุณริสต่อคุณริสแจกรายอ่งค่ะเก่านมัสการเจ้าค่ะอ่ามากับพระอาจารย์ไม่มีคําถามเจ้าค่ะอาจารย์ใช่ที่แากสารคดี เพราะเรานี่อยู่ไกลกันคนละทิ่เลยนั่นแล่ก็มามาเจอกันได้สมัยนี้ขาบพรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะจะบอกพระอาจารย์นะค่ะว่าเดิมเวลานั่งสมาธิจะจะฟังฟังยูทู e ฟังธรรมไปด้วยค่ะแล้วมันก็จะจิตมันก็จะสงบแต่ทีนี้ก็เลยคิดว่ามันใช้เวลา พอพอมันนั่งนานๆแล้วมันถึงถึงจะสงบแล้วมันเหลือเวลาสงบไม่เยอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยเอาไหมไม่ฟังธรรมค่ะก็ก็คือนั่งอย่างเดียวอ่าค่ะนั่งอย่างเดียวสติเรามากขึ้นแล้วไม่ต้องราไรค่ะครับครับค่ะแล้วแล้วอาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าลองเพิ่มเวลาให้เป็นสองชั่วโมงก็เลยตั้งไว้สองชั่วโมงค่ะสำรับรู้สึกว่าเรานั่งไปนาน ได้ชั่วโมงนิดเดียวเองค่ะพระอาจ า, า, ารย์ก็ออกมาแล้วรู้สึกว่านึกว่าสองชั่วโมงละแตจริงก็ตั้งนาฬิกาแต่ว่าไม่ไหวก็เลยหออายสติหายคุย<า>ต่อสติต่อไม่พูดโทรตอ่อ <c oughs> ถ้าพูดโทรตอ่อไปนั่งต่อนะอืหนูก็เลยก็เลยรู้สึกว่าแล้วก็มันอพอเหมือนพอพอไม่เปิดไม่เปิดยูทูปค่ะพระอาจ า, ารย์แล้วมันอาการพอไปปลายชั่วโมง หน่อยๆอะค่ะมันเริ่มรู้สึกเหมือนเหมือนมันมันนั่งแล้วมันเจ็บขาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ไม่แน่ใจหรือเป็นเพราะสติเราอ่อนอ๋ออาการเจ็บนั้นเป็นธรรมดาของร่างกายมันนั่งมานก็เจ็บนะใจเราอย่าไปทุกข์กับมันทั้นี้อืมแต่ว่ามันแบบเต็บเจ็าจเจอยาอยากอยากจะขยับอยากจะตอนเจ็บจังเลยทําไงดีจะอยู่ต่อหรือจะ จะยังไงดีมันเหมือนแบบปวดไปหมดเลยค่ะถ้าอยากจะปฏิบัติข้าวหน้าก็ต้องอยู่ต่อให้อยู่กับมันแตต้องื่อสู้ใช่ไหมคะือ่อแบบไม่ได้ประหยัดนะื่อแบบว่ามีอยู่ก็อยู่ไปกูก็อยู่อย่างนี้ไปหาก่อนต่างอยู่กันอืาเราอยา ก, กถ้าเราอยาก<ป>ก็ใช้พุทโธพุทโธอยุดครับอยาก อืมค응่ะก็คือพยายามอย่าใส่ใจมันใช่ไหมค ะ, ะแต่แลก็ปมันอยูอ <c oughs> ยอ่ยิ่งย่งไให้ให้ความสําคัญแล้วยิ่งปวยใหญ่คิดใน ใ, ใจเอาไงดีเอาไงดีไม่ไหวแล้วออกมาแล้วแต่แบบโอ๊ยทนไม่ไหวเอาไว้คราวหน้ า, าแต่ว่าตั้งใจว่าต่อไปจะจ ะ, จ ะ, จะไม่ฟังไม่ไม่ฟัง youtube อะไรไปด้วยคะ่ะตั้งใจว่าจะจ ะ, จะนั่งไปเลยคะ่ะพระอาจารย์เพราะคิดว่าหน้าเพราะมันสงบมันก็จะได้นานกว่า อยกเว้นว่าถ้าเกิดนั่งแล้วมันฟุ้งซ่านก็เปิดฟังไปก่อนก็ได้เพื่อกอมใจแต่ถ้านั่งได้เลยไม่ต้องก็ไม่ต้องปั่นก็ได้ถ้านั่งแล้วดูความนุ่นทุโทได้ก็ไม่ต้ังอั่นนั่งแล้วมันก็จะสงบแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ลงไปลึกมากค่ะพระอาจารย์อาจจะเหมือนเบื้องเบาแล้วก็จะอยู่นิ่งๆค่ะก็จะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์จะจะไม่ค่อย อย่าหยุดพุทโธถ้าใช้พุโ ท, ทโธพุทโธกลับไปถ้าดูเราเมืดูลมกลับไปด้วการมันจะเด็งเข้าไปส่กความสงบค่ะแล้วในในระหว่างวันคาว่ามีสติในการอิริยาบถต่างๆการกันเช่นไหวอย่างเช่นอ่าถ้าเรารู้สึกว่าพอเรารู้สึกก็คือเวลาที่เราเดินหรือขยับแขนขยับขาแต่ว่าเราไม่ได้คิดตามแบบนี้ก็ถือว่ามีมีสติตาม ค่มันแบก็มันเหมืนเห็นว่าเออเาลังขยับมืออย่างนี้นะงี้นะแต่าไม่ได้คิดตามแค่มันมันเห็นอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์เวลรัประทานก็ใครู้่ากลังรับประทานกำลังอาน้ก็รู้าลังอาบนอย่าไม่ิ้องเรื่องอื่นอย่าไปคิดถึงเรื่องกายเรื่องกเรื่องาที่เรื่องร่ากก็อย่าไปคิดอืมค่ะเราไม่ต้องทากว่าเรากาลัง ทำแบบนี้แบบนี้อยู่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องคุยกัได้ไม่ต้องไม่ต้องพากันเอาทำหนังทำหนังากน้ำทังใสรถัวอะไรไม่ต้องากให้รู้เฉยๆว่าเรากำลังทำอะไรก็คือเมื่อไหร่ที่เรารู้เฉยๆเมื่อนั้นแต่ว่าเรามีสติใช่ไหมคะอาจารย์ให้เราเป็นรักษาแบบนี้ให้มันได้ตลอดเวลาตลอดทั้งวันให้มันขึ้นปูแฝงได้ค่ะ ค่ะพระอ า, า, า, าจารย <Okay, yeah. S 2> ์ค่ะจะพยายามฝึกต่ อ, อกไปค่ะค่ะ<ม>สาธุค่ะต้องอดทนต้องนอย่าย่อท้อ <c oughs> บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีก็ต้องทําไปเรื่อยๆให้มันสมบูรเสมอตามเพียนต้อสมบูรเสมออย่าเป็นแบบก็ตายก็ต่ า, ตายบางวันมันก้วิ่งเนี้ยบางวันมันขี้เกียจมันก็ไม่วิ่งเทาแบบเ <c oughs> ต่าเนี่ยเต่านิ่งๆทั้งวันทั้งวันทั้งวันทั้งวัน แล้วตายถึงหลังใช้ก่อนก่อนก่อนก็ตายค่ะสะสมไปเรื่อยนะคะอาจารย์เดียนรักษาควาเพียนไว้อย่อย่าย่อหย่อนอือค่ะถึงเวลาก็ต้องทำทอยากไม่อยากก็ต้องทำมีอารมณ์ก็ไม่มีอารมณ์ก็ต้องทำค่ะอาจารย์จต่เพิ่มความเพียรขึ้นไปเลยถ้าปล่อยามอารมณ์เดี๋ยวมันจะเจออารมไม่อยากบ่อยเข้าบ่อย มีมีมีมีอยู่พอสมควรเหมือนกันค่ะพระอาจารย์เราจะมีข้ออ้างว่าโอ๊ยเหนื่อยโอ๊ยไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะความเพียรก็จะย่อนก็จะยืดไปมันต้องตั้งหลักใหม่ก็จะทําให้ช้าค่ะใช่ค่ะมืนก้าวไปแล้วก็ถอยหลังไปใช่ค่ะเหมือนก้าวไปแล้วก็ถอยหลังค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวพยายามค่ะสาธุค่ะทํำละวันจากสําเสิน นย่างการเจ้าค่ะพระอาจารยออ์ตอนนี้ยังไม่มีคำถามเจ้าค่ะ ม, มีคำถามนะโอเคงองไปเรื่อยๆก่อนลองงงห้องสมาธิไปถึงไหนนะ ย, ยังไม่ถึงไหนเจ้าค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าจะมาะรยายงา น, นพระอาจารย์เจค่จะไปที่คุณหมอหมอท่านเสน่ห์หมอทัานสน์ มใช่ชื่อของลูกอ่ะวันนี้ลูกสาวมีคําถามฝากการเรียนถามท่านอาจารย์จังค่ะฝากการเรียนท่านอาจารย์ว่าเขาถือศีลท่าได้แล้วเมื่อถือศีลท่าได้แล้วต้องทําอย่างไรต่อเจ้าค่ะก็ถือไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ถือวันเดียวถือได้นะพี่ไม่ถือไปทุกวันเป็นเขาภูมใจแล้วค่ะเมื่อก่อน ติดโกหกแต่ท่านพระอาจารย์เคยสอนเขาโดยยกตัวอย่างพระรามหุเจ้าขาดอ่าค่ ะ, ะแล้วนี้เขาทาได้ค่ะผมคน<ง>ค้าของคนเราอยู่ที่ศีลธรรมเนี่ยถ้าไม่มีไม่มีศีลธรรมก็ไม่มีเครดิตอย่างเงี้ยนะถ้าไปโกหกธนาคารเขาก็จะไม่เชื่อเครดิต น, นะกลับไปเขาไม่ปล่อยเงินให้เราผู้นะนะบอกเล่าว่าการรักษาศีลหน้าด้านนี้ถ้รักษา คุณค่างนถ้าเรารักษาไม่ได้กระท่ากับทาลายคุณค่าของมันให้ให้ไปไม่ให้มีคุณค่าหืออในตัวเราใช่มคะเขาเขาลดท่านอาจารย์ก็เลยรูไม่ไม่ก็เลยไม่ได้ตอบคาถามเขาเขาถามพระอาจารย์ก็เลยอัจะรบกวนท่านอาจารย์ตอบคาถามชมคากเาต้องทำทุกวนต่อไปนี้ต้องถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของนเลยถ้ารักษาได้แล้วรักษาไปจนถึงวันตายเลย เาค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเจ้าค่ะบุณจอยจอยตอนนี้อยู่พัทยากนะ็อยู่พัทยาค่ะไปไปไปปดวิเวกมาคืนนึงด้วยค่ะเดี๋ยวก่อ น, น, นขอแม่เล่าก่อนไปที่ไหนอะที่วนเขา่าค่ะไปวนเขามาเลย แต่คือไม่เคยไปแล้วพอมไปเดี๋ยวก่อนขอแม่ลเล่าแยกค่ะแม่ลูก <c oughs> ก็คือตอนแรกก็โอเคก็คืออ่านสื่อธรรมะค่ะแล้วก็พอตอนเวลากลางวันก็เจริญสมาธิแล้วก็ภาวนาแล้วก็เดินจงกรม <c oughs> แต่พอเวล า, าจะนอนนะคะน่ามาโท <c oughs> <c oughs> รศัพท <c oughs> ์แม่ไม่ได้ยินแล้วได้ยินได้ยินมแม่ ได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินตอหับแล้วพอเวลาจะนอนพอเราจะนอนนะคะมันทวางรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนร่างกายเราอ่ะมันมันมันอ่อนเพลียมันอยากจะพักผ่อนแต่จิตเราอ่ะมันตื่นมันสกมันมันจิตมันไม่ยอมนอนด้วยอ่ะค่ะมันมันรู้ตื่นด้วยสติไมีสติอืมได้ไงล่ะได้ต่อไป แล้วก็เทีนี้ก็มันแล้วมันก็เหมือนมีความในเหมือนมันกิเลสมันเหมือนมีความกลัวแต่แต่ใจเราใจนึงมันมันเฉยเฉยกับตรงที่เราอยู่่เพราะว่าเพราะว่าหนูไม่เคยไปที่แบบแบบบนเขาอะไรอย่างนั้นอะค่ะมันเป็นครั้งแรกแล้วแต่ว่ามันแต่ว่าความรู้สึกมันก็มันกลัวบนกับเฉยเฉยแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็มันก็หลุดไปเลยอ่ะค่ะมันก็เหมือนหลับไปเลยอะค่ะ แล้วก็ตอนหลับก็ภาวนาพุดโธตลอดมันก็พุดโธอยู่บ้างไม่อยู่บ้างแล้วก็หลับไป ถ, ถ้าอยู่บ้านธรรมดาก็จะไม่ค่พดโธกันไหนอยู่คนเด<ช>ียวม<อ> า, <อ>าสายพุดโธใช่ใช<ะ>ค่ะก็คือกลัวก็พูทโทอย่างเดียว<ช>พุดโทรรัวๆเลยค่นนะเป็นวิธีที่จะทำให้เราเจริญสติมากข้วเราก็คืออันนี้ก็คือดีดีดีอยู่ใช่ไหมคะ ใช่ดีแต่ว่าไปได้ถ้าต่อไปมันไม่กลัวอยู่ในห้องก็ออกมาข้างนอกมานั่ง้ออกมาออกมาอยู่แต่ก็ตอนออกมาตอนประมาณเย็นเย็นแต่ตอนมืดไม่ได้ออกมันดูน่ากลัวครัต่อไปนั่นก็มันอยู่ข้างในแล้วมันไม่กลัวก็เราออกมาข้างนอกมานั่งข้างนอกมันงมาได้ข้างนอกก็อยากหาหน้าก็อยากไปทักเจมสวันแต่ว่าต้องต้องรอให้ลูกชายแบบให้มีคนช่วยดูมากกว่านี้ครับ อยากไปอยู่เพราะว่ามันไปแล้วเหมือนไม่ได้คุ ย, ยกับใครเลยเราได้อยู่กับตัวเองจริงๆอ่ะได้อยู่กับตัวเองเลยค่ะใช่อันนี้คือดีแล้วใช่ไหม ด, ดีถ้าไปได้ก็ถือว่าดีคนระับแสดงว่าก้าวก้าหน้าคือไปแล้วข้าวต่อไปก็คืออยู่ได้ <c oughs> ไดนึกภาพแล้วก็<อ>กินแค่กินแค่น้ำกับผลไม้หลังจา<อ>กเที่ยงก็ไม่กินอะไรเลย พยายากดแล้วก็ทำตามพี่หลาสอนด้วยค่ะไม่ตายไม่ตายอ้วๆลูชายจะคุยด้วยเอเอามาเข้ามาแยงกันอ่าวันดีครับสวัสดีทงกาวัสดีจ้ายังไงทาไมเขาต้องตายอ่ะถามดี่ดีก่อน้องเห็นไ้ยเห็นน้องตาัหยเห็นไหมเขามีคำถามค่ะถามมาถามสิทาไมคนต้องตายอ่ะ อ๋พรเกิดไงถ้าเกิดก็ต้องตายถ้าไม่อยากตายก็อยากเกิดอาจารย์คือเมื่อวานเขาถามแล้วเขาก็ถามว่าหนูต้องตายทุกคนต้องตายบอกใช่แล้วทํายังไงที่จะไม่ตายอ่ะก็เลยบอกว่าก็ไม่อยากมาเกิดแล้วเขาถามทํายังไงอย่ามาเกิดหนูก็เลยบอกให้พอนาะพุโทโธ แต่บอกไปบวชนั่นอาูุ้ชายบอกไปบวชใช่หนูก็บอกว่างั้นเดี๋ยวไปบวชกับแม่เดี๋ยวรอให้ให้โตกว่านี้ห่อยเขาก็บอกไปแต่พอโตไม่รู้จะจะจำได้หรือเปล่าจำไม่แน่ถ้ามันมันมันสนใจมันก็อาจะมันปัญญามันก็อาจจะคิดอยู่เรื่อยๆก็ได้ถึงถ้าเด็กขนานี้มันพูดมันคิดถึงความตาได้ก็ถืงว่ามันก็คงจะมีปัญญาติดตัวมาด้วยค่ะแล้วถ้า แบบความกลัวของเราที่เรานี่มันคือกิเลสมันมันสร้างเราขึมม้นมาเองใช่ไหมคะใช่ความตัวก็จากกามรักตัวรักตัวกลัวตายเพราะว่าวกิเลสไปหลงคิดว่าไอ้ร่างกายเป็นตัวเราของเราก็เลยไม่อยากให้หน้ำตายไม่ได้แล้วก็อ่านหนังสือแบบได้เข้าใจมากเลย ว, ว่าคนเรามันมันไม่ควรจะปล่อยเวลาให้เสียเปล่าไปมันต้องเร่งเร่งแล้วอะ่ะไม่รู้วันรู้คืนนะคะ อ่านหนังสือต้องนะเพราะเจ้าลวอยากประมาทงอนอยากประมาณทก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปเดยไม่ได้ทําอะไรให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจแต่อมันก็มันก็เหมือนกับว่าพอเรากลับมาแล้วเหมือนเราเห็นกับตัวว่าแบบเพื่อนก็พอคุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกคุยแต่ธรรมะแบบเพื่อนก็บอกว่าไม่อยากคุยด้วยเหมือนกับว่าเราคุยแต่ธรรมะบอกว่าอะไรก็เราก็บอกว่าไปไปปฏิบัติธรรมะมันก็มีเรื่องธรรมะต้องคุยอย่างเดียวไม่มีเรื่องอื่นคุยเพื่อนก็เลย อย่าอย่าไปพูดนะเดี๋ยวเาจะหาว่าเราเมาธรรมะใช่ค่ะถ้าเขาถ้าเขาไม่สนใจก็อย่าไปคุยคอ่ะเขาหาว่าหนูเป็นอย่างนั้นแล้วค่ะเขาบอกว่าคุยแต่เรื่องธรรมะอะไรอยู่ได้ก็ก็คนที่เราชะบหาคนที่ชอบธรรมะคุยกันคนที่ไม่ชอบธรรมะก็อย่าไปคุยอ่ะค่ะก็ต้องขอคุยคุยกับพี่ลาตลอดให้พี่ลาแนะนำว่ะอค่ะ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใส่บาตรค่ะตอนเช้าพาแม่ไปใช่ค่ะวันนี้มีเท่านี้ค่ะสาธุค่ะเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอย่าวันวานกลับนิวสีแลนดค่ะพระอาจารย์จาก U S A แคลิฟอร์เนียซาวด์มาร่วมฟังธรรมเฉยๆเจ้าค่ะกับกลับไป คราวน้รามาเมืองไทยทตอนนั้นกี่เดือนมาแล้วสามเดือนเจ้าค่ะสามเดือนนะจ้ะค่ะผ ม, ผมไม่ได้ไปอย่างแรกก็อย่างปีหนึง่งธรรมดามาปีละครั้งก็ตอนนี้ไม่มีใครกยไม่มีใครอยู่บ้านโยมอยู่กับ น, นกแค่สองตัวเจ้าค่ะจะไปก็คือต้องเอานกไปฝากคนอื่นเลี้ยงเจ้าค่ะอลูกก็ไปทํางานที่อื่นมาแล้วเจ้าค่ะ ไม่มีใครอยู่ด้วยอยู่เปนแค่สองคนก็ดีอยู่คนเดียวดีที่สุดเจ้า<ก>ค่ะเหมือ น, นอยู่คนเดียวโยมว่ามันสงบดีนะเจ้าค่ะเวลาเราอยู่อยู่กับ น, นกสองสองคนเนี่ยเพราะว่าลูกเพิ่งมาหาแล้วกลับไปแล้วช่วงคิดมากโยมว่ามันวุ่นวายบางครั้งไม่มันไม่เหมือนอยู่คนเดียวใช่คำว่าคนเนี่ยคนมันก็ชอบคนใหคนให้คนให้มันขุนให้มันมัว แต่ว่าแต่ว่าก็ฝึกกิเลสยมได้เยอะเลยนะเจ้าค่ะเพราะว่าตอนเขามาบางทีเขาคําพูดเขามัมากระทบจิตโยมว่าโยมไม่พอใจอะไรเงี้ยโยมรู้เลยว่าจิตเรายังไม่พัฒนาดีขึ้นอก็ต้องขอบคุณเราอย่าไปตำโต้โต้เจ้าค่ะ้นใหเราเรามีสติพอที่จะเห็นจิตของเราละว่าเป็นยังไงเจ้าค่ะ มันมันมันเราเห็นเห็นหมดเลยว่าเวลาเขาพูดอะไรแล้วเราคือว่ามันเราไม่โอเคนะเจ้าค่ะแล้วก็เรารู้เลยว่ากิเลสเราก็ยังมีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเร า, าจิตเราไปไปยุ่งกับเขาเองอ่าอค็แบบสมาธิให้ามากขึ้นแั้นมันจะยุ่งน้อยลงแต่ไปมันจะเฉยเลยนะอ่าทำสมาธิให้ได้เบกขาเยอะๆนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ่ปคุณพัฒน์รัตนเชิญวันนี้พาใครมาต้องมายวันนี้กาลประวัศกา ร, การครับพูดดังๆหน่นหอยเสียงค่อยไปกาลระวัศการครับพระอาจารย์ครั บ, อรรบเออว่าอย่างไรวันนี้มีอะไรไหมเออมีคำถามอยูหนึ่งคําถามครับถา ม, มอะไรมักมีองค์แป น, นี่สามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ ใช่ใช่ไหมครับใช่เน่ยากเลยเป็นตัวที่จะไปหยุดฟันเว็นว่าย ต, ตายเกิดหยุดกิเลสหยุดความโลภความอยากาันอ๋อครับรู้ไหมว่ามั่มีของแบบมีอะไรม้างมีสัมมาส ม, มาธิสัามมาสติสัามมาสังกัปโปสัามมาอาชีวะ จำรักษ น, น, นะครับต้องไปศึกษาดูนะแล้วรามาปฏิบัติหายใจนอันนี้นะตัวนี้เดียวสนใจมากแปดนะอัตัวเมื่อกี้ก็สนใจขาพตายนะแสดงว่ามีเชื่อกาวติดตัวเลยโอเคคุณปานวะลายเชรญต่อศิริชา กับน้ำมศ ก, การเจ้าค่ ะ, ะหนูไปหนูได้มีโอกาสไปไปต่างจังหวัดอะค่ะไปเที่ยวไปพวกแคมปิ้งแล้วก็แต่ว่ารอบเนี้ยค่ะแต่พิเศษก็คือตอนกลางคืนก่อนนอนกับตอนเช้าหนูจะนั่งเข้าสมาธิก็คือไปหามุมสงบวันแรกค่ะไปที่ภูแลนคาก็นั่งในเต็นท์ตอนก่อนนอนตื่นเช้ามาประมาณตีสี่ก็นั่งสมาธิในเต็นท์แต่รู้สึกว่ามันยังไม่แบบมันยังไม่ถึงใจเจ้าค่ะ ก็เลยเอาเสื้อกันหนาวกับกับผ้าพันคอออกไปข้างนอกเต็นท์ซึ่งอากาศมันค่อนข้างหนาวมากก็ใช้วิธีใช้วิธีว่าต่อสู้กับความหนาวอะค่ะเ hmm. ช่วงแรกๆรู้สึกว่านั่งแล้วหนาวแต่ว่าหนูเคยได้ฟังทำที่พระอาจารย์แจ้งว่าไปนั่งข้างนอกแล้วถ้าเราภาวนาพุทโธค่ะตั้งสติ hmm. แล้วมันก็ไม่หนาวหนูก็เลยลองทําแบบนั้นนะคะพอจัดท่าให้เรียบร้อยค่ะพอนั่งเสร็จปุ๊บ ก, ก็ พูดโทพูดโพูดโทรค่รระถึงลมมันจะพัดมาแรงแล้วตัวเราเอียงแต่เราก็รู้สึกว่ามันแค่รู้สึกว่าอออากาศมันมันเย็นนะแต่ว่าเราไม่ไม่ไม่หนาวเลยค่ะแล้วก็นั่งตัวตรงมากกว่า น, นอนอยู่ในเป็นท์อ่านั่งกว่ า, มากก ว, ามากกว่านั่งในเต็นทหลังไม่เตไม่ห่ะเขาบอกว่าการการนั่งการนั่งกับความกลัวต่างๆแบบเนี้ยมันทําให้เรามีสติเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมจ๊ะ ว่าเราจะไม่กล้าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่จะทําให้เรายิ่งกลัวขึ้นไปใหญ่คืนขึ้นที่สองไปที่น้ําหนาวแต่ว่าเออ่เหมือนในอุทยานเขาจะบอกว่ามีช้างเข้ามาเยอะอะค่ะห น, หนูกว น, ก ล, วนกลัวช้างแต่จริงหนูก็มานั่งคิดว่า เ, ออเราเราน่าจะหาที่ที่ที่ช้างที่อาจจะเจอช้างได้แล้วเราลองลองฝึกแต่ว่าเป็นเพราะว่ายังมีความกลัวอยู่แต่คิดว่าในอนาคตอาจจะ ใช้วิถ้ถ้าเรามีสติเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องใช้วิธีลดความกลัวพวกนี้ลงด้วยใช่ไหมครับความกลัวนี่มันก็จะกระตุ้นให้เรามีสติมากขึ้นถ้าเราไม่มีสติพอเราจ ะ, าจะอาจจะถอนความกัวความกลัวไม่ไหวค่ะก็รู้สึกว่าชอบค่ะเดี๋ยวต่อไปน่าจะใช้เป็นคลิปแบบนี้ค่ะ<ม>ไปครอบครัวไปเที่ยวด้วยแล้วเราก็ถือโอกาสนั่งสมาธิด้วยน่าจะ เป็นประโยชน์กับเรามากทั้งทั้งสองแบบเลยได้ดี่นี่แบบไปเที่ยวเฉยๆเราไปเที่ยวเชิยงธรรมะกันใช่เที่ยวเชิยงปฏิบัติไปไม่มีอะไรกินก็กินตามนั้นนะคะเอาของที่บ้านไปกินไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยซื้อข้างนอกก็ถึงมีตามมีกินมีอะไรก็กินอะไรเงี้ยค่ะค่ะไม่กล่าว่าของหมดของที่ขายแพงมากนะคะะบนอุทยานใช่ไหมเจ้าคะ่ะ อกับข้าวประมาณสี่สิบห้าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คนวัยรุ่นหรือว่าคนที่ไปเที่ยวนี่เขาส่วนใหญ่เขาจะเตรียมกับข้าวกันไปเองค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะครับอาจารย์ครับกลับมาสักการะครับผมีอะได้มีอะไรครับ วันนี้มาตั้งใจมาเติมพลังมาฟังบาอาจารย์เฉยครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปที่ท่านต่อเลยครั<อ>บผมคุณก้าวคุณก้าวจากเพชรบุรีอ ล, ลาดบุรีอ่าผมอยู่ที่อาจารย์ดรได้ยินไหมครับไม่ด้ยินครับผมอยู่ที่เพชรบุรีบ้านอยู่ที่เพชรบุรีครับอาจารย์เพราะว่าใช้ชีวิตจริงๆแทบจะอยู่ราดบุรีหมดเลยครับไปเยลยแม่แด้อยู่ราดบุรีนะ บ้านอยู่จงังหวัดเพชรบุรีครับพระอาจารย์เราแม่เราแม่ก็อยู่ด้วยกันครับมึงด้วยกันนะครับครับมีอะไรไหมวันนี้ครับวันนี้ก็มีคําถามครับพระอาจารย์เอ่อเรื่องการแผลเมตาพระอาจารย์ผมผมจําไม่ค่อยได้ครับได้ยินตอนนั้นฟังอาจารย์แล้วจำไม่ค่อยได้ว่าเหมือนกับว่าพระอาจารย์สอนให้เราเหมือนกับเราต้องฟอร์มก่อนใช่ไมับพอาจารย์เหมืนับ ถ้าเราไม่รู้ว่าเมตตาเป็นยงไงเราก็ต้องซ้อมก่นเหมือนนั่งมวยถ้าเราไม่รู้จักช่องเราก็ต้องซ้อมช่งก่อนถ้าไม่ซ้อมเดี๋ยวขึ้นไปเจอคู่ทะเลก็ถูกเขต่อยน็อกเขาซนีมเราเราต้องซ้อมแบบยังไงครับอาจารย์ก็คิดไงว่าการมีเมตตานี้ต้องทำอย่างไรบ้างเป็นข้อแรกท่านบอกอย่าจองเวรจองกรรมกั เวลาใครเขาทาให้เราโกรธทําให้เราเสียหายก็อย่างเนี้ยที่เห็นคลิปวันนี้แม่ที่พระดูถูกใครเขาเอาน้ากับข้าวสาดใส่ถ้าคุณเป็นไทยคุณจะโกรธเขาไหม<อ>ถ้าโกรธคุณก็อยา่าคิดล้าแงแค้นเนาเลยถ้าอยากจะมีความเมตตาเราก็ต้องเ่ยเฉยให้อปัยเขไม่เป็นไร ให้นผ่านไปอย่าไปจองเวรจองกรรมอย่าไปมีเรื่องเวลาเป็นอันนี้ลักษณะ ข, ของการเมตตาข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็อย่าเบียดเบียนกันอย่าทำอะไรก็ทําให้คนอืกก่นเขาเสียหายเดือดวนอนอย่ามาเบียดเบียนเช่นจัดงานปาร์ตี้เปิดเสียงลั่นเปิดเพลงลั่นบ้านทําวบ้านเขาจะหลับจะนอนก็หลับไม่ได้ไเราไปเบียดเบียนกัน แล้วก็อย่าทําร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันอย่าไปทุบตีกันอย่าไปทํำอะไรที่ทําให้คนอื่นเขเสียใจแล้วก็สุดท้ายให้ความสุขกับเขาเช่นสอนส่งสอนข้อสอนส่ความสุขในวิธีการให้ความเมตตาแสดงความเมตตาเมตตานี้ต้องแสดงมันไม่ใช่สวดนั่งสมาธิเสร็จแล้วสวดบทแผ่เมตตานี้ยังไม่ได้แผ่ถ้าต้องการจะแผ่ต้องแสดง ต้องมีการกระทำต้อต้องมีผู้รับการกระทำของเราถ้าเจอว่าครับพรอาจารย์ถ้าถ้าเจอว่าเราเหมือนคำว่าเหตุกรารณ์มันผ่านมาแล้วแล้วเราก็ไม่ไม่มีโ อ, อกาสที่จะเจอเขาเนี่ยครับถ้าเราใช้การแบบว่ า, น, น, น, า, า น, นะครับจินจินตานระยปัญญาไหมครับอาจารย์เห็นเขามีความจขเห็นเขายิ้มหรือว่าอะไรเงี้ยครับไา้ไหมครับ ก็ให้เรามีความสุขกับเขาไปนะแมงมุดิตาื่นชมยินดีกับความสุขของความสุขของเขาถ้าถ้าเกิดเราไม่เจอเขาเราต้องทำยังไงไม่ไม่เจอก็ไม่ต้องอยู่ไม่เจอก็ไม่เจอเรถราเจอแค่ว่ า, า ก, กันถ้าไม่เจอก็ก็ต่างคนต่างอย่างกันไปที่พูดถึงเวลาเราเจอกันถ้าไม่เจอกันก็ไม่ทําอะไรไปกังวด ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ไม่ได้เจอเขาแต่ว่าเราอยากซ้อมไว้ก่อนเพราะว่าเราพลาดมาหลายครั้งแล้วเน่อาจารย์ก็ดีนะซ้อมมันได้รู้ว่าเวลาเจอแล้วยังยังพลาดอย่างนี้หรือเปล่าหรือผ่านการซ้อมนี่เราเราซ้อมยังไงได้บ้างครับอาจารย์ก็ซ้อมยิ้มให้เขาเดี๋ยวเวลาเจอเขาก็ยิ้มให้ครับนื้อา้ากกระเป๋าเอาเงินแบ่งให้เขาใช้บ้างเพราะผมจุกหวยมาอยากจะแบ่งเงนให้เขาใช้บ้าง ถ้าเรายังถ้าเราไม่ได้เจอเขาแล้วเราซ้อมไม่ก่อนเนี่ยทาได้นะคระับอาจารย์ยากก็ต้องซ้อมก่อนถ้าไม่ซ้อมก่อนจะไปเจอจไปทาได้ทไมเหมือนกับเราซ้อมกินสนาการณ่านี้ครับอ่าก็คิดไปก่อนพอเจอเขาจะทำแบบยกมือไหว้เขาได้กว่ะทักทายเขาได้กว่าเอาขนมมาแบ่ให้เขากินได้กว่ไม่กดแค่กดเคเือนก็ได้กว่ โอเคครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งครับพระอาจารย์ผมเคยฟังที่ว่า inside, ha, พระพุทธเจ้าท่านมีเทศสอนกับพระนนินหรือผไม่แน่ใจครับว่าที่ว่ามีเหมือนะครับพระพุทธเจ้าเทศสั่งว่าให้ให้เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าไม่เมินเมินพระที่สุดรูปหนึ่งครับที่ว่าเขาเขาเหมือนกับ เขาเขาดีหรือว่าอะไรเงี้ยเขาที่เขาแบบว่าถือตนว่าเขาออกมากับพระพุทธเจ้าอย่าี้ยครับแล้วเขาก็จะไม่ค่อยฟังใครครับที่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกพระนั่นว่าให้ให้นะครับว่าสั่งไว้ว่าไม่ให้ไม่ว่าเมินเขาว่าให้ไม่ไม่ไม่ทักเขาเพื่อเป็นการสั่งสอนนะครับอาจารย์ทีนี้ผมก็เลยจะถามอาจารย์ว่าถ้าเราขัดแย้งกับใครคนหนึ่งเนียครับอาจารย์แล้วเราแล้วเรา มือนกับว่าคุยกันไม่ไม่ดูเรื่องแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเราเมอนเขาแบบว่าไม่ได้สนใจเขาแล้วก็ไม่ทักกันแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้เจตนาที่ไม่ดีกับเขาเนี่ยครัาจานี้เราทำได้เนี่ยครับอาจาได้ถ้าเราคิดว่าพอคุยกันแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าไปคุยกันนะเมื่อเจอกันแล้วมีข้อกันไม่ได้ก็ไม่ต้องข้อกันไม่เสียหายอะไรถึงเขาจะว่าเพราะว่าเราแบบไม่เหมือกับ ไม่สนใจไม่เข้าทางคมของเขาอ่าก็เรื่องของเขาเองเพราเราไปพอไปสนใจนะมันก็เกิด็นเรื่องน้ ม, ม, ม, มาเราไปสนใจก็้อไฟเนะี่ยไฟคุณจะไปเล่นกับไฟหรือเปล่าไม่เล่ครับคุณไม่เล่นกับไฟแล้วคุณผิดหรือ่ไม่ผิดครับไม่ก็เหมือนกันไปเล่นกับคนทาก็บแบบนี้ พอใจนะครับผมก็มีท่านครับครับขอบคุณครับคุณตาวีนาสอบมาวีนาอยู่ที่ไหนการนมัสการเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนค่ะอยู่อยู่ที่พุทธมนตลเจ้าค่ะค่ะคือลูกปฏิบัตินั่าสมาธิเจ้าค่ะด้วยวิธีสติปัฏฐานสี่เจ้าค่ะมาสองปีแล้วแล้วก็ ถือศีลห้ามาสองปีก็คิดว่าไม่ไม่บกพร่องไป ร, รักษามาเรื่อยๆเจ้าค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนกับระหว่างวันนะเจ้าค่ะมันก็ไม่ค่อยแทบคือเห็นจิตมันก็อยู่นิ่งๆของมันนะคะตั้งแต่แรกที่ฝึกมาเนี่ยเห็นจิตตั้งมันแยกเด่นออกมาชัดเจนตลอดสองปีจนกระทั่งเดือนเนี้ยเจ้าค่ะจิตที่เคยเห็นพร้อมกันคือ คือเวลาเราเห็นแรกๆเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเพราะว่าอยู่ดีก็มีอะไรสิ่งหนึ่งที่เราต้องเห็นพร้อมกับทุกอย่างแต่เราก็ระลึกรู้เข้าไปเรื่อยๆทีนี้จนกระทั่งเดือนเนี้ยเจ้าค่ะมันก็จิตเนีนมันก็พ้าดไปอีจุดที่เป็นเซน เ, นเตอร์ของมันแล้วมันก็คายแล้วก็ในในชีวิตประจาวันเนี้ยเหมือนกับมันก็ไม่ค่อยมีจิตนึกคิดปรุงแต่งะเจ้าค่ะมันก็ มันอยู่ในอุเบกขาบางครั้งก็เป็นอุเบกขาที่มีความสุขเป็นพื้นหลังบางครั้งก็เป็นอุเบกขาที่มีความสงบสุขบางครั้งก็เป็นอุเบกขาจริงๆที่เฉยๆแต่ตอนเนี้มันก็เป็นอุเบกขาที่รู้สึกว่าในจิตเนี่ยมันมีความละมุนละไมแล้วก็ปานีทีนี้ช่วงที่ผ่านมาเจ้าคะลูกก็มีประสบการณ์ที่ทําให้เราเนี่ยรับรู้ว่าความตายมันมันใกลใ้เรามากๆใกลใ้เรานิดเดียวก็วคือลูก ต่อมน้ำเนอักเสบที่ขาที่ขาเจ้าค่ะแล้วคือแบบคุณหมอเขาก็มีความกังวลมากเพราะว่าที่บ้านเนี่ยคุณแม่กับคุณยายเป็นมาเลยงคุณหน้าก็เป็นเขาก็ให้ผ่าตัดด่วนเลยเราจะ ก, ก่อนนี้ที่เราเคยฟังทำว่าเราต้องพิจารณาละลึกถึงความตายอยู่เสมอเราก็ระลึกแล้วเจ้าค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริงลงไปในจิตพอถึงวันนั้นเนี่ยที่เราได้รับทราบเราก็พิรณาที่ใจเราอีกครั้งหนึงว่า เรากลัวไหมที่เราจะต้องตายเราก็ตอบได้ว่าเราไม่กลัวเพราะว่าเรารู้ตัวมานาะเราตั้งแต่เราปฏิบัติคือเหมือนพอปฏิบัติแล้วจิตใจมันพร้อมเราก็รู้สกว่าเราพร้อมที่จะตายอยู่เสมอแต่ว่าก็เห็นสิ่งหนึ่งว่าเห็นความเสียดายเพราะว่าตั้งแต่เด็กอะคะ่ะเหมือนน้องคนเมื่อกี้ค่ะสี่ขวบคือแบบไม่อยากเกิดจะเกิดมาทําไมไม่มีประโยชน์เลยแบบเกิดมาเราก็ต้องตายแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเนี่ยกระแสของโลกมันก็ชักนําเราไปตามวิถีอเจ้าค่ะแต่ว่ามันก็มี สิ่งนี้อยู่ในใจเรามาเรื่อยๆว่าเราไม่อยากเกิดมันก็จํามาหาเรื่อยๆจนกรั่งพอมาได้ปฏิบัติมันก็ตอบไปว่าอ๋อสิ่งนี้แหละที่เราค้นหาในชีวิตของเราทีนี้ลูกก็ลองมาเริ่มพอหลังจากสุดท้ายก็โชคดีนะคะผาตัดเสร็จแล้วก็เป็นแค่ประมันแบบอักเซก็เลยเริ่มอยากจะพิจารณาเรื่องกายก็มาศึกษาหนังสือของหลวงตา ม, มหาบัวเค่ะกายคาตาสติ ก็ทีนี้เนี่ยลูกก็ไม่ทราบว่าจะต้องไปยังไงต่อตอนนี้อ่านมาประมาณเกือบครึ่งเล่มแล้วก็เหมือนกับลูกระลึกกายตัวเองไม่ได้คือเวลาปฏิบัติคะเจ้าค่ะมันไม่มีกายมันไม่มีสัตหานมันมีแค่สภาวะกับความรู้สึกหรือแม้แต่ละหว่างวันเนี่ยถ้าเราไม่มองกายเราก็จะมีแค่ความรู้สึกคือรู้สึกรู้สึกรู้สึกแต่ว่าให้นึกเป็นตัวเนี่ยมั น, นไม่ออกค่ะไม่มองหรือว่านั่งก็จะเห็นแค่ แต่ที่เราเห็นเป็นขอบๆนะคะหรือผ่าตาัดเราผ่าตาัดอยู่แล้วก็จะรู้สึกแค่ว่าอันนี้มีความเคลื่อนอันนี้ผูกคุณหมอกําลังขยับแต่ว่าเรานึกขาตัวเองไม่ออกมันไม่มีภาพี่พอจะมาที่ไดนาไกา่ท่าตาสติเนี่ยรู้ก็เลยไม่ทราบว่ามันจะน้อมพิจะะารณาอย่างไงเจ้าค่ะทําไม่เป็นเจ้าค่ะเราอย่าไปทําในขณะที่จิตมันสงบอยู่ในสมาธินะเวลาจิตสงบในสมาธินี้ไม่ใช่เวลาพิจารณา ไว้ให้มันสงบเป็นระเบียขาไปนานๆพอจากสมาี่มาแล้วมันเริ่มปรุงแต่งแล้วอันนั้นแหละเราเริ่มพิจารณาได้นะคเราต้องปรุงแต่งภาพน่างกายขึ้นมาเ้านภาพขึ้นมาร่างกายมีอาการทารุณสังไมภาพของเราก็ได้เราเห็นหน้าเราอยู่ที่ไกนแล้ในบางอย่าเรามีผมไหมมีขนไหมมีเล็บมีฟันไหมมีหนังมีเนื้อมีเอมีกระดูกไหมได้เป็นภาพทุณสัง ก็ให้คิดภาพขึ้นมาะคิดภาพถ้าไม่รู้ภาพก็ไปเปิดหนังสือหนังสือนะี้ของของที่นักศึกษาแพทย์เขาศึกษากันเราจะดูดูไปเรื่อยๆให้มันติดตาติดใจว่าร่างาของคนเรานี่ถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่สวยไม่งามเลยนกไปประกวดนางงามทำไมนก็ก็พอดูแล้วค่ะมันก็เหมือนกับ มันไม่เกิดความรู้สึกอะไรค่ะคือเหมือนแต่แบบมันไม่จะเกิดมันจะเกิดก็ตอนที่เราไปมีกามอารมณ์ถ้าเกิดเราไปลงนักทายไ่อยากจะมีร่วมเพศกับเขาแล้วก็ถึงอาการสาริสวรรคมันถึงมันอยากเกิดมันเปนวิญญาณยาแก้โรคกามอารมณ์นะครับถ้าเราไม่มีโรคกินไปมันก็ไม่รู้สึกอะไรแต่เราต้องกินเราต้องซ้อมไม่ก่อนเพราไม่เช่นนั้นเดี๋ยวถึงเวลาเกิดกามอารมณ์หายาไม่เจอ ค่ะแล้วอย่างตอนเนี้ยค่ะก็คือเหมือนกับเหมือนพอดูอะค่ะมันก็เริ่มนึกภาพได้บ้างแล้วบางทีมันเป็นภาพตัดของคนแบบเป็นผ่าตัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเห็นคนอื่นนะคะแล้วอยู่ดีแบบก็ไปผ่าเขาคืออย่างเงี้ยดทำได้ทั้งของเราทั้งังเขาด้วยทั้งของเราด้วยอกลับมาที่ ค่ะสลับการดูคนนั้นรับวกรรมของเราแล้วก็อันนี้เราสามารถปรุงได้ใช่ไ้มเจ้าค่ะต้องปรุต้องปรุงใช่ต้องปรุงถ้าไม่ปรุงมันก็จะไม่ใช่เพราะว่ามันไม่เห็นอะไรเลยก็นิ่งๆใช่ต้องปรุงขึ้นมาค่ะงั้นันเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็เล็บพาเวลาเราตายเป็นยังไงบ้างนอนจัดงานศพให้เราวนน้ําศพให้เราจับเราใส่ร่ม แบบเราเข้าตายเผาอะไรนึกไปเรื่อยๆค่ะค่ะสาธุพระคุณค่ะนั่งกายไปพวกมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงดินน้ําลงไฟทํามาจากดินน้ําลงไปเนี๋ยเวลาตายไปมันก็มันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลงไฟไปค่ะแล้วเวล า, าต่อไปการ น, นั่งกายเป็นอะไรขึ้นมาก็จะเรยดูว่ากลัวไม่กลัวทุกข์หรือไม่ทุก ค่ถ้ามันมีปัญญามันเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรามันก็จะไม่ทุกข์ค่ะก็เหมือนจะไม่ทุกข์ค่ะถที่ผ่านมาเราต้องคิดอย่างนี้บ่อยๆนะไปไหนที่ไม่ได้นั่สมาธินะพไะนั่งสมาธิไปอยากคิดนะไปนั่งสมาธิทำใจให้เฉยๆค่ะสมาธิสมาธิจะให้กำลังกับจิตค่ะ คือตอนนี้เหมือนกับระหว่างวันนะคะถ้าสมมุติแบบเราถูกอะไรบาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอุบัติเหตุมันจะความเจ็บมันจะแยกออกไปนะคะมันก็ก็เห็นเป็นความเจ็บเป็นสิ่งหนึ่งแยกออกไปเลยค่ะใครรู้ว่ามันเกิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็จะไค่ะเราไอ้ที่แบบจิตเราจิตเหมือนจิตผู้รู้มันเปลี่ยนไปนะคะก็ก็คือปล่อยเขาเราก็แค่รับทราบไปเฉยๆอะไร้วค่ะ ที่แล้วมันก็มีอารมณ์เปลี่นไปเปลี่ยนมาค่ะบมงวันบวันก็สดใสแบบบ้านบางวันก็เส้นเศร้าค่ะก็รู้ว่ามันก็เป็นอารมณ์เหมือนเหมือนความรู้สึกทางร่างกายเดี๋ยวเจ็บบ้างเดีถึงไม่เจ็บบ้างเป็นหน้าตาเราไปบังคับมันไม่ได้ก็ปล่อยมันเป็นไปให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรค่ะขคุณค่ะกรจายแล้วนะ พอใจแล้วค่ะแต่่ตอนนี้เอาเรื่องร่างกายกับเวทนาสอนนะจิตมันไม่ได้ปวันว <c estimate> าป่อยวางร่างกายป่อยเวทนาให้ได้ไม่กลัวความเจ็บไม่ได้ไม่กลัวความตายกันค่ะายเจ้ค่ะขอบคุณค่ะใครที่คุณปุวยฟอนสีตาคุณปุวยรับจมเบิร์ขอบคุณมาักาอาจารย์วันนี้อี้แลว แต่ว่ามันมีอะไรไหมถวายปัจจัยไปกับพิรัาแล้วค่ะโอเคสาธุพุทธาไม่มีอะไรค่ะจะมาขอพรอวันปีใหม่เพราะว่าวันปีใหม่พระอาจารย์ไม่มาออนไลน์ก็ความปีเก่าเนี่ยเหมือนกันให้ทุกวันเข้าให้เหมือนกันให้ร่าให้รวยให้สวยใม้สมั่งให้แข็งกล้ า, าปลอดภัยให้มีดวงตาเห็นธรรมนะใช่ปฏิบัติตามพระอาจารย์สอนทุกวันค่ะ ต้องทำมาจานท์เช้าเลยค่ะปฏิบัตไิไปต่อไปจะได้ไปต่อไปขอคนหนึ่งจากคนหนึ่งเนี่ยการปฏิบัติทำนี่แหละเป็นพรนั้นประเสริฐที่สุดเลยต้องจะเห็นด้วยค่ะเพราะว่าใจมันสงบใจมันนิ่งแล้วอย่างใครมาทําล้วนเราให้เราโปวดเรา อ, อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเฉยเฉยแต่ว่าถ้ารายเยอะทํางานเราก็ประเด็กนิดหน่อยนะมาปฏิบัติใช่ โอเคนะท่านนี้ก่อวันนี้ทำงานหรืบเปล่ววันนี้เขาหยุดนะหยุหยุดหยุดเออน่นึปีใหม่เลยแหละทำงานปีใหม่ค่ะโอเควัที่ปีใหม่นะถ้าไม่ได้จวันปีใหม่ก็ให้พรตอนนี้เลยขอใหะอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะสาธุค่ะ ไปที่คุณอนจรอจราอยู่ที่ไหนคุณเทพเหรคุณเทพเจ้าค่ะกับธรรมสการค่ะมีอะไรไหมมีค่ะมีสองคำถามค่ะค่ะคำถามแรกนะคะในช่วงประมาณสี่ปีก่อนเนี่ยค่ะก็มีการปฏิบัติทมได้ไปนั่งสมาธิอะ่ะหลายที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมีตอนที่กลับจาก เดินระหว่างเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะนั่งจดบนไปเรื่อยๆก็จะเห็นมีมิตมาแบบเอาท้ายหนังตะลงุงหรือว่าจะเป็นมิตรแบบเป็นตัวอักษรโบราณมาติดๆกันอะไรย่างเงี้ค่ะก็ต้องถามว่าในสภาพช่วงสี่ปีที่แล้วค่ะความเข้าใจผิดอะยังเยอะมากค่ะไม่เหมือนกับปัจจุบันที่รู้สึกว่าปล่อยวางได้แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสนั่งสมาธิแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการที่เห็นนีมินะตรน่าแปลว่าในช่วงสี่ปีที่แล้วไม่มีความก้าวหน้าทาจิตใจมากกว่าปัจจุบันต่ือเป่าะ การเห็นนิมิตนี่ไม่ถือว่าเป็นการก้าวหน้าต้องการสงบว่างเป็นความก้าวหน้าให้จิตว่างให้จิตสงบแต่ยังมีนิมิตเกียวที่แสดงว่ายังไม่สงบอย่าไปสนใจนิมแตในขณนั่งแล้วนิมิต น, นี้ปรากฏขึ้นมาก็กลับมาดูเราแลกลับมาพุ่ธท้อต่ออ่านไม่ตนี้ไม่ใช่เป็นตั้าหะายของการนัน่น เราต้องการให้จิตว่างจิตเย็นจิตสงบจิตสบายจิตเป็นเบคขาเข้าใจไหมค่ะมีตอนนี้ใช่ไหมไม่มีาำถามที่ของค่ะคืออย่างเอเรื่องการฆ่าศัตร์นะคะไม่แน่ใจว่าอย่างอย่างพวกเชื้อโรคเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตไหมอย่างถ้าเราล้างห้องน้ำแล้วต้องใชามันไม่มีตาผมจะบอกนิจกายก็เถอว่ามันไม่มีจิตมันไม่มีปัญญา มันเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่มันไม่มีวิญญาณก็ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าเหมือนต้นไม้ต้นไม้ไหมครับมีชีวิตแต่มันไม่มีตาหุ่นจำลองเลนกายไม่มีวิญญาณมา้่อนอาจายนะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณถวัตนาเชนบอวินกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็มีมีข้อสงสัยที่พระอาจารย์ตอบกับโยมผู้ชายตอนที่ครั้งแรกๆไปแล้วเจ้าค่ะว่าเออเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่า <c oughs> จะบอกว่าไม่ไม่ได้สงสัยเรื่องว่าออพระโสดาบันเพียงแต่ว่าพระอาจารย์บอกว่าการข้อสักยั อ, อสักยัติทิฏฐิใช่ไหมเจ้พาค่ะอาจารย์จะจะ็จะต้อง ทิ้งกายคําว่าทิ้งกายก็คือโยมเนี่ยบวดหัวหรือว่าย า, ยาแก้ปวดเนี่ยโยมไม่ได้ทานแต่ว่าเป้าหมายของโยมก็คือไม่อยากเป็นโรคไตเจ้าค่ะมันจะเกี่ยวกับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศักยญาติทิชิใช่ไหมเจ้าค่ะพะยะคนละคเดียวถ้าไม่อยากมันก็เกี่ยวแล้วถ้าไมอยากก็ถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเราชุนเนี่ยทำให้ร่ า, างกายคนงเรื่อนไปอยากด้วยนะ เราดูร่างกายของเราเราดูร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นจะเป็นมะเร็งก็ไม่เป็นมะเร็งก็ไม่เป็นเดือดร้อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าพอร่างกายเราเป็นอะไรขึ้นมาเราเดือนอนก็แสดงว่ามันยังเป็นเราอยู่อ๋อค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเจตนาของเราก็คือไม่อยากให้มันเป็นก็แปลว่าเรายังยังทิ้งไม่ได้ใช่เรายังถือว่ามันเป็นเราอยู่มันถึงไม่อยากให้มันเป็นถ้าเป็นคนอื่นดีไม่ได้ยายก็เป็นเช่นนี้ซ้ำไปใช่ไหม คนที่เราเกลียดเนี่ยเ้ยอยาให้มันมีกำลังนะอย่าให้มันเป็นนุ่มเปดีขึอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะอาจารย์อ๋อมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันคนเหมนดินฟ้าอากาศมันจะตกแดเจ้าก็เรื่องของมันห้ามมันไม่ได้เพราะปกติเวลาเป็นไข้มีไข้หรือว่าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยโยมไม่ได้ทานยาค่ะว่าจะหาให้วันนี้ดีก็ดี ถ้ารักษาแต่ถึงเวลาต้องรักษาก็จําเป็นจะต้องรักษาและรักษาได้แต่อย่าไปทุกข์กับมันถ้ารักษาแล้วไม่หายก็อย่าไปทุกข์กับมันมีหน้าที่ดูแลก็ดูแลไปเพราค่ะเห น, นเปลี่ยนเปลี่ยนเจตนาใหม่ก็ผ่านไปแลอย่าไปทุกข์กับมันมันจะเป็นโลคตายก็ห้ามมันไม่ได้จะเป็นก็เป็นไปแล้วก็ดูแลให้มันดีทสุดป้องกันได้ก็ป้องกันไว้ ตอนนี้ก็คือที่พระอาจารย์บอกว่าให้หยุดความคิดให้คิดน้อยๆตอนนี้ก็พยาพยามพยายามเรื่องเรื่องความคิดเรื่อยให้หยุดความคิดก็จะได้เรื่องของสติวันหนึ่งก็พยายามพอพอพ อ, พอคิดแล้วจะรู้เลยค่ะตอนเนี้ยก็พยายามได้แล้วมีสติเร็วขึ้นนะตั้งแต่ความคิดขึ้นมาก็เริ่มแล้วเพลินนะความฟุ้โทฟุ้โทแล้วดูอะไรทั้งอย่างอย่างให้มันไปคิด าตอนนี้เล็งเงความเพียรอย่างที่พระอาจารย์บอกสาธุนะครโอเคนะตอนนี้แล้วอาจารย์คุณปวิตาจากอเลสเท็กซัสอเมรากับมาเสการครับพระอาจารย์ตันนี้ก็มาฟังแต่เรื่องคำว่าการตายแล้วก็ยังไม่ได้ติดตามพระอาจารย์อย่างพ่อมาตลอดครับก็มาฟังว่าการตายตอนนี้ที่เพื่อน ก็ อ, อายุ70 70ขึ้นไปเขาก็เริ่มซื้ออินชรานการตายกันก็ยังขำกันอยู่ว่าพอซื้ออินชลานการตายเนี่ยไฟยสองวันเขาก็ส่งที่เก็บศพมาแล้วก็ส่งที่ใส่กระดูกมาให้ก็ยังหัวเราะกันอยู่ถึงว่าเราแพงการตายขนาดนี้กันแล้วเหรออะไรอย่างนี้ครับก็ดีมั น, นมาแน่ๆนะถ้าเตรีมยมไว้ก่อนมันก็ดีใช่ไหมจะได้ไม่ไปรบกวนใครไม่ไปทัเจอมาตรก า, าให้ลูกห<า> ล, ลานต้องเดือดร้อนเออ ก็ก็ติดตามพระอาจารย์ตลอดครับแล้วก็ชอบที่พระอาจารย์พูดธรรมะบนข่าวแล้วก็วันอาทิตย์น่ะได้ฟังตลอดเนะครับคือคุณหมอถามมนตอบแล้วพระอาจารย์ก็ตอบข้อปวามหลายหลายหลายครั้งก็สําคัญกับชีวิตตัวเองดันั้นก็เอามาเก็บมาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นครับเป็นอนุอนุโมทนากับคุณหมอเข้าด้วยใช่คุณหมอ เ, เข้าม า, านึครับก็ฟังแล้วก็ได้ธรรมะตลอดนะครับ ตั้งบนข่าวทั้งวันนี้ก็ได้หลายหลายขีดที่เอามาเข้ากับชีวิตตัวเองทำให้ตัวเองดีขึ้นครับติดตามไปได้ๆครับไปได้เลยนะครับครับผมขัมนวการพระอาจารย์ครับคือวิาัยพรคอนทัลลวิรัยพรขับนวัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าวันยัคไง เข้ามารายงานตัวเหมือนนักเรียนรายงานนะคะมาฟังเสียงพระอาจารย์เติมพลังค่ะพระอาจารย์คะโยมมีเรื่องอัศาจรรย์อยู่นิดหนึ่งค่ะคือเมื่อประมาณสองสามวันโยมไปที่วัดวัดไถ่ลงวัวค่ะที่สุพรรณแล้วจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่สององค์แต่เราโยมไปไหว้องค์ที่เป็นพระพุทธรูปออ ก, อ, อ, ก อ, อกองค์ใหญ่สีสีเทาๆอะค่ะพระอาจารย์ในขณะที่โยม พนมมือแล้วก็อธิษฐานจิตแล้วก็แล้วก็ใจตั้งมั่นอยู่ที่พระพุทธรูปอะค่ะในขณะนั้นโยมอัศจรรย์มากเลยโยมเห็นอลร่าเหมือนกับเป็นแสงอะคะ่ะพระอาจารย์อยู่รอบตัวองค์องค์องค์งท่านโยมก็เฮ้ย hey, เกิดอะไรแบบอัศจรรย์นะคะโยมก็พิส ป, ปะแล้วโยมก็ดูใหม่อีกทีก็ยิ่งชัดเจนมากมากขึ้นเป็นคล้ายๆอลล่าแสงที่อยู่รอบรอบองค์อะคะ่ะพระอาจารย์ทั้งๆที่โยมก็คือปกติเนี่ยคะ่ะโยมโยมก็เลยหลับหลับ หลับตาพอยมหลับตายมก็ยังอธิษฐานจิตอยู่นะคะที่ยมหลับตาท่านก็มาในสมาธิค่ะก็เหมือนกับว่าข้างหลังเราจะเห็นเป็นเป็นเป็นสีฟ้าแต่ว่าองค์องค์ท่านจะเป็นสีดําเป็นสีดํามืดคือเป็นเงาองค์องค์เสียนพระเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปองค์พระแต่โยมก็ยังตั้งจิตอธิษฐานอยู่ค่ะว่า คืออมเคยยมขอปฏิบัติขอให้มีดวงตาเห็นธรรมจเจริญในธรรมนิ่งขึ้นไปแล้วก็ได้ปฏิบัติบูชาและรับใช้พระพุทธเจ้าคือแบบแล้วพยอยอมเฉียนจิตสักพักหนึ่งภาพหนึงก็หายไปแต่ยมแปลกประหลาดใจมากเลยพระอาจารย์อันนี้ยมไม่ได้คิดไปเองนะคะพระอาจารย์อ๋อคิดไม่คิดไม่เป็นไรหรอกข้อสำคัยก็คือมันไม่มีความสําคัญอะไรภาพแบบนี้แต่แ<ผ>เราเชื่อถือเราศรัทธามากยิ่งขึ้นนะคะอ๋อใช่เรามันศรัทธาในทรรที่ไม่ถูก อ๋อค่ะมันก็เป็นเหมือนภาพเวลาไปดูคอนเสิร์ตนะมันมีคอนเสิร์ตก็มีฉายแสงฉายไฟอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันสิ่งที่จะทําให้นมมีศรัทธาก็คือเห็นการเกิดดับของสังขารน่าตายของเราอย่นี้อืมค่ะพระอาจารย์อันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องที่มันใกลตัวเราไม่เกี่ยวกับเราค่ะพระอาจารย์ไอ้มันเราเริ่อที่มันใกล้ตัวเราคือน่าตาย ค่ะงั้นมันคือแสดงว่าในขันธ์ที่ละทิฐิันจิตคือจิตเราตั้งมั่นใช่ไหมคะจิตเรามีสมาธิใช่ไหมคะพระอาจารย์คือคาว่าทิฏฐานนี่มันก็เป็นการตั้งใจจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งช่แต่ไม่ได้หมายความจะมีสมาธิแล้วไม่มีการมีสมาธิได้อยู่ที่การมีสติแล้วไม่มีสติค่ะพระอาจารย์ก็เราเห็นก็คือขอแค่จะสักแต่ว่าเห็นเอออย่าไปสนใจอย่าไปให้ความสําคัญ ใหเห็นว่าเป็นตายลากไปหมดเนียมีเกิดแล้วมีดับตดอย่างไงไหนเห็นทำเห็นเมื่อมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปได้ค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าจะไปเห็นแล้วว่าโอ้มันเป็นของไม่เสียษของอะไรขึ้นมาเป็นมงยมก็อัศจรรย์ใจพระอาจารย์เพราะมันมันแปลกประหลาดมากเริลค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะแต่คุเด็กก็ยังแลดงว่ายมเป็นคนดียมถึงได้เห็น ตายเลยเฉยๆก็อย่าไปปรุงแสงอย่าไปปรุงแสงไม่เศษอย่างนั้นวิเศษนี้เราเป็นคนวิเศษอะไรอันนี้เป็นกิเลสใช่ไหมครับค่ะพระอาจารย์แต่มันทําให้โยมศรัท ธ, ธาแบบโยมเห็นสิ่งอัศาจรรย์ที่เกิดกับตัวเองอันสามครั้งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือเหมือนกับว่าหลานหลานร้องไห้พระอาจารย์แล้วยมกําลังจะวิ่งวิ่งวิ่งไปอุ้มหลานนะคะขณะที่โยมวิ่งไปอุ้มหลานแล้วแล้วยมเลื่นสไลด์อะพระอาจารย์จากความรู้สึกณตอนนั้นพระอาจารย์ โยมเหมือนกับว่าโยมโยมค่อยๆลงอ่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆลงแล้วก็แล้วก็ก้นก้นโยมค่ะแตะที่พื้นแบบเบามากโยมก็มีความรู้สึกโอ๊ยทำไมันเป็นการล้มที่เราไม่เจ็บเลยแล้วล้มแบบแบบคือมันเป็นภาพช้าพระจ่าบอกเราค่อยๆลงค่อยๆลงล้ค่อยๆลงจนก้นเราแตะพื้นโยมก็ขึ้นมามางงมากเออเราล้มอย่างดีดีจังเลยล้มแบบไม่มีความรู้สึกเจ็บเราเห็นหมดเลยพระจาแต่นันไม่เป็นความจริงนะเนี่ยนั่นเร็นนั่มันจริงเหรอพระจ มันไม่เจ็บเลยพี่พี่เลี้ยงที่อยู่ข้างหลังอะค่ะเขาก็ยังมองบอกซ้อเราคือคือทุกคนแบบระวางอะไรเงี้ยค่ะแต่โยมบอกโยมขึ้นมาจะบอกโยมไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยแล้วโยมก็ค่อยเห็นว่ามันค่อยๆลงค่อยๆลงแล้วก็ก้นแตะพื้นได้แบบเบามากโยมไม่เจ็บเลยพระอาจารย์โยมก็ยังงงในเออล้มดีแสดงว่าเรามีสติงั้นที่เราปฏิบัติมาห้าปีก็คือมันจะมาเห็นมันมันจะทําให้เรา เวลามีเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาเราก็จะไม่วุ่นวายใช่ค่ะพระอาจารย์เน่ค่ะโยมถึงได้เชื่อในการปฏิบัติธรรมมากๆเลยค่ะอช่ถ้าเชื่อแบบนี้โอเคเชื่อในสติเชื่อในปัญญาใช่ค่ะสติมันทันใช่ไหมคะพระอาจารย์คือมันทันสติทำไม่ใจไม่เต้นเต้นกับใจไม่หวั่นกลัวใช่แล้วมันล้มแบบระวังมากแล้วก้นไม่เจ็บเลยค่ะพระอาจารย์ดับดีมากมาถ้าเราล้มตึ้งนี่ถึงว่าสะโพกนี่น่าจะแบบ แรงเหมือนกับ เ, เราเรารีบวิ่งไปรับหลานตัวหลานจะร้องไห้รีบไปอุ้มเขาเนี่ยค่ะแล้วก็ลื่นสไลด์ค่ะวันนี้วันนี้นนกล่าวพระอาจารย์เท่านี้ค่ะมามาวยพรพระอาจารย์ให้พระอาจแข็งแรงนะคะถ้าช า, า ม, มีโอกาสเดี๋ยวปีใหม่ไปใส่บายพระอาจารย์ค่ะส า, สาธุค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์อาจารย์เคยอาจารยเคยอยู่ที่ไหนอาจารย์เคยอยู่ดอนทับรีเจ้าค่ะ มีอะไรพอดีลูกเนี่ยได้เจริญสมาธินะคะก็คือพ่อ่คะพ่อของลูกเนี่ยเสียทีนี้ก็เลยใช้ร่างของของพ่อค่ะเป็นครูบาอจาร์ก็คือพี่จารย์ร่างของพ่อก็พี่ลาไปมาไปมาตั้งแต่หวัวศูนไปเท้านะคะเป็นศูนของพ่อ น, นะคะทีเนี้ยพออยู่อยู่มันก็มันก็เห็นตัวเองเข้าไปเองะคะ่ะคือเห็นตัวเองเป็นซากศพเองเลยค่ะ ก็คือเห็นตัวเองนอนแล้วก็มีสัำลีอุจ่จมูกอะค่ะเจ้าผาทีนี้ก็เลยก็เลยแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรนะคะก็ก็เลยดึงดึงแล้วก็ถอนออกอะสมาธิทีเนี้ยตั้งแต่ก็คือตั้งแต่เห็นเห็นเห็นแบบนั้นก็ก็ก็ตัวเองก็เลยยังไม่ไม่กล้าจะจะนั่งตั้งนั่งสมาธิต่อค่ะก็กลัวว่ามันจะกลัวว่าตัวเองจะหลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ ให้เห็นบ่อยๆให้เห็นจนกรั่งมันจดจําได้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้น<ะ>ไม่ต้องไปกลัวกันว่ามันเป็นเรื่องของน่งกากเราผู้เห็นไม่ได้เป็นน่านกังกันต้องไปกลัวทีนี้บังเอิญไปคุยกับเพื่อนนะคะเ้าบอกว่าเราอะ่พาะพอเห็นตัวเองก็เลยไม่ได้ดุก็กคือไม่ได้นั่งสมาธิอีกประมาณสองปีเลยเจ้าค่ะพอดีมันติดคุยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปวัด น, นะคะทีนี้ก็มาคุยกับ ยากกันญญาในนิดนะคะเขากบอกว่าเราอะต้องมันก็เลยมารื่รื่รู้เรื่องกายอีกต้องมาทิ้งกายทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เข้าใจว่าเออแล้วตรงลงตัวเองต้องไปเริ่มยังไงจะวะก็ทําสลับกันเนี่ยสมาธิแล้วก็จากเราจากสมาธิมาก็มาดูร่างกายจัญญานร่างกายร่างกายแล้วต่อไปก็จะนั่งเจ็บทำตายสานใจให้ให้รับความจริงให้ได้ ก็เด right. so, so, like, ่นนะคะก็ค oh, ือมีปัญหาว่าตอนคือตอนเนี้ยลูกเนี่ยต้องต้องเจริญสติด้วยกันคือเราก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆเราจะเห็นหรือไม่เห็นอันนั้นก็คือเรื่องของของจิตที่เราจะที่ที่จะเออเออสติจะพาเราไปใช่ไหมเจ้าคะใช่ถ้ามีสติมันจะไม่เห็นอะไรถ้าไม่เห็นถ้าพอยสติว่ามันเดี๋ยวมันจิตมันจะปุ่มแตกขึ้นมาอ๋อมันจะเห็นหรือไม่เห็นมันก็คือเป็นเรื่องของของของสติและไม่มีสติถ้ามีสติมันจะไม่เห็นเลย อ๋อแล้วทำไมอยู่ไปเห็นได้เจ้าคะเขาไม่มีสติไม่เห็นร่างตัวเองจิตมันก็ปุงแต่กขึ้นมานั่นค่สร้างภาพขึ้มาให้เราเห็นอ๋อก็คือลูกเข้าใจว่าตัวเองคือเป็นโรนาโนติอ่ะเจ้าค่ะก็เป็นแต่ว่ามันมันมันเป็นช่วงที่เราไม่ควรจะให้มันเป็นถ้าเราทำสมาธินี่เราไม่ต้องการให้มันเห็นอะไรอ๋อค่ะ เวลาออกจากสมาธิแล้วก็ยังไม่ให้มันเห็นนะไปนึกถึงหร่างกายแล้วมันจะเศราตายอ๋อก็คือปล่อยให้มันเขาเห็นไปคือถ้าเห็นก็คือเห็นแต่เราต้องดึงสมาธิกลับมาให้ได้ถูกไหมเจ้าค่ะคือเวลาที่เราไม่ต้องการให้มันเห็นไม่อยากให้มันเห็นเพระนั้นสมาธิไม่ต้องการให้เห็นอะไรเวลาจะเวลาออกจากสมาธิแล้วเนี่ยต้องการให้มันเห็นก็สั่์มันให้มองให้มันนึกถึงร right. ่างกาย อ๋อคือตอนนี้แล้วลูกก็เลยแบบว่าก็คือให้ดึงตัวเองกลับมาให้อยู่กับกายอยู่กับตัวเองอยู่กับใจตัวเองแล้วก็ให้ให้คืออยากอยากจะอยากได้ตัวผู้รู้ค่ะตัวตัวรู้ค่ะลูกก็ไม่ต้องไปอยากเนาะขอให้มันมีสติแล้วมันจะเห็นตัวผู้รู้เองอ๋อเจ้าค่ะขอให้มีสติแล้วเดี๋ยวพอจิตสมบัติจะเห็นตัวผู้รู้เองอ๋อเจ้าค่ะเในเนลานั่งสมาธิอยากอยากอยากเสริมสติให้มีสติ อย่าให้เห็นอะไรค<ะ>่ะแต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็ให้มันเห็นร่างกายเห็นภาพตายของร่างกายสลับกันอย่าทำสองอย่างปนกันแยกกันทําเวลาทำสมาธิไม่ให้เห็นอะไรให้อยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมไปอย่างเดียวไม่ต้องพิจาณาไม่ต้องพิจารณาเวลาออกจาก อ, ออกจากสมาธิมาแล้วไม่พิจารณาพิจารณาร่างกายว่ามันไม่เที่ยงต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บ ทำคนคนละเวลากันคนละวิชากันวิชาปัญญากับวิชาสมาธินี่คนละวิชากันอย่าทำป้องกันวนกันไม่น่าคือพอดีลูกไม่มีพระอาจารย์นะเจ้าขาก็คือปฏิบัติด้วยตัวเองตลอดก็เลยแบบพอดีมันเข้าไปเอ็นเองอะไรเองเนี้ยมันก็เลยก้าม่วงกันก้าม่วงกัใช่ก็เลยว่ามันคือคือมันต้องเริ่มยังไงอย่างเงี้ยก็ก็เลยทิ้งไปสองปีกลัวมันตัวเองจะหลุดคือหลุดนี่คือหวันถ้าทําสมาธิเป็นมันจะไม่มีวันหลุถ้าทําสมาธิเป็น ก็เห็นเขาบอกว่ามันเราข้ามขั้นสูงอะไรเราไปเห็นตัวเองเนี่ยเวลาโมเมกันท่านผู้ชมโมเมกันไปโมเมกันมาก็คือเสดงว่าเรานั่งเราไม่เราไม่สามารถเราไม่ไม่ไม่เราไม่ต้องการเห็นอะไรเราต้องการแค่จิตสงบของเจ้าของอ่าใช่เราไม่รู้ว่าเรานั่งเพื่ออะไรเรานั่งเพื่อจิตสงบให้จิตว่างในเวลาเราในสมาธิมาเราคิดเพื่อให้เกิดปัญญาคิดว่าร่างกายไม่เทียมต้องแข่ต้องเจ็บต้องตาย ทำกันละมาระกันไม่ได้ทำเพอ า, า, ากันกจายนะนะกับนัสการเจ้าค่ะโอเคคุณ okay. สปัตรตาเลื่อนขึ้นมาสปาตาจะยานันสเท็กซ์เหมือนกันกลับนักสการพากย์การเจ้าค่ะไปเจอนบริเวณานไม่อยู่คนเดียวกันไม่เจอยังยังไม่ยังไม่ยัไม่ได้เจอยัง <ๆ S 1> <คน S 2> ไม่เดียวกัน ม่มอยู่บ้านก็ปาพบปากันมากลูกถนัดกับการอยู่บ้านมากกว่าเจ้าค่ะยอยู่บ้านอยู่คนเดียวคนไทยมักจะไม่ชาอบเจอคนไทยด้วยกันเวลาอยู่ต่างแดนเอเพื่อนเพื่อนต่างชาติก็ไม่เจออ่ะตอนนี้อยู่อยู่บ้านโควิดโควิดไม่รับไม่เจอใครเลยเจค่ะวันวันนี้อ่คุณพ่อฝากคําถามมาเจ้าค่ะถามได้เลย ค่ะคุณพ่อขอคําแนะนํานะคะจากพระอาจารย์ว่ามีวิธีการและขั้นตอนในการนั่งให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิยังไงเจ้าคะช่วย อ, อธิบายเป็น<ม>ขั้น ต, ตอนต้องมีสติคอยกากับควบคุมเหมือนเวลาเล่นดนตรีนี่ก็มีคอนดักเตอร์ใช่ไหมเวลาวงดนตรีก็เล่นนี่ก็ต้องมีคอนดักเตอร์คนคอย คควบคุมมองให้เล่นไปตามเพลงตามบทเพลงจิตของเราจะให้มันนิ่งก็ต้องมีผู้กำกับคือสติการที่จะไปมีผู้กำกับคือสติให้เกิดขึ้นมาได้ก็ต้องใช้ใช้การดูท่องพุโทโธพุโทโธไปพยายามให้มันท่องพุโทโธพุโทโธอยูเรื่อยๆก่อน ท, ที่จะมานั่งถ้าถ้าท่องพุโทโธไม่ไหวอยากจะเปลี่ยนเป็นมาดูร่างกายแทนก็ได้ ดูอุปเลยาบทต่างๆของร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรไปู่เฝ้าดูร่างกายกันเหมืเราเฝ้าดูนักโทษนี้นี่คือการฝึกสติให้จิตอยู่ที่เดียวให้รู้อยู่อย่างเดียวอย่าให้ไปคิดละกับเรื่องราวต่างๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเพื่อแ้่เพื่อผ mm hmm. ลนะถ้าเรามีสติอย่างนี้ว่าเรามานั่งได้เฝ้าดูลมหาใจเข้าออกที่ปาจบูก เราไม่ใช่นัายท่องวุฒโววุฒโวไปก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อ่านี่คือวิธีฝึกสมาธิแล้วค่ะแล้วเอเวลานั่งนี่จะนั่งเอพื้นขัดสมาธิหรือจะนั่งเก้าอี้ยังไงก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะยังไงก็ได้ถ้าถ้าอยากจะเป็นโปรเฟชชั่นอลมือโปรก็ต้องนั่งขัดสมาธิแต่ถ้ายังเป็นมือสลัดแน่นอยู่ก็นั่งเก้าอี้ไปก่อนไม่ได้ถ้าแก่แล้วอายุมากแล้วนั่งขัดสมาธิไม่ไหวก็นั้น แต่ท่านั่งกักสมาธิได้ก็นั่งกักสมาธิานะดีที่สุดเจ้าค่ะแล้วอีกคําถามในนี้ลูกขอเสริมเอ่ให้กับคุณพ่อเจ้าค่ะเพราะเวลาท่านนั่งท่านบอกว่ารู้สึกตอนเนี้ยมีอาการว่วงนอนขนาดนั่งบางครั้งนั่งไปก็แบบเผลอหลับง่ายค่ะไม่ทีก็ยี่สิบสามสิบนาทีแล้วอย่างเงี้ยแล้วลูกเลยอยากจะขอคําแนะนําของพระอาจารย์ว่าจะช่วยให้ท่านให้คุณพ่อเนี่ยมีวิธีปรับแก้ไขยังไงเจ้าค่ะ สาเหตุของการที่มันนั่งหลับง่ายก็เป็นมีสติน้อยแล้วมีสุข ส, สติมาน้อยมากแล้วอี ก, อกเหตุนหนึ่งก็คือกินมากไปเนื่องแมว่าแม่มากก็ไม่ต้องมากกินตามปกติของคาราวานนี่ก็ถือว่ามากแล้วสาหรับผู้ปฏิบัติถ้าอยากจะไม่ง่วงกาให้กินแค่เที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันแล้วก็อยากกินถ้านั่งสมาธิหลังจากเที่ยงวันไปแล้วมันก็จะไม่ง่วง เจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะก็มีสองคำถามนี่เจ้าค่ะต้องรู้จักประมาณใ น, นการบริโภคอะก็อยากกินมากไปไปกินไปกินแค่เมื่อสองมื้อก็พอนะ้หลังเที่ยงวันไปแล้วก็ดื่มน้ำต่างไปแล้วมันก็จะท้องก็จะว่างก็จะรู้สึกไม่ม่วงกันเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะ คุณเทรินทอนทเชิญเทรินอนเทรินที่ใกล้ๆกันเลยเปนนางชการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้โยมเข้ามา อ, อกับสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์ล่วงหน้าด้วยนะคะเจ้าค่ะถ้าเกิดไม่ได้เจอค่ะโยมมีคําถามด้วยค่ะถ้าสมมุติว่า เ, เรามีนิมิตฝันเห็นถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอันนี้ถือว่าเรามีสังขารุสติไหมคะ ก็จิตใจเรามีความคิดตูแตกถึงท่านเจ็บไม่สงบเวลานอนหลับมันก็ฝันแต่ฝันดีมันดีเพราะว่าเราเราก็อาจจะทำบุญกับพระอยู่เรื่อยๆจิตใจเราก็เลยมีความผกพันกับพระอันนี้แปลว่าท่านดูแลคุ้มครองเราอยู่ค่ะหรืออันนี้เาไม่ไม่ไม่เกี่ยวต้องเป็นเวลามานั่งคุ้มครองฝันถึงพระอาจารย์ละนั่นแหละเราเป็นความคิดของเราเอง เราคิ ด, <า>ดนนถึงท่านแบบวไลวนานหลับแล้วมันก็ฝันถึงท่านม่ค่ะค่ะยมก็เดี๋ว่าพระอาจารย์คงทวงยมอยู่เราไม่เ<า>กาเลยอยู่คนเดียวเราปิดเงียบพระอาจารย์ก็มาสอนธรรมายมด้วยนนี่ก็สอนตอนที้พอแล้วจะไปสอนตอนไหนอออีกข้อนหนึ่งนะคะพระอาจารย์ถ้าสมมติว่ายมต้องตายในวันนี้ความรู้ความคิด เกี่ยวกับธรรมะของโยมจะติดตัวโยมไปถึงภพชาติหน้าไหมคะสิ่งที่เร า, าสะสมมามันก็ไปกับเรานะแล้วปัญญามันก็ไปกับเราแล้วอะไรที่จะทำให้เราเระลึกถึงความดีกบุญกุศลแล้วก็ปฏิบัติอีกเหมือนถึงว่าในตอนเด็กอะคะ่ะไม่ไม่ต้องมานั่งค้อ น, นค น, นแล้ว ม, ม, ม, มันจะเป็นที่ใสไง เหมือนกับถ้าเราไปถนัดมือขวาเราไปเกิดใหม่แล้วมันจะใช้มือข้าต่อถนัดม้าเราไมได้ใช้มือซ้ายไม่ยมถึงไม่ปฏิบัติตั้งแต่โยอมยังเด็กอะค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ยมต้องชาติกันไม่มีมาติดมาไม่ได้ทําชาติกัอนแต่ชาติที่เราได้ทาแล้วเดี๋ยชาติหน้ามันก็ไปทําต่ออืมไปทาตั้งตั้งแต่เด็กแล้วเดหตุใดที่ทําให้เราพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะอเราทำเป็นเป็นจังหวะเป็นจังหวะของชีวิตไม่มีเหตุ ออย่างนี้ถ้าเกิดว่าพบชาติต่อไปเราไม่ได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็เสียชาติเลยใช่ไหมคะเชไม่มีคนนำไม่มีคนสอนนั้นนั้นให้เรีตามรรมในตอนนี้ให้ไปถึงเป็นพระอริยะขั้นแรกได้ก็เราปัจะุบนมีครูบาอาจารย์อยู่ในใจเรามีครูบาอาจารย์สอนเราไปในพบหน้าชาติหน้าได้ค่ะค่ะค่ะมีคําถามเท่านี้ละค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณค่ะ อยากเป็นจีบบ้างว่าติดตามเป็นจีบบ้างวมีแต่ในเมสเสจยังไม่ได้เจอเลยไม่เคยเจอตัวกันนะก็มีโควิดระบาดอ่า <laughs> มิกิเห็นอยู่หน้าหน้าจออยู่หายไปไหนแนละ้ว <laughs> เดี่ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องผ่านคุณนั่งประกัศคุณคุณพีทีคุณพีทีรอมานานแล้วพีทีพี่ทีเดอะคิดพี่ทีเดอะคิดได้ยินไหมหายไปไหนแนละ้วมีไหะ คุณพีธีไม่ไม่ตอบเดี๋ยวเราไปข้ามไปก่อนนะอันนี้คุณธรรมะคุณธรรมรักเชิญคุณธรรมรสวัสดีค่ะขอบคุณพีธีนะคุณีคับอไหนออ่อยปกอน่นคุณพิธีมาก็าคุณพีธีก่อนใครก่อนเอ๋ออันนี้หนูเข้ามาแล้วนะคะ อ่ได้ได้ยินเสียงอาจารยะจายได้ค่ะอ่าหนูก็มีคําถามเจ้าค่ะแต่ว่าคําถามมันมีคําตอบหมดแล้วคือพี่พี่อ่ากัลยาณมิตรได้ถามไปหมดแล้วก็อาจารย์แล้วค่ะแล้วก็มารับพลังบวกจากพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ดีก็เข้ามาอยู่เรื่อย การทำทให้เราานอพยายามจะเข้ามาทุกอาทิตย์เจ้าค่ะอย่อยู่ที่ไหนนะเดีวน้อนนะยเกดเจ้าค่ะค่อย่การไทุกวันพุธเนี่ยค่ะหนูเข้ามาทุกวันพุธค่ะถ้ามีโอกาสถ้าหนูว่างเจ้าค่ะถ้าไม่มี้วทัวันไปที่ท่านตออะไรไหมคะสเจ้าค่ะสุภาพอนเชสภาพอน กลับมาเการค่ะพระอาจารย์ามาอะไรมีอะไรน่ะบ่าได้ยินแล้วใช่ไหมค ะ, ะาาย์ได้น ะ, ะคืออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็พยายามอยู่กับรู้เฉยอ่ะค่ะสักแต่ว่ารู้อะค่ะพระอาจารย์แล้วก็อพอเวลาจิตมันไปอยู่ที่ความคิดสติมันก็ไปทันค่ะพอจิตมันไปอยู่ที่กับอารมณ์ คือจิตไปมีอารมณ์แล้วค่ะก็รู้สึกว่ามันมันก็ทันมันก็ทันที่สติกค่ะแต่รู้สึกว่ามันมันเป็นอารมณ์แบบแบบที่มันไม่ได้ทุกข์มากนะคะพระอาจารย์แล้วก็เหมือนมันมันเห็นอารมณ์มันเห็นลอารมณ์ที่จิตมันไปกระทบเยอะเหมือนกันนะคะไม่ทราบว่าอันนี้มันถูกป่ะค่ะ มันถ้ า, ถามีอารมณ์ก็สแสดงว่าเลือสตินะ้วปรงแต่งน่าติดปรงแต่งอารมณ์เกิจะความคิดปุงแตง่งมิจิตเองค่ะแล้วก็พอมันมีอารมณ์ปุ๊บก็คือจิตมันก็มาเลยจิตมันก็มาเลยแล้วก็มันก็ไม่ได้ไปต่อเลยค่ะพอมีสติปุ๊บแล้วมันก็หยุดที่อารมณ์นั้นเลยคือมันไม่ได้ไปต่อที่อารมณ์นั้นแล้วอะค่ะเอถ้ามีสติมันก็ดำเมินได้ถ้ามันมันหยุดที่สติเลยอ่าแล้วก็ แต่สังเกตว่าเอาสติมันมันจับอารมณ์ได้เยอะเหมือนกันนะคะพระอาจารย์อันนี้เมีสติ ด, ดงังนนให้อารมณ์มีกึ้นไม่ได้ดินอารมณ์ได้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออวันหนึ่งบางทีเราเรามีทุกข์เยอะนะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยรู้ตัวะคะ่ะพระอาจารย์พอพออยู่กับว่ารู้เฉยรู้เฉยแล้วก็สักแต่ว่ารู้เนี่ยถึงทําให้เรารู้สึกว่าเออในวันหนึ่งหนึ่งอะเรามี เรามีอารมณ์ที่มันเป็นทุกข์แต่เราไม่ค่อยรู้ตัวค่ะพระอาจารย์เพราะไม่มีสติค่ะอแล้วก็อีกอี ก, อกเรื่องหนึ่งนะคะอจะจะสอบถามพระอาจารย์ว่าความวัยของสติเนี่ยค่ะมันมันมันมันเกิดจากอะไรอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็เกิดจากฝนฝนอบรมเวลาเราทํางานเนี่ยใหม่ๆมันสติ มันไม่มันไม่ชินมันก็มันก็ช้าใช่ไหมพิมเดอะไรมันช้าพอเราฝึกไปเรื่อยๆพิมไปเรื่อยๆมันก็เดวขึ้นเดวขึ้นสติใหม่ๆเราเราชอบเผลอเรลยเหมือนก็ช้าเอาไปเราฝึกไปบ่อยมันก็ยังไม่เผลอมันก็จะเนืองขึ้นค่ะวิธีการฝึกฝนอบรมอ๋อมันมันไม่ได้เกิดจากการที่เรานั่งสมาธิอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็เนื่องแหละเพราะการนั่งสมาธิก็ต้องเวสติ ไม่มีสติมนก็นั่งไม่ได้ค่ะพระอาจารยงคะสมมติว่าอพอเราจิตเรามีอารมณ์เราก็ตามเราก็มีสติปื๊บอารมณ์ในจิตก็หายไปหรือว่าพอมีความคิดเราก็หยุดคิดแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้เราก็อยู่กับอินดิยาบทเราเหมือนเดิมก็คือในช่วงที่จิตมีอารมณ์อะไรก็เดินก็รู้ว่าเดิน ทำอะไรก็มีกสติอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นการเคลื่อนไหวของร่างกายตามปะกะติใช่ไหมคะอย่าให้มีอารมณ์กับสิ่งที่เราเห็นล้ว ร, รับรู้ค่ะอืมรูใ้ใๆค่ะพระอาจารย์คะเวลาที่เราเรามีสติอะคะ่ะกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช็นว่าเราเรามีอารมณ์ค่ะพระอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าเรามีสติมาปุ๊บเหมือนกับว่าเราเราดูที่อารมณ์นั้นใช่ไหมคะ เหมือนกับเราเราเฝ้าดูเหมือนกับเรารู้ที่อารมณ์นั้นใช่ไหมคะเหมือนกับสติมาพร้อมกับรู้ใช่ไหมคะพระอาจารย์รู้สึกถ้าไม่มีสติมันก็ไม่รู้ต้องมีสติมันมึนจะรู้มีคืเหมือนกับว่าพอมีสติปุ๊บแล้วเราก็เราหยุดกับอารมณ์นั้นแล้วค่ะแต่เหมือนกับว่าเราเราเพ่งดูที่อารมณ์นั้นใช่ไหมคะเ้าแล้วดูมันหยุดแล้วก็ไม่ต้องเพ่งก็มีสติมันก็จะมันก็จะหายไป ถ้าม่มีสติมันก็จะปูนแตกต่ออารมณ์มันจะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆค่ะอแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอารมณ์เล็กๆเราเราก็อาจจะหยุดมันไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเจออารมณ์ใหญ่ๆเราก็อาจาจะจะหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้ใจรับมันคือต้องใช้ปัญญาคิดตอนนั้นเลยใช่ไหมคะพค่ะค่ ะ, ค ะ, คะมีเท่านี้ค่ะภาพจายมีเท่านี้ค่ะ okay. ค่ะกลับครบพ่อคุณค่ะรับพี่เทียนกัฟฟี่าธานีกรับนมาสการครับข้อแรกครับคือคือผมไปรู้ใจคนนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกแต่เราแต่เรารู้ว่าเราไปรู้ในสิ่งที่แบบมันใจใจห ใ, ใจเรามันจะรูครับ แล้วก็ไปเช็คก็คือว่าถูกต้องไปตรวจสอบก็คือใช่ะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งเกิดครับผมแต่เป็นนู้ใจคนอื่นนู้ใจเราดีป่าแต่มันทุกข์ใช่คนอื่นจะดีจะชั่วมันไม่มันไม่ได้ทำให้เราดีชั่วไปด้วยนะมันทุกครับถ้าะด้านนี้นก็ดึงใจกลับมาแต่ย่าไปสนใจให้วกเราเดินกลับมาแล้วแล้วเหมือนคนที่ผมไปรู้ด้วยเนี่ยเหมือนเอ่อเขาเขาเป็นคุณหมอนะครับแต่ว่าเหมือนเขา ทำพฤติกรรมกับผมที่แบบผมแบบให้อภัยเขาเนี่ยแต่เขายังไม่ไ ม, ไม่เลิกลาครับคือแบบยังแบบทิ้งระเบิดไว้ให้ผมมาครับเราห้ามเขาไม่ได้นะเราเราได้เพีเดียวเท่านั่นคนอื่นเราไปห้ามก็ไม่ได้เขายังเขายังไม่ไม่เลิกก็ต้องก็ต้องก็ ต, งต้องปล่อยเขาไปทางนี้ครับถือว่าเป็นเป็นบาปเป็นบุญของกรรมของเร า, เาใช่ไหมครับเป็นยังไม่หมดเป็นยังไม่หมด ถ้าเป็นหมดเมื่อไหน่เขาไม่จะไม่มหมดมีแล้วอ๋อครับครับพระคุณครับแต่แต่แบบไอ้ที่ผมไปรู้เนี่ยคือมันก็มันก็เกิดดับได้ใช่ไหมครับก็รู้แล้วก็ผ่านไปแล้วนี่ยังไม่ได้ไปสนใจมันไปมันไปยามาคิดอยู่ทําไม่คิดครับเพราะว่ามันทุกข์ครับอาจารย์ก็ยังไปคิดมันเขาคิดก็จะยวุทโธวุตโธอยู่นะครับขอบคุณครับ นี่ะดเหรอครับผมม อ, อบ่อยครับพระอาจารย์ครับคุณานตาตบาตันนี้นะครับนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้มาปฏิบัติธรรมที่นครนายกค่ะเี่อะไรไหมคำถามสกดเนื่องจากคราวที่แล้วค่ะพระอาจารย์ที่บอกว่าที่ที่ลูกเขา้า สมาธิด้วยปัญญาค่ะที่พระาจาเรียกว่าปัญญา <ผม S 1> แล้วก็ค่ะแล้วก็ อ, อลองเป็นพุโทโธค่ะลองไปฝึกครั้งที่หนึ่งพุโทโธก็เหมือนจะนิ่งแต่ว่าก็ ก, ก็เหมือนกับตึงนะตึงเกินไปอ่ะค่ะแล้วครั้งถัดมาก็เลยเปลี่ยนเป็นลมหายใจอ่ะค่ะแล้วก็กําหนด <c oughs> พุดโทโธพุทเขโธออกแล้วก็มีสติมีสมาธิขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ Ờ, อยดีดีก็นึกขึ้นมาถึงมัอนภาวะนึกขึ้นมาโดยที่พระอาจารย์บอกว่าอย่าปฏิเสธนะคะแล้วก็เรา ก, ราก็มันขึ้นมาคําว่าเบื่ออ่ะคะ่ะแต่เบื่อเนี่ยเป็นเบื่อว่าจิตไม่ดิ้งแบบเต็มร้อยอะคะ่ะในภาวะตอนนั้นคือเรารู้ตัวแต่เราดึงพอมันหลุดไปเราดึงกลับทันทีอะะ่าเงีค่ะแล้วพอขึ้นคําว่าเบื่อปุ๊บ ก, ก็เข้าสู่ภาวะว่างอะคะ่ะอาจารย์ แต่ว่าตอนเข้าภาวะว่างภาวะทางร่างกายแบบมันเหมือนกับช็อตแล้วก็เราเราเองก็ตกใจอะคะ่ะแต่ก็เข้าไปสู่ภาวะว่างแต่เราเพยายามประคองสติแล้วหลังจากนั้นก็ว่างเลยอะคะ่ะพระอาจารย์คำถามก็คือถ้าเกิด เ, เข้าไปสู่ภาวะที่ว่างอะตอนนั้นลูกก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพราะลูกก็ไม่มีความรู้อะคะ่ะเอากายมันอยู่ในความว่างนาน เป็นสารที่ปลอดภัยสําหรับจิตนี่ยเพราะว่างแล้วมันก็ทุกข์ก็จะไม่มีในเธอนะอกรมณต่างๆอะไรต่างๆก็เข้าไปไม่ได้คือ <c ười> รู้สึกว่ามันว่างมากจนแบบมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็เพราเราไม่ก็ต้องการให้มันว่างไม่ต้องการให้มันมีอะไรอ่ะแล้วคันนี้ก็แต่ว่าแล้วถ้าเราต้องออกล่ะคะพอดีว่าต้องพยายาเพื่ออกเดี๋ยวมันถึงเวลามันออกมันอกอก ทำมันยังไม่ออกก็ไม่ทำไปไม่ทำไปเด็กไม่ออกให้มันดีไปนานๆแล้วคราวนี้แบบลูกมีแบบต้องทํางานเนี้ยลูกก็จะแบ่งเวลาแล้วมันได้เท่านี้ลูกคิดว่าอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องออกอย่างนี้เราไม่ควรออกใช่ไหมคะหรือถ้าเราต้องออกเรามีวิธีการไหมคะอาจารย์ออกก็มนตาคนนึต้อออกออกไปเลยนั่นค่ะแล้วก็ วันนี้ก็แล้วก็ลองวันนี้มานั่งสมาธิแบบเออ่ลมหายใจค่ะก็คิดว่าวันนี้ก็ได้ละค่ะก็เกิดแต่ว่าไม่ไม่เหมือนกันค่ะจะเป็นภาวะลมหายใจที่หายไปแล้วก็จังจงเบาๆเฉยๆยค่ะแต่ว่าคนละสภาวะกันนะคะอันนี้ถ้าเกิดเราถึงสภาวะ ที่เหมือนว่างๆก็ให้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะยังไม่ต้องพิจารณาอะไรไม่ต้องไปจ่ายนั่งสมาธิเพ่าเข้าสู่ความว่างของจิตแล้วเป็นที่พักผ่อนและเป็นฐานชํางว่าของจิตต่อไปอาจารย์ก็เท่านี้ค่ะอาจารย์โอเคนะถ้าเข้าไปได้ก็ถือว่าดีแล้วหละเก่งแล้วคนส่วนใหญ่นั่งถ้าเป็นนั่ตายยางเคยยังเข้าไปไม่ถึงความว่างทีถ้าเข้าไปในความว่างแล้วถ้าไม่ไปทุรนทุรายก็อยากเป็น ดึงมันออกมาไว้ให้มันอยู่ไปนานหนาจนกว่ามันจะหมดจานำแล้วมันก็จะออกมาเองแต่ถ้ า, ามันยจะต้องออกจริงๆก็ลืตาขึ้นเนก็ออกมาอาจารย์จนน้ิงค่ะคือแล้วถ้าเกิดโดยที่ผ่านมาค่ะลูกรู้สึกว่าเวลามันมีในชีวิตประจาวันแล้วนะคะเวลามีอยู่ดีๆจะมีความคิดที่เรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วเรารู้ แต่เราหยุดมันไม่ได้แต่ว่าตอนนี้<ห>รู้สึกว่าใช้พุโทโธเพอมันเกิดไม่ดีแล้วก็พุโทโธพุทโธเข้าไปอย่างนี้แสดงว่าพอนั่งสมาธิอะค่ะแล้วมันเหมือนกับว่าเราหยุดได้ดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้ตลอดนะคะพอมันเหมือนหมดทวะหนึ่งาอาจา<ม>จะหยุดไม่ได้ไม่ได้พอหมดสติมันก็หมดอย่างไม่ได้แสดงว่า ปัญญาแม้มีแต่ถ้าไม่มีตอนนี้เราควรเหมือนลูกพล่องสมาธิใช่ไปต้องฝึกเยอะเยะฝึกสมาธินะถ้าถึงแม้ลูกนัวปัญญาว่าไม่ดีก็เราก็ยังหยุดทําไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิเลยไม่ยามฝึกสมาธิมากๆให้จิตมีกําลังมากๆต่อไปปัญญาบอกไม่ดีปั้มมันก็หยุดได้ต้องเลยเข้าใจนะ คุณชีกนอนมานานแลคุณจิมา USA แมวี่แลนด์กับงานสักการะอาจารอันนี้ยังทำงานดีเมื่อกี้ทำวันนี้ทำที่บ้านค่ะโชคดีมากเลยรยมแบบพอดีว่าก็มานั่งอธิฐานไว้ในใจบอกว่าปีใหมนี้ก็บอกให้ทำงานที่บ้านต่อน่แ่ ไม่ใช่หรอกค่ะพอดีว่าจริงๆตำแหน่งโยมมันต้องเข้าไปในออฟฟิศทุกวันแต่ว่ า, าเหมือนกับเจ้าในายใจดีเห็นว่าพอใกล้ปีใหม่แล้วไม่ค่อยมีคนมาค่ะก็เลยเอองั้นแล้วเราจะเข้ามาทําไมถ้ามันทําคอมที่บ้านได้พอดีว่าช่วงนี้ไอ์โปรแกรมที่โยมทําอยู่มันทําที่บ้านได้ค่ะก็เลยได้เขาก็เลยเปิดโอกาสให้เราเลือกทำที่บ้านได้โยมก็เลยโอเคเพราะว่าโควิดก็มาด้วยตอนนี้มันขึ้นมาลีแลนด์ยังไม่ค่อยสูงมากแต่แบบ ลัอื่นมันขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเขาก็เลยโอเคทำที okay, ่บ้านแต่เดี๋ยวเปิดมาวันจันทร์ก็ไปทําเหมือนเดิมแล้วโ<ม> <laughs> ยมก็แบบก็ก็เลยไม่ได้แบบว่าถ้าอย่างนี้ถ้าในกรณีอย่างนี้พระอาจารย์คะถ้าถูกข่าวเรื่องโควิดมันมาแต่เราก็เตรียมพร้อมเออถ้าเป็นก็เป็นแต่เราก็ป้องกันโดยการแบบดูแลตัวเองให้ดีอันนี้ถือว่าโอเคไหมคะหรือว่าควรจะปล่อยให้มันไม่ต้องทําอะไรความตายคือเรื่องทําต้องทําำเลย ถ้าไม่ทําอะไรก็ไม่ต้องกินถ้ายังต้องกินยังไม่ได้ฝันถึงไว้ทํานะก็ยังานห้าเหมือนกันเหมถ้ายังต้องกินเอยูก็ยังต้องกินดูแลร่างกายารักษาร่างกายร้องการร่างกายไม่ใชไม่วุ่นวายกับมอย่าไม่วุ่นวายกับมันเท่านั้นเองทำตามหน้าที่ไปคือถ้าเราซื้อเตรียมวิตามินซีกินไว้อะไรก็อ๋อค่ะ แล้วอีกคําถามค่ะพระอาจารย์ถ้าเวลาอย่างเมื่อกี้มีท่านหนึ่งบอกว่าคุณพ่อนั่งไปแล้วง่วงคือโยมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะโยมก็บางครั้งโยมก็เ ป, เป็นเป็นเพราะว่าเรากินน้ําตาลเยอะไปหรือเปล่าไม่แน่ใจ<ช>ว่าแบบกินอาหารมากไปคกินพกแป้องอาหารมากไปพวกแป้งมากไปมันก็เลยทําให้เราเกิดอาการว่านั่งแล้วง่วงใช่ไหมคะใช่แล้วก็สติก็น้อยด้วยใช่ไหมคะ ถ้างแม้สติมากถึงแม้สติมากเวลากินใหม่ใอีกหม่ใหม่มันก็มันสร้างความม่วงไม่ได้อ๋อโอเคยมก็ว่าแหละยมกินปุ๊บครึ่งชั่วโมงยมไปนั่งเลยทําไมไม่รำรำหลบข้าวหรือ่าล่า้ำเล่าไม่ม่วงก็ไค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยมว่าจะตั้งใจปีใหม่ก็จะลองแบบตั้งเป้าดูว่าเออเหมือนเหมือนท่านอื่นที่ว่าเออถ้าวันพราจะลองถือศีลแปดดูแล้วก็ไม่ทาน ไม่ทานหลังเที่ยงดูอะค่ะว่าจะเป็นยังไงได้ลองทำดูอมก็ไม่ทานาทั้งวน<ะ>ันเลโอ้ยมไม่แน่ใจเพราะด้วยยมเป็นไทยลอยด้วยยมก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเราจะอดทั้งวนันเดี๋ยวลองลองสองมื้อก่อนดีกว่าค่ะ <c oughs> สองมื้อผ่านก็ว่าเจ้าบอกว่าให้เราค่อยๆเป็นเด็กอนุบาลไปเรื่อยๆยมเป็นอนุบาลก่อนตอนเราทําจากน้อยไปหามาก เดี๋ยวข้ามไปปริญญาเอกเลยย้มจะตกลงมาแบบแบอกค่ะทีนี้โยมมีคำถามอีกอันนึ่งคะ่ะพระอาจารย์คือคือตอนนี้ยบ้านโยมอะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องแล้วก็ลูกใช่ไหมคะทีนี้เรารู้สึกว่าเออบางทีมันรู้สึกว่าความวุ่นวายมันเกิดขึ้นแล้วเราก็คิดว่าเออเราอยากอยู่งเงียบจังเลยอะการคิดแบบนี้มันมันบาปไหมคะว่าแบบ เราคิดว่าเาบางครั้งพ่อแม่อยู่ด้วยเราก็ดีดีเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจอกันเราเจอพ่อแม่เราภูมิใจเรามีความสุขแต่พอท่านมาเราก็เอ๊ะทําไมมันคือความอยากใช่ไหมคะอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นมันก็เลยทําให้เราทุกข์ใช่ไหมคะใช่เฉยๆถ้าเขาเทุกข์ฝ่าเขาก็อยู่เขาจะอยู่ไหมเขาฝ่าก็อยู่ไปเขาจะทำไหมเขาฝายก็ทำไปคือเหมือนกับว่าโยมแบบเคุณแม่บนปวดข่าวอย่างเงี้ยค่ะโยมก็บอกว่า แม่อย่านั่งท่านี้นะนั่งแบบนี้เพรอากาศ<า>ย็นมไม่ต้องไปซ <c oughs> อยนั่ใช่โยมก็นลรู้สึกเออเราไม่ควรจะสอนเลยหรือว่าเรานะแค่หวังดีแต่เขาก็ไม่ทําเราก็เลยแล้วเขาก็บน่น <c oughs> เราก็ทํำยังไงดีล่ะเทาก็เบื่อเราชอบไปคอยบอกเขาแล้วก็เราก็เบื่อเขาเพราะเขาไม่ยอมฟังเราไม่ต้องเลยเป็นเรื่องเล่นมาอย่างนี้เราวางใจยังไงดีคะเราตัวเขาไปตัวก็ตัวเขาก็จะทําอะไรกรับโยมเขาแหมแต่เขาไม่มาทํางเดือน ท่านก็ไม่ทําความเดือดร้อนให้กับคนไหนก็ไม่เป็นไรเราจะไม่กระตันยูไหมคะถ้าเราไม่กตันยูเนียเขาลบพ่อแม่ไม่พูดไม่สอนพ่อม่ในเราเป็นความตันยูแล้อ๋อค่ะท่านกถามไม่ค่อบอกคนไหนท่านก็ถามเออทาไงให้มันหายเจ็บก็บอกว่าแม่นั่งทานนี่สิอยนแต่ท่านก็ไม่ถามก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปบอกคือถ้าเราต้องดูบุคคลด้วยใช่ไหมคะว่าคนไหนเราพูดได้คนไหนเราพูดไม่ได้ ค่ะโอเคแต่ถ้าความคิดที่ไม่ดีแบบน้องคนเมื่อกี้ถามถ้าเราใช้พุทโธพุทโธแบบนี้ถ้าเราคิดไม่ดีแบบสมมุติว่าเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคิดไม่ดีบางทีเราดูข่าวพระข่าวอะไรเรารู้สึกมันมีแบบทำไมท่านไม่เป็นแบบนี้อันนี้เราแค่คิดในใจนะคะสมมตุติอันนี้บาปไหมคะไม่แบาปเพียงแต่ว่ามันทำให้เราไม่สบายใจอกุศลอันคือเราควรตอนนี้บอกมันเรื่องของเขาเราไปยุ่งกับเขาทำไม ชอบไปยมาเรื่องยููปตลอดเลยก็ชบไปยุ่มมาเรื่องของคนอื่นแล้วแล้วก็ตัวเองก็มามาเจ็บในใจถ้าจะดูเรื่องคนอื่นต้องทำใจเป็นรูเบค้าดูน้องเฉยๆอย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เราดูอันนี้คือดีที่สุดเลยใช่ไหมคะไตลักก็คือเห็นทุกอย่างเป็นไตลักไปให้หมดค่ะ ค่ะโยมจะมันปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มปฏิบัติแบบบางทีมันง่วงไปเลยมันก็ เ, เป็นพราะเรากินน้าตาลหรือเปล่า <laughs> <laughs> ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์กราบสวัสดีปีใหม่นะคะ <laughs> <laughs> ขอให้พระอาจารย์มีทัศขันแข็งแรงแล้วก็กัลยาณมิตรมีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะย่า <laughs> สาธุค่ะสาธุค่ะคุณานวิทยนะ์คุณานวิทย์ช่คุณานวิทย์ปิไมเปไหม อยูมุมซ้ายนั่นอ่าได้แล้วพูดได้แล้วกับนวัตการทพระ อ, อาจารย์อยู่ที่ไหน อ, อยู่ที่นคปรปนมครับท่านอาจารย์จังหวัดนคปรปนมพอดีอลูกเป็นแม่บ้านของอาจารย์ชันวิทยาคชื่ออาจารย์สุภาวรรณหาน ร, รินนะคะ อ, อาจารย์ขอรายงานตัวค่ะพอดีได้ฟังแคสนะของพระ อ, อาจารย์จากยู u ูบค่ะพ่อบ้านท่านบอกว่าเข้าใจง่ายก็ลองปฏิบัติแต่หาที่นี้ สำหรับตัวลูกเองนะคะในการปฏิบัติลูกก็จะถือหลักของท่านหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวนะคะก็คือใช้ลมหายใจพุโทโธพุธโทโธนะคะอาจารย์ทีนี้พอนั่งสมาธิพุโทโธไปจิตบางครั้งจิตมันก็จะนิ่งนะคะนิ่งนิ่งเสร็จแล้วมันก็แวบไ ป, น, น, ไปนู่นแวบไปนี่อีกทีเนะะี่ยอาจารย์บางทีก็เหมือนจิตมันมันบูบไปเนะะี่ยค่ะแล้วก็ดึงกลับมาอีกทีหนะะึ่งอย่างนี้ แต่ว่ามันก็ไม่ไปไม่มามก็เป็นอย่างนี้ค่ะพอดีรูปก็ปฏิบัติมาหลายปีพอสมควรแต่ก็ยังอยู่อย่างนี้ค่ะ อ, อาจารย์สติ ม, ตมันมีมันมีไม่มากพอที่จะยังอย่างจิตให้เข้าสูาส่ความสงบเพราะมันไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็หมดกาลังก็เลยไปต่อไม่ได้ก็ต้องขยันพูดโทต่อมัอย่างนั่งเฉยๆแล้วเวลาที่ไม่เวลาที่ไม่นั่งก็ต้องหัดหัดจเจริญสติเรื่อยๆ นะคะอาจารย์ก็พยายามอยู่ค่ะแต่ทีนี้นการนั่งบางครั้งลูกก็เอาจิต ด, ดูกายนี่แหละค่ะพยายามให้จิต ด, ดูกายแต่ว่า ม, มันมันมันไม่สงบแต่ถ้าเป็นพูดโทนนี่มันจะสงบแต่ถ้าสงบแล้วมันมันก็จะไม่ไปไม่มามันก็วูบไปวูบมานะคะอาจาพพรย์เหมือนอาจารย์ว่าคือสติสติไม่แน่นนะคะตรงนี้ก็ถูกต้องค่ะลูกก็จะพยายามเจริญสติให้มากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้นถ้าออกจากสมาธิแล้ว เวลาพิจารณาในการทํางานรูปก็จะมองตรงนั้นตรงนี้เหมือนพ อ, อาจารย์ว่าก็คือให้ให้ดูมันเป็นอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะก็ได้ไดบา่ยงนสิ่งทุกอย่างมาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังับก็ไ <c oughs> ม่ได้เราปล่อยวางพิจารณาเพื่อปล่อยวางมัน อ, อย่าไปยุ่งกับรับอ๋อแลคะัอาจารย์ กลับนับกวิชาการท่านท่าอาจารย์ครับครับผมมีคําถามที่จะเอ่อกลับเรียนถามท่านท่านอาจารย์ครับก็คือเอ่อในการภาวนาเอ่อพุโทโธโดยใช้าอานาอานาพา น, าานาสติกับเอ่อพุโทโธพุโทโธโดยไม่ต้องดูลมหายใจนี่เราสามารถทําควบคู่กันได้ทั้งสองอย่างได้ไหมครับหรือว่าต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้ทั้งสองอย่างก็ได้หายใจเข้าเพราะว่าพุทหายใจออกเข้าว่าโทก็ไดเพราะว่าบางทีพอดูลมหายใจครับตามลมหายใจเข้าออกบางครั้งก็จิตก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาครับอ <c oughs> ต่เสร็จแล้วลูกเลยต้องได้ใช้คําว่าพุโทโธพุโทโธโดยไม่ไม่ไม่ดูลมหายใจครับได้ได้เฉพาพุทโธอย่างเดียวก็ได้ดค ร, รับจะอะจิตมันก็จะจะ จะวิ่งไปตรงจุดนั้นทีจุดนี้ทีครับอาจารย์สตินะครั บ, <ต>บเมรว่าในสติเรายังมีกําลังน้อยอยู่ไม่สามารถถึงให้มันอยู่แบบที่ได้เราพยายามบั่นฝึกสติเรื่อยๆจเจริญสติจเจริญได้ทุกขณะใช่ไหมเจ้าค่ะใช่นะแต่เรื่มตาขึ้นมาก็พอเรื่มตาให้นม า, น ต, า, มมาตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปทำอะไรก็พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยใจชิดืมูกกันนี้ แ้วเวลามาหน้ามันก็จะเน่งมันก็จะไม่ไปไหนน้อยมันอยู่กับพุทโธพุทโธไม่จะอยู่กับพุทโธแล้วมันก็จะเด่ต่อสืบต่อสมบุกต่อไปได้โอเจ้าค่ะท่านอาจารย์พอดีลูกจะเรียนถามพอดีย่านะคะย่าเพื่อนเนี่ยอายุแปดสิบปีแล้วเพื่อนจะเดินจงกลมแล้วก็ปฏิบัติธรรมทีนี้เพื่อนบอกว่าจิตเพื่อนว่างมันว่างเพราะว่าเพื่อนเจริญสติด้วยพุทโธพุทโธเพื่อนบอกว่าเพื่อนหลุดพ้นแล้วตรงนี้ ก็หลุดเราเชื่อข่าวยังไม่ถาวรเพราะสติอย่างเดียวนี้ไม่สามารถตัดความโลภความโกด ค, ความหลงได้แต่เพื่อนยังไม่รู้เพื่อนก็ไปสรุปเอาว่าเพื่อนหมดทนแล้ว ต, ต้องวนว่าจะต้องเพื่อไม่ดูว่าตอนที่ใคร ม, ามัามาแย่ทําให้โกรธนี่ยังโกรธอยู่ว่าปะ่ะก็เมย์จะหาเต็มที่ก็ไม่โดดนถ้ามีก็ไม่โดน กอดแต่ก็น์อดทนนะจ้าค่ะอดทนมันอย่างนี้นก็ยังถือว่าไม่หลุดถ้าไม่มีอะไรนั่นน่ะถึงจะว่าถึงจะหลุดอดทนนี่ก็แสดงว่ายัางยังยังต้องต่อสู้กันอยอ๋อเจ้าค่ะถ้าหลุจริงๆมันไม่มีอะไรมาให้เราต้องต่อสู้อไม่มีก่อดไม่มีร่มไม่มีอะไรกับใครทั้งนั้นเฉยๆใครจะด่าใครจะชมก็เฉยๆอ๋อวางเฉยอุเบกขาอุเบกขาตลอดเวลา เดี๋ค่ะลูกก็จะพยายามค่ะเพราะว่าลูกเนี่ย<ม>ปฏิบัติธรรมมาเป็นสิบกว ป, ปีแล้วแต่ก็เหมือนท้อยอาจารย์ว่าคือสติไม่แน่นแต่ว่าทานบารมีในลูกก็จะเสาที่จะพากันไปที่วัดดอยธรรมเจดีประจํานะคะท้อยอาจารย์เน่เน่หลวงปู่แบนใช่ไหมเจ้าค่ะคือลูกก็เป็นลูกศิษย์ท่านหลวงปู่แบรนเจ้าค่ะสอนก็ไปท่าจากไปแล้วนะปี ค, ะครับครับท่านก็ยังอยู่กับใจจิต หาลูกศิษย์ลูกหาตลอดไปนะคะที่วก็ยังเหมือนเดิมใช่มเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ยังมีกศิษย์ลูกหาประำบูญงานเป็นประจาอยู่นะเจ้าค่ะเหมือนเดิมเจ้าค่ะแต่ก่อนก็ไปเป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวครับท่านอาจารย์พอท่านพอท่านหลวงตาไม่อยู่แล้วก็เลยมาเป็นลูกศิษย์ของท่านหลวงปู่แบนครับอันนี้ไม่ไม่ไปไน้ายู่แค่ว่าหลวงปู่แบรน ค่ะตอนนี้ก็จะขอมาเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์อีกเลยครับเนี่ยอนนี้ฟังเทพแล้วก็บอกว่าอยากไปตอนนี้เราเข้าใจง่ายครับอาจารย์ไปชนบุรีไอ้พ่อบ้านเป็นบอกก็วันนี้เป็นถือว่าเป็นบุญจ้ะค่ะที่ได้กราบนมัสการพระอาจารย์ผ่านซูมเนะอาจารย์จ้ะได้มีทุกวันพุดเป็นวันพุธสองทุ่มถ้วสะดวก้วเข้ามาฟังได้มาถามได้ถ้ามีคำถามคุยกับแม่บ้านอยู่ว่าถ้ามีถ้ามีบุญเราคงจะได้มีโอกาสไปกราบพระอาจารย์ที่วัด ที่ชนบุรีครับถ้ามีเวลามากป่าถ้าไม่มีเวลาก็มาไม่ได้ก็คงผ่านอย่างนี้ค่ะเพราะว่าโควิดช่วงนี้ไปไหนไม่ได้คก็เดือ<ต>นหนึ่งก็มาแบบนี้ไงมาแบบนี้ก็ถือว่ามาภาษาถ้ามี<ส>าบุญ อาจารย์อาจจะมาจังหวัดนครปนมก็ได้ครับนี่ก็ไปแล้วนะอาตอนนี้ก็ไปถึงนครปนมันใช่อาครับสาธุครับรอาจารย์ขออนุญาตกาบเรียนถามพระอาจารย์แค่นี้เจ้าค่ะครับมวลต้องถามเลยครับอาจารย์สาธุเจ้าค่ะวัฒการครับวันหลังมีอะไรก็เข้ามาใหม่ได้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุขอบคนรล่กที่มาจากกรทมเชิญสาธุวัชการเจ้าค่ะอาจารย์วันนี้ลูกนี่มีคาถามเดิมเจ้าค่ะ โอเคคนเพ็ินวิดาจากโอไฮเนีย USA กลับมาสักการค่ะพระอาจารย์หนูไม่มีคำถามคะ่ะหนูเข้ามาเติมพลังค่ะอาจารย์ังไงสบายดีนะค่ะสบายดีคะ่ะหนูก็ยังปฏิบัติอยู่ยคะ่ะทุกวันก็ตอนนีดเข็มสามไม่ยังเข็มสามเรียบร้อยและะ้วค่ะเียบรแลโครงการจะกับมองไทยก็ยังไม่ยังไม่ี ตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าหนูก็คงจะกลับถาวรแล้วค่ะพระอาจารย์ก็จะหมดก็ต้องกลับไปทํางานนะคะเท่าที่ลามาก็จะหมดเวลาที่จะมาทุ่มเทกับการปฏิบัติธรรมค่ะตอนนี้ก็ต้องแบบพยายามใช้เวลาตรงนี้ให้ให้เยอะที่สุดได้ค่ะพยายประหยัดให้ปฏิบัติให้มากที่สุดเลยนะค่ะค่ะพระอาจารย์อัศการปีหน้าค่ะปีหน้าจะไดเจอกันค่ะการกระตุ้นพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ คุณไม่เกิดยไัไม่เกิได้ยินไหมไม่ เ, ก, มเ ก, มกิไม่เกิดไม่ทุกข์ไม่กิดไม่ทุกข์ไม่ไม่ได้ยินเสียงค่ะ <Yeah. S 2> ได้ยินได้ยินแล้วได้ได้ยินแล้วหมค ะ, คะอะาการย์เมื่การพระอาจารย์เพิ่งเข้ามากับพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนอ๋อตอนนี้ยมอยู่ประเทศฟินแลนด์ค่ะฟินแลนด์หนาวมากใช่ไหมตอนนี้<อ>ฟินแลนด์วันนี้ดีหน่อยหนึ่งประมาณบวกเออประมาณลบ -10 ค่ะประมาณที่ปกติปกติสิห้าพระอาจารย์แต่แต่ตอนนี้กำลังดีค่ะคริสต์มาสกำลังหมออยู่เมืองไหนอยู่เมืองอะไรขึ้นไนอยู่เมืองยูวอสกิรันค่ะห่างจากเพ็งซิงกิประมาณ400กิโลค่ะไปทางเหนือค่ะขึ้นมาทางเหนือค่ะยิ่งหนาวไง ก็ยังไม่ถึงเหนือมากเป็นภาคกลางค่ะพระอาจารย์แต่โยมกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วคะ่ะตอนนี้ก็กลับมาเยี่ยมครอบครัวเฉยๆค่ะพระอาจารย์อ่าท่านที่อยู่เมืองไทยแหะปัจจุตอนตอนนี้ตอนที่ณเวลานี้มาฟินแลนด์คะ่ะกลับวันที่ยี่สิบเ็ดค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเออโยมอยู่ที่นี่สามสิบปีแล้วก็เบื่อแล้วคะ่ะกลับไปอยู่บ้านเราดีกว่าอ่าเบื่อความหนาวนะ เบื่อความหนาวแล้วก็เบื่อเบื่อชีวิตทางเมืองนอกนะพระอาจารย์เพราะอิ่มแล้วค่ะเออดีกลับมาบ้านเราดีกว่าบ้านเรานี่นอยู่กว่าที่ไหนทั้งหมดในโลกนี้ใช่ค่ะพระอาจารย์จากประสบการณ์ที่ที่อยู่ที่นี่นานแล้วก็ไปมาหลายที่แล้วก็คิดว่าบ้านเราใกล้ครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่มีที่ไหนวิเศษเท่าเมืองไทยค่ะพระอาจารย์ได้แล้วก็เรามีอะไรเราก็ยังอยู่ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้ว การเป็นมิตรคนไทยเราดีกว่าด้วยน้ําใ จ, น ใ, จในหลายอย่างเป็นตาคนไทยเราเปนเมตตาใช่ค่ะ<จ>พระอาจารย์ใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะคือที่จริงจะมีคําถามไหมก็ก็ฟังมาเยอะพระอาจารย์พอฟังมาประจํำแต่วันนี้เพิ่งลองเข้ามาในซูมเพราะว่าเล่นไม่เป็นเพิ่งเพิ่ ง, งจะพุทจะโผล่เข้ามาเนี่ยแหละค่ ะ, ะแต่ก็ฟังติดตามพระอาจารย์แบบย้อนหลังนะคะทางเฟซทางอะไรอย่างนี้ แล้วค่ะ น, นิยมมีคำถามถามว่าเป็นคำถามที่ว่าการที่เราทำบุญนะคระอาจารย์คือปกติโยนจะเป็นคนทำบุญแบบว่าไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไม่ได้หวังผลเหมือนสักแต่ว่าทําอะค่ะไม่ว่าจะเป็นถวายปัจจัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากไม่มีคำตั้งจิตอธิษฐานหรือ ไม่ได้แผ่เมตตาเหมือนเหมือนชาวบ้านเขาทั่วไปอ่ะพี่อาจารย์ไม่ตองแไม่ต้องแผ่ไม่ต้องตั้งจิตและที่ฐานหรอกขอให้ได้ทําทั้งน่าพอแล้วถ้าขอให้ได้ทําประมาณขอให้ได้ทํากับพี่อาจารย์พอแล้วไม่ต้องไปตั้งจิตว่าขอโน่นขอนี่ให้เสียเวลาค่ะไม่ต้องไปแผ่เมตตาเพราะการกระทานี่มันเป็นการแผ่เมตตาในตัวแล้วเราให้เงินเขานี่แเรวก็แผ่เมตตาให้กับเขาแล้วให้ความสุขกับเขาแล้ว ค่ะมีความรู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือเขาเราก็เป็นปีติแล้วก็ได้เห็นเขาอยู่ดีมีสุขคนทุกคนก็ไ้ถูตั้งงนเลยไม่ต้องขอทำเยิยสาธุกับพระอาจารย์แล้วอีกเรื่องหนึ่งในการกรณีที่ปฏิบัติอโยมก็พอจะได้ปฏิบตับติมั่งแล้วก็เคยมากราบพระอาจารย์เวลามาชนบุรีค่ะพอดีมีญาติไชนบุรีได้มามีโอกาสมากราบพระอาจารย์บั่ง เวลาปฏิบัติธรรมนี้ณนะปัจจุบันนี้รู้สึกจะเกือบสองสามปีมานี้พี่อาจารย์คือสุดมีความรู้สึกว่าจิตจะโล่งๆกลวงๆเบาๆถามว่ามองเห็นกิเลสไหมการเกิดการดับโทสะอะไรนี้มีค่ะพีอาจารย์แต่ว่าส่วนมากปกติจะเหมือนค่อยๆเขาเขาไปหลบอยู่ข้างในเนี่ยพระอาจารย์นอกจากว่าสิ่งกระทบแรงๆถึงจะมีอาการขึ้นมาเหมือนูแต่ง ว่าเรามีสมาธิไงจิตในข้าวอยู่ข้างในกิเลสมันก็อะไรอยู่ข้างในมันก็ อ, ออกเท่าไหร่ถ้าอยากจะฆ่ากิเลสก็ต้องใช้ปัญญาจาระวัทุกอย่างเป็นตายรักค่ะคือคือตอนนี้เหมือนโยมจะเข้าไปติดกับสมสถะหรือเปล่าครับอาจารย์หมายความอย่างน้นหรือเปล่าคะ ก็เะว่าติดก็ไม่เชิงเหมือนเพียงแต่ว่าไม่ไปทางปัญญาไม่ทําปัญญามากตอนนี้เวลาไม่อยู่ในเวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็นั่งคิดทางปัญญาอยู่เนื่ยคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยวทุกอย่างไม่ใช่ของเราถ้าไปยึดติดก็จะทําให้รอบทุกข์ไปที่นี่เรื่องปัญญาเออโยมจะใช้วิธีมองเห็นสิ่งต่างๆในรอบตัวไม่ว่าจะเป็นท่านครอบครัวหรือว่าขิงสิ่งที่มองเห็น ใช่ใชที่นํามาพิจารณาและไดั น, น, นมันก็ต้อจากกันออาและได้ันมันก็ต้องแยกกันจากกันตายจากกันบ้างแล้วไม่รู้ว่าอันนี้จะดีไหมยึงมีความรู้สึกว่าจมครอบครัวยมเป็นครอบครัวที่สามีประคนดีดีมากแล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้รวยแต่ไม่จนแต่ก็อยู่อย่างสบายพระอาจารย์จะทําอะไรก็ได้แล้วสามีก็เป็นสามีประคนที่ดีมาก แต่ทําไมโยมเป็นคนมีความรู้สึกที่ลึกๆ ก, ก, กับเหมือนคำว่าเป็นคนที่เกลียดชังสามีอะพระอาจารย์อ่าเกลียดชังเขาทาไมน ะ, สะแสดงว่าไม่ทร า, ทาค่ะพยายามสวดมนต์แผ่เมตตาทําสมาธิทําทุกอย่างก็แผ่เมตตาเขาแต่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นทุกข์ทุกข์กับเขามากๆเหมือนรังเกียจเขาทุกข์ทุกข์มากๆทําไมฉันเป็นทุกข์ทำไมฉันต้อง มีอุปสรรคเรอตเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเพอเขาไม่เป็นเราก็เลยทุกข์เรเกลียดเขาไม่อยากให้สันทานในพระพุทธศาสนาหรือเปล่าไม่ไมค่ะพระอาจารย์คือขออนุอนอนอนาาญาตพระอาจารย์โยมกับสามีนี่อยู่กันเป็นเพื่อนกันมาหกเจ็ดปีแล้วแล้วเขาก็ไม่เคย ไม่เคยขัดข้องขัดใจในทุกอย่างในการกระทําที่โยมโยมชอบไปวัดปฏิบัติธรรมภาวนาคือทําทุกอย่างแต่มีความรู้สึกว่าเวลาเดินผ่านเขาหรือต้องทํากับข้าวหรืออะไรมีความรู้สึกว่าจะเหม็นมีความรู้สึกว่ามันเหม็นมันเหมือนอุปท า, านหรือเปล่าก็ไม่ชัด mm hmm. แต่ว่าเหม็นแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เหลือเกินทุกทุกอยากให้เข้าไปจากเราแล้วอย่างโยมหนีไปอยู่เมืองไทยทีละปีสองปี เขาเวลาเข้าไปมันเท่ากับเขาแบกทุกไปหาโยมมากมากเพราะอรหิณีทราบพระอาจารย์ทั้งๆทงี่เขาก็เขาก็เป็นคนดีมากๆคนนึงเลยะครัอาจารย์แสดงว่าเราไม่รักเขาเลยเราลังเกียจเข า, มาไม่ทราบว่ารักหรือไม่รักโยมก็ไม่ได้ไม่รู้นีนะ่แหละแสดงหลการของความไม่รักหรือว่าลังเกียจเขาเ อ, อ, อยากไปรังเกียจแล้วทำยังไงอะพระอาจารย์บอกกลิ่นขา้าวกลิ่นขา้ากลิ่นลาวแล้วก็มีกลิน่นเหมือนค้านแะ อย่าเป็นรังเกียจกิงเท่เาไหร่มองความดีของเขาแต่คิดถึงความดีของกับมีความรู้สึกเสมอว่าถ้าไม่มีเขาเราปฏิบัติธรรมคงจะได้ไปไกลกว่านี้คงจะไม่มีอุปรสรรคกับชีวิตในการาทำอะไร ถ, ถ้าไม่มีเขาเราจะไม่มีกินก็ได้เราไม่ที่นั้นก็ได <laughs> คิดถึงกันครับอาจารย์เราแต่ได้อย่างเดียวคิดถึงทอมก็ให้เราเยอะแยะถ้าไม่มีเขาเราก็จะจะลําบากแบบนี้ใช่ไหมค่ะก็ตัวนี้แหละค่ะทุกวันนี้ก็อยู่ได้ด้วยด้วยความคีดนี้นั่นแหละก็คิดถึงความดีของเขาเนี่ยแล้วก็จะอยู่ด้วยกันได้ค่ะแสดงว่าเราไม่รักตัวเขาหรอกลรารักการถึงเขามากกว่าไม่ใช่ครัอาจารย์เพราะว่าเขา ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เพราะว่าทุกวันนี้นช่วยเหลือตัวเองค่ะทํางา น, นก็เก็บปัจจัยช่วยเหลือตัวเองกลไปอยู่เมืองไทยค่ะไม่มีเขายู่ได้ไม่มีเขาเราก<ต>็าาอยู่ ไ, ไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ค่ะพระอาจาย์แต่ว่าอยู่ได้อยู่ได้เพราะว่าเคยตั้งใจตั้งแต่ตอนมาอยู่เมืองฟินแลนด์ใหม่ๆแล้วค่ะว่าอ่าบ้านปลายชีวิตจะอยู่แค่อายุเท่านี้แล้วก็จะกลับไปอยู่บ้านคือบางครั้งชีวิตบางครั้งบางครั้งมันก็จะมีความรู้สึกว่า มนเหมือไหน่ยในการดำรงชีวิตการเวียนายตายเกิดกันมันมาผุดขึ้นมาเป็นบางครั้งนะอาจารย์มันก็เลยมีความสึกทำไมเราต้องเกิดมันมีภาระทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี้ด้วยะคะ่ะเพราะกิเลสงกิเลสทำให้เราเกิดถ้าเราดกิเลสได้มันก็จะไม่มีการเกิดอยากไปโลกอยาไปอย่าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ค่ะอาจารย์ น, นิทานแนะนให้โยมทายังไงต่อไปให ตาเมตายสามีเยอะ ๆ, ๆหน่อหตายไม่ตา้กับแฟนเยอะๆหค่อยมันอย่าไปรังเกยียจเขาอย่าไปกอดครับนาก็คิดว่าเขาก็ร่างกายเขาว่าร่างกายเรามันก็เหมือนเหมือนกันแหละค่ <c oughs> ะะอาจารย์ค่ะ <c oughs> คิดถึ ง, งความดีคิดถึงความดีของเขาถ้าไม่มีเขาเราอาจจะเหาหรือ อ, อาจจะอะไรก็ได้นะ แต่ยังไม่รู้หลักพลังที่ถ้าไม่ได้อยู่ถ้าเราต้องจากกันกัปมันถึงจะเห็นความดีของเขาเนาะเวลาอยู่ด้วยกันมักจะไม่เห็นความดีของเขานะแต่พ อ, เ ข, อ เ, เขาตายไปแล้วจากออกไปเนะี่ยโอ้คิดถึงเขาขึ้นมาทันทีเลยคิดถึงความดีต่างๆของเข า, าขึา้นมาค่ะลงก<ด>็งพยายามดีของเขาเน้นถึงความดีของเข า, าด้าวดดยว่าถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะเป็นยังไงบ้างนะ <c oughs> ใช่กับพระอาจารย์พยายามคิดถึงความดีว่าถ้าไม่มีเขาเราก็คงจะไม่มีปัจจุบันนี้ เ, เราก็คงจะถ้าเกิดเจออย่างอย่างผู้ชายคนอื่นแล้วอาจจะไม่มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ก็พยายามคิดอยู่ค่ะแต่แต่มันน้อยกิ <c ười> เลสเร า, ามันเยอะกว่าพระอาจารย์พยายามพยายามคิดบ่อยนะต่อไปออแล้วมันจะไการแผ่เมตตาให้เขานี้หมายถึงว่าทุก ขนะเวลาในการกระทำหรือตอนอที่เราเจอตอนที่เราเจอเขาเนี่ยเร า, <ฆ>เาเจอเขาก็ยิ้ใถามว่าอยู่สบายดีนะอยู่จะกินอะไรรเปล่าเออเอเ อ, เอบริการเรื่องนี่เหนื่อยนะพีจั <laughs> ดูแลก็ อ, อ, อย่างว่าถ้าเราอยากจะให้เมตตาขเขาก็ต้องยอมเหนื่อยหนยค่ะ ที่จริงที่จริงถ้าอยู่ตัวคนเดียวนี่สบายนะพ่อาจารย์ไม่ต้องเป็นภาระทางคอบครัเนี่ยเร<ข>าถา<ห><ห>อยู่คนเดียวมันตั้งสี่สิบปีตั้งแต่เราบวชนี่แล้วก็อยู่คนเดียวส้ะทุกโยมปรารถนามากเลยพระอาจาันปรารถนาอยากจะอยู่คนเดียวอยากกินยไปสินก็ไปเลยจะมีใครข้อห้ามหรอไปค่ะไปไหลายรอบแล้วพ่อาจารย์แต่มันก็สุภาพไปไม่รอดไม่ไม่ไม่เขาคือเขาจะตามไปบางทีก็เพราะว่าโยมโยมมีลูกมีหลานเดอยู่ค่ะ โยมมีลูกอยู่คนหนึงมีหลานสามคนแต่แต่ถามว่าติดนี่ไม่ติดหรอกแต่เวลาโยมไปอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยสองปีเกยก็ไปอีกแล้วไม่รู้จะไปทไําไหมคนร่างกายก็ต่างก <c oughs> ันเลยเวานนี้ถามว่าโยมอยู่นู่นนั่นดีแล้วมาทําไมเนี่ยเขาก็บอกมาอย่างงั้นแหละ <c oughs> โอเคนะนั่งนี่ก่อนนะมีคนเดินล่ออยู่ค่ะกลับขอบคุณกับพ่อจารย์กลับนมันแกนค่ะาสะาธุสาธุคนณมินวิตามิน เป็นยังไงแล้วนี่กลับมากรุงเพมื่อไหร่คะกลับน้องสการค่ะพระอาจารย์ยังไม่ได้กลับค่ะพระอาจารย์ยังอยู่ยที่เช<อ> <RTX S 1> <ๆ>ียงรายอยู่ค่ะอยู่ที่เดมเลแต่ไม่ใช่ที่วัเดเลยอยู่ในห้องนี้ที่วัดค่ะพระอาจารย์ที่วัดมีห้องอย่างเงี todavía, ้เหรอมีค่ะก็คือเหมือนหนูย้ายมันมีสองที่ที่เชียงรายค่ะแล้วหนูก็ย้ายมาอีกที่หนึง่งแต่ว่าเป็นที่เป็นวัดเดียวกันเนาาี่ยค่ะแต่เดียวกันใดอยู่วัดอยู่พลสถานที่นี้น ใช่ค่ะก็คือที่นี่อยู่ที่เชียงรายแต่ว่าก่อนหนูอยู่ที่สุทรทองนนี้ไม่ได้เป็นร้านป่าแล้วนี่อันนี้ก็จริงๆก็เป็นเป็นป่าเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ว่าจะไม่ได้ขึ้นไปสุขเท่ากับอยู่บนดอยใช่ค่ะจะเป็นเมืองมีความเป็นเมืองมากกว่าที่เดิมนิดนึงในบ้านเรือรอบใกล้ใกล้เคียงใช่ค่ะใช่ค่ะ แต่ก็เป็นกุฏิแบบเล็กๆ เ, เหมือนกันก็ไม่มีไม่มีเตียงก็นอนพืน้นที่นี่เหมือนกันเไป็นไงถ้านี่ไปอยู่นี้โอเคไหมจิตใจก็ก็รู้สึกว่าโอเคค่ะพระอาจารย์เหมือนกับรู้สึกว่าเริ่ ม, เ ร, มเริ่มอยู่ได้แล้วก็เหมือนแบบที่นี่เขาก็เหมือนแบบว่าต้อนรับดีอ่ะค่ะอาจารย์ก็เลยแบบน่าจะได้อยู่น่าจะอยู่ยาวๆอาจารย์ได้ อยู่พยันแทงเวลาที่จะไปที่ยูวัปุตนะเนาะยูวัปุตได้ไหเปลียนใจก็กําลังคิดอยู่คะ่ะพระอาจารย์ว่าจะอยู่นี่ยาวยาหรือว่าจะไปยูวัปุตที่ไหนก็ได้ถ้ า, ามีความสุขเราอยู่แล้วปฏิบัติได้ขนาดนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ก็กําลังคิดอยู่เพราะว่าเอที่นี่เขาก็เหมือนแบบเออแบบทําไมไม่อยู่ที่นี่เลไอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์เขาเรีกเราเลยเขาชอบเขาชวนเรา โอเ้เขาชวนทุกวันเลยค่ะอาจารย์ไป อ, อยู่ตรงนู้นเขาก็ชวนคือทุกคนชวนให้อยู่อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์อก็ดีเลยค่ะอาจารย์ก็ก็ดีก็ดีเลยแล้วก็หนูก็เหมือนกับก็ขับรถช่วยเขาหละอย่างเลยค่ะอะาจารย์อยู่แล้วต้องทำประโยชน์ให้กับเขาด้วยนะเขาถึงรักเราค่ะอาจารย์แล้วก็เหมือนมีพราที่หนูอยู่ใช่ไหมคะก็มาเจอญาติธรรมคนหนึ่งค่ะอาจารย์ก็คือก็ เป็นแฟนขับพระอาจารย์มากๆแล้วเขาก็ฝากหนูมามาม า, มากับพระอาจารย์ะคะ่ะคือเขาชื่อคุณลุงเทียนชัยโคสิพิพัฒน์นะคะอาจารย์แล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยทำย่ามมาให้พระอาจารย์ตั้งนานแล้วแล้วก็เหมือนไม่มีโอกาสจะไปให้เลยะคะ่ะแล้วก็ฝากหนูว่าบอกพระอาจารย์ว่าแบบเขาวแบบ เหมือนแบบปลื้มพอาจารย์มากแล้วก็แบบอยากจะหาโอกาสไปกราบอยากจะเอาย่ามที่ทําไปถวายค่ะพระอาจารย์นั่นตะโกนเขเสียพี่นั่นใช่ไหมมีนั่เป็นจิตตกรใช่ไหมใช่ค่ะเขาเป็นพี่ชายของอาจารย์เฉลิมชยัยอาจชื่อเทียนชยัยใช่แล้วเขาก็เหมือนแบบคือเขาก็พาหนูไปหนูไปนอนบ้านเขาสองสองคืนคระอาจารย์เขาแบบก็ก็รักหนูก็เลยพาหนูไปเที่ยวเชียงรายสอวันค่ะ แต่หนูไม่บรเลยก็คือคุณหนูหนูบอกว่าหนูแบบปื้มอาจารย์เฉลิมชัยมากเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาอะไระคะก็เลยก็เลยเหมือนแบบชวนเขาก็ชวนหนูไปเอยงั้นหนูก็เลยแบบโอเคคุณลุงจะได้ไม่เสียใจก็เลยลงไปเที่ยวกับคุณลุงสองวันไปวัดล่องขุนแล้วก็ไปวัด อย่าลงอย่าล้ทางแล้วกันเราไม่ได้ไปเที่ยวเราไปปฏิบัติธรรมค่ะพรอาจารย์แต่ก็จริงๆวันนี้ก็ก็มีประมาณนี้คะ่ะพระอาจารย์มากับพระอาจารย์ปีใหม่ขอพรปีใหม่อขอให้ตั้งหน้าตั้งใจปฏิบัติอย่าลงทาง <c oughs> อย่าอย่าถูกคนนัน้นคนนี้ดึงอกบนอกทางหน้าค่ะทีเด็มันอยากจะอาช่องนะพอมีช่องเปิดแล้วมันจะไปเลยนะ จริงค่ะอาจารย์แต่ว่าแต่ว่าก็ก็กลับมาได้ค่ะก็นี่กลับมาอ่อนแล้วยังนี้ย่งมีคนรักคนชอบเราเระวังเดี๋ยวก็จะชวนเราไปทํานู่นทํานี่นะอืมแล้วก็นเต็เเมใจก็ไม่ไม่มกล้าปฏิเสธอืมอย่างเงี้ยกล้าถ้าต้องหนีจากเตียงที่มี <laughs> อยู่ที่ไม่มีคนมายุบมันเราจริงค่ะอาจารย์เดี๋ยวไม่ไปไหนแล้ว <laughs> เดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่มาชวนเราไปทํา โอเคค่ะพราอาจารย์ระวังนะเรื่องนะี้สำคัญในเวลาปฏิบัตินีต้ต้องแน่วแน่ต่อทางของเราอย่าให้ผู้อื่นมาชุดมาลากเราออกนอกรุนอกทางไปอย่าไปเกงใจต้องตาม้าบวทั้งใจเมื่อว่าเราไม่เก่งใจคนเราเก่งใจทำถ้าเก่งใจคนทำก็แหละือใจไหมค่ะพระอาจ า, าจรย์ เพราะว่าทุกคนชอบแบบเราคนดีกับเราเราก็เคลินใจครับใช่ๆช่พระาจารย์ถ้าอยู่ไม่น่าก็อยากถ้ามันจะดีดีแบบนี้มันก็ไม่ดีว่ามันดีแล้วมันมันไม่ทำให้เราได้ปฏิบัติแท้เสงว่าไม่ดีอืมค่ะพราจารโอเคนะโอเคค่ะพระอาจารเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องไปใกล้ยังมันหมดเวลาคุณวัฒนาพรบัวสุ เดียวยไม่อยู่แล้วนี่ยังไม่เปิดไ<ต>มเลยเปิดไมไปอันไม่รี้โอเคกุญแจนะเจ้าะหลวงพ่ออ่าค่ะวังไงสบายดีเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าข่าวเมื่อกี้ฟังแล้วอ่ะพี่พี่กระยาณมีกระยาณทำพูดถึงให้ พิจารณาความตายแล้วลูกก็เลยนึกถึงตัวเองว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราพิจารณาความตายอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วลูกลูกก็เจ้าค่ะเวลาก่อนจะนอนก็จะบอกสามีว่าถ้าพรุนี้เช้าฉันไม่ตื่นก็ฝากดูแลลีโอด้วยเจ้าค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่า ใช่ถ้าเกิดเขาไม่ตื่นเหมือนกันก็ให้ฝากแมวเขาด้วยเจ้าค่ะ mm hmm. แล้วลูกก็บอกว่าอ่าฉันไม่รับฝากอะไรทั้งนั้นเพราะว่าฉันจะไม่เกิดแล้วอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็บอกแล้วเขาเป็นคนรักแมวมากไงเจ้าค่ะรักสัตว์มากแล้วลูกก็บอกว่าเธอเธออย่าไปนี่นะเพราะว่า mm hmm. ฉันนะจะไม่เกิดบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะตายแล้วเดี๋ยวฉันก็จะเกิดมาเป็นแมวเธอแล้วดูแลฉัน แล้วลูกก็บอกว่าฉันไม่ดูแลนะเพราะว่าฉันไม่เกิดแล้วเธอไม่ต้องมาเกิดมาเป็นมาให้ฉันเลี้ยงเจ้าค่ะลูกก็ลูกก็บอกกับขออย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็อยากเป็นเจ้าอะไรมันเดี๋ยวกกับมาเกิดอย่างเงี้ยเป็นของของของของที่บ้านเนี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อตอนนี้เลี้ยวไม่อยู่วะเจ้าค่ะยังไม่กลับมาแล้วเจ้าค่ะเขาอืม เมื่อวานเขาบินไปมาดลีบินไปประชุมแล้วก็วันนี้จะบินตอบจะว่าจะไปเล่นสกีจะอะไรเขาบอกเดี๋ยวเขาจะเข้ามาสวัสดีหลวงตาไม่รู้จะเข้ามาทันหรือเปล่ า, <Okay. S 2> าค่ะก็ ป, ปล่อยเขาไป <c oughs> <c oughs> บางอย่างเอาก็จะบอกว่าบางอย่างน้องริวก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคุณแม่เจค่ะแต่ลูกก็จะจะบางทีจะประคองเขาเรื่องไม่ให้ห่าง คืออะไรก็ได้แต่ว่าจะบอกเขาว่าเรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องอัเ น, นี้ยไม่ให้ทิ้งก็จะเล่าเรื่องวัดรยาเรื่องที่เขาเกิดมาอะไรก็จะบอกไม่ไม่ทิ้งเขาก็เจ้าค่ะก็ได้ระดับหนึ่งก็ลูกก็จะประของไปเจ้าค่ะอา่ามีคำถามอะไรไหมวันนี้นนนนนก็ไม่ไม่มีถามอะไรก็ฟังฟังฟังฟัง ฟังหลวงพ่อตลอดแล้วเพราะว่ามันพอมันมีคําถามพุดขึ้นมามันก็มีคําตอบของหลวงพ่อในเทปหรือในที่หลายๆคนถามมาเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะเนี่ยมีประโยชน์การทำไปๆแล้วมันก็จะฟังอยู่ในใจอนะ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะว่าลูกฟังฟังมาตลอดอ่ะเจ้าค่ะตั้งแต่หลวงพ่อว ก, ก็ฟังมาตลอดบางทีปี ก, ก่อนๆเนาะฟังฟังทั้งวันฟัง ฟังคือคือทําไมไม่ได้ถ้าว่างก็ลูกก็จะจะจ ะ, จะฟังทั้งวันหรือว่าอ่าเวลาบางทีมันก็มีอย่างอื่นที่จะต้องทําแต่ลูกก็เปิดลูกก็จะเปิดจะเปิดด้วยแต่เวลาที่ปฏิบัติของลูกอันนั้นก็ลูกก็จะจะวางทุกอย่างแล้วก็นั่งปฏิบัติที่ฟังนะจ๊คะค่ะแต่ช่วงที่ว่างลูกก็จะฟังเปิดฟังจเจริญสติตลอดเวลาเดินยืนเดินด น, นอนนั่งอะไรเงี้ยเจ้าคะ่ะ ก็ <g eremiah> จะมีสติมีสติรู้ว่าทำอะไรเจ้าค่ะเดินจงกรมนะข้่อพเจ้าจะว่าเด็กได้เลยนะเลยคำถามกลับขอบคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อกลับสวัสดีปีใหม่ Happy New Year ขอให้หลวงพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจ้าค่ะญาสาวเทวาสาธุคุณบาริชาตคุณ้ายนะบริชาตเนอยู่ที่ไหนพูดได้เล สวัสดีค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ยินชัดไหมคะได้ชัดเจนเลยถ้าหนูอยู่ประเทศอังกฤษค่ะเมื่อกี้มาแล้วรอบหนึ่งแล้วไปทํางานแล้วกลับมาใหม่เมื่อกี้ใช่ชื่อหรือใช่ไหมอาชีพที่ชื่อปริชาค่ะอ า, อาจารย์ค่ะคือว่า<น>คื อ, ค, อคือตัวหนูอเอ่อหนูเคยเห็นกายกับจิตนะี่ยแยกกันมานานแล้วคะ่ะที่ว่า หนูร่างสมาธิแล้วสภาวะที่ว่าจิตเขาเกิดเป็นแสงสว่างเหมือนสปอตไลท์แล้วเกิดปิติสุขแล้วก็มันไม่รู้สึกร่างกายเป็นตัวด้วนๆนะคะแล uh ้ว huh. แต่ว่าเราก็ยังรู้อยู่ว่าเรารับ ว, ล, วลาเขาทิ้งตัวลงมาเรารู้สึกว่ากายมันเป็นทุกข์จิตนะ่ะเขาบอกขึ้นมาเองว่าเนี่ยกายมันทุกข์มันหนักถ้าถ้าไม่มีกายอะ่ะมันจะสบายกว่า น, นี้อีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ตรงนั้นหนูผ่านมานานแล้วแล้วทีนี้ปัจจุบันนะคะ หนูก็คือมาดูจิตเพราะว่าพเราตอนมาดูจิตก็นั่งสมาธิก็เห็นเวทนาครั้งหนึ่งคือตอนนั่งสมาธิอยู่จะรู้ว่าอาการเน็บชาของเราอะ่ะมันเริ่มขึ้นเกิดมาจากตรงช่วงปลายเท้าแล้วมันจะรู้ว่าเป็นอาการเย็นแล้วรู้ว่าจุดตรงปุ่มตรงกลางกลางเท้า่าเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่ามันจะไม่ได้มันเหมือนมันแยกอาการเจ็บปวดได้มันไม่ได้เจ็บปวดแต่เหมือนเขาตามดูเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยเห็นวิธีการโกด ว่าเวลาตอนที่โกรธวิถีของจิตนะ่ะเขาทาํางานยังไงอย่างเช่นเออภายนอกอาสามีพูดพูดพูดมาแล้วมันมาเข้าหูเราแต่เร า, าดูจิตเราอยู่แล้วเราจะเห็นแยกออกมาว่าโกรธนะ่ะเขาขึ้นของเขามาเองแต่ว่าตัวเร า, าดูอยู่แล้วเราก็เลยขาว่าเอา้าพอเราไปเห็นเขาปุ๊บเขาก็ดับเลยอะค่ะคือเขาดับตั้งแต่อยู่ในจิตเราอะ่ะเราก็เลยเขําว่าเอา๊ะเรา เหมือนเราจับเขาทานแล้วเราก็ขำแฟนเราว่าเออแบบเขาโกรธแต่ว่าเขาเขาเขาไม่เห็นตัวเขาที่เขาโกรธอะไรอย่างเงี้ยเราก็ <K ill> มีความสุขนะถึงแม้ว่าแฟนแฟนเขาจะโ oh <K ill> มโหร้ายอะไรเงี้ยเราก็เฉยเฉยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเรามาพอเรามาปีเนี้ยด้วยความว่าหนูกลับมาทํางานเพราะว่าอยู่อยู่ประเทศเอังกฤษทางานแล้วก็มีลูกเล็กด้วยหนูก็เลยใช้สมาธิโดยการใช้ใช้ทําสติมากกว่าคือเวลาหนูจะเดินซ้ายขวา ม, มันจะเป็นอัตโนมัติไปแล้วว่า เราจะรู้ว่าเนี้ยซ้ายขวาแล้วถ้าเราอยู่เฉยๆฐานเขาจะมาที่ฐานท้องเราเราจะใช้ยุบหน่อพองหน่อลไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งเขาก็จะอยู่ที่ท้องของเขาแต่บางทีเขาก็เผอออกไปแล้วเวลาหนูทำงานหนูก็จะรู้ว่าจิตหนูจะอยู่ที่นิ้วโป้งจิตหนูจะอยู่ที่การฟังธรรมบางทีหนูก็จะเปิดฟังธรรมไปด้วยเนี่ยค่ะแต่มีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะหนูอยากจะถามอาจารย์ว่าเวลาเรานอนอยู่ คือหนูก่อนจะนอนหนูก็จะดูท้องยุบหนอพองหนอเพราะว่าหนูจะพยายามดูให้ได้ว่าเราอ่ะจะหลับตอนท้องยุบหรือท้องพองอ่าแต่เราก็ยังจับไม่ได้แต่ว่าพอเราหลับไปแล้วอ่ะหนูอยากจะถามอาจารย์ว่ามันสามารถที่ว่าจิตเรามันสามารถเลื่อนระดับเห็นอะไรไหมเพราะว่าหนูไปเห็นว่าตัวหนูนะคะเป็นกายละเอียดใส่ชุดสีขาวแล้วก็ก้มกับพระรูปหนึ่งที่เป็นพระอาจารย์ของหนูแต่หนูไปเห็นว่า หนูเห็นตัวรู้เขาเป็นอากาศว่างๆอะค่ะเขาอยู่ข้างนอกเขาอยู่แบบเหมือนเรามีตัวกิดใจและกายละเอียดเราเป็นสีขาวอยู่แล้วเราก็เห็นตัวรู้เป็นอากาศว่างๆสีขาวๆมันไม่ได้เห็นเป็นมันเป็นใสๆเป็นอากาศว่างๆอยู่แล้วเราก็เห็นตัวเราเนี่ยดูอยู่เหมือนมันเห็นสามตัวนะคะพระอาจารย์ปกติเอ่อพราณูเมื่อเดินปุ่มพาหนูเห็นอดีตชาติหนู คือหนูจะเห็นหนูอยู่ในสมาธิท่านอนแล้วเรามีสติอยู่เราก็เห็นภาพอดีตเขาฉายมาแต่ว่าเราอ่ะจะเห็นเห็นว่ามันเกิดอะไรแต่เราจะรู้ว่าเราเป็นตัวดูแล้วก็เราก็จะเห็นภาพฉายมาแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะเราเห็นสามตัวเอืมหนูก็เลยอยากจะรู้ว่ามันปรุงแต่งเองหรือว่ามันเป็นการเลื่อนระดับขั้นจิตหรือจิตเขาเป็นรวมหรือมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันเป็นการปรุงแต่งของจิตเพราะเราอยู่กัเราเราอยู่กับตัวรู้ตัวเนียว ความโกลที่ปรุงแต่มันเกิดแล้วเนี๋ยวมันก็ดับไปค่ะโอเคค่ะพระเจ้าคือตอนนี้หนูไม่ต้องไปยินดีร่ากันมันดูว่ามันเกิดแล้วมันดับนะค็แล้วกันค่ะก็คือตอนนี้หนูก็ดูจิตไปทํำปกติไปเหมือนที่หนูดูถูกไหมคะดูความโกลก่อนถ้าดูจิตหรือว่าโกลหรือเป่าโลกหรือเปล่าถ้าเกิดแล้วดับมันได้หรือเปล่าให้ดูนะ ข้อความไว้อของการปฏิบัติเพื่อดับความโลภความโกรธความหลงค่ะพอพอเข้าใจอยู่ค่ะพ่ะอาจารย์ค่ะอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจเยีายอมันจะเป็นบาปเป็นเสียงไปอะไรคก็เป็นเรื่องจนินตนาการตรงแต่างขจิตไปอ๋อค่ะค่ะค่ะถ้างั้นหนูหนูคิดว่าหนูพอเข้าใจแล้วค่ ะ, คะเพราะว่าเคยเห็น ว่าการเกิดของโกดมันเป็นยังไงก็เลยรู้ว่าถ้าโลคโกดหลงมันก็เกิดลักษณะเดียวกันแต่ถ้าสติเราทันสติเราเร็วแต่การฝึกสติของเราเราก็ต้องฝึกทุกวันอย่างเช่นเดินจงกรมใช่ตลอดเวลาเลย้วถ้าสติเราไวเวลาที่โกดโลคหลงเขาเกิดขึ้นมาผุดมาเราจะรู้ปั๊บมันจะดับพั๊บทันทีมันจะดับตั้งแต่ในต้นจิตนะคะใช่ค่ะแต่มันยังไม่ดับอย่างเท้าวมอน้าอยากจะให้มันดับอย่างเ้าวมอนต้องใช้ปัญญา อ๋อค่ะต้องไปค้นหาต้นเหตุของความโกรธมันโกรธเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอไม่เป็นแล้วก็โกรธค่ะยิ่งต่อไปแล้วต้องตัดความอยากให้หมดไปอย่าไปอยากทำอะไรค่ะแล้วแล้ว่ะที่เราเห็นสภาพเราเราดูเฉยเฉยมันมันเราดูเฉ ย, ย เ, เฉ ย, ยแต่เราไม่ได้ไปเข้าร่วมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหนูก็ทําไปอย่างเงี้ยได้ค่ะดูยึดถูกต้องถูกต รู้เฉยๆปล่อยไก็พูดไปค่ะก็เห็นเขาจิตปรุงแต่งบ้านจิตโกรธโลภอยากอะไรบ้างเห็นแต่เราก็เฉยๆเราก็คือเราใช้เราใช้ความถ้เรา้าเราไม่ไม่ไปตามเ้าก็ได้ถ้าไม่ไปเขาโกรธแล้วไม่ไปโกรธกับเขาก็ได้ค่ะค่ะรู้เฉยๆในตลาดเวลาถ้าทำได้ค่ะบางบางทีมันก็เห็นจิตมันเบื่อแต่เราก็รู้แค่ว่าเบื่อเราก็ไม่ได้อะไร เ, เพราะเรารู้ว่า<ป>เดี๋ยวเขาก็ <c oughs> เกิดขึ้นตั้งอยู่เขาก็ดับไปอะค่ะใช่ใทุกอย่างอย่างนี้ทั้งหมดค่ ะ, คะเพราะว่าเวลาหนูมองมองรอบข้างทุกสิ่งทุกอย่างหนูจะมองว่าทุกอย่างเป็นชั่วข่าวไปหมดเลยหนูจะมอง<ช>ว่าทุกอย่างมันเกิดจากดินน้ําลมไฟเราเราแยกคาดไปเลยว่า<ช>อย่างตรงนี้<ช>ตรงนี้เป็นท่าดินทําอะไรมาอย่างเช่นเรามองแก้วเรามองเจ ก, กานเราก็จะมองว่าอ๋อมันมาจากทรายมันมาจากน้ํามันมาจากโลมมันมาจากไฟมันเลยเป็นทาาสี เรามองร่างกายมนุษย์เราก็มองเห็นเป็นธาตุสี่เราคือหนูมองไงทุกสิบอย่างมันเป็นประกอบด้วยธาตุหมดค่ะแต่พอมาเห็นจิตตัวเองมันจะรู้ว่ามันมีเพิ่มธาตุรู้มาตัวหนึ่งค่ะใช่ธาตุนิวเคลียค่ะแล้วก็เวลาเห็นอะไรตอนนี้หนูก็จะมองว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างมันก็ชั่วคราวมันก็เหมือนอารมณ์เราค่ะอารมณ์เรามันผ่านมาก็ผ่านไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็ดับของมันไปจะช่างมันเนี้ย เหมือนเหมือนเป็นคนอย่าไปทุกข์กับอะไรอย่าไปทุกข์ับค่ะเหมือนเป็นคนแบบว่าช่างมันช่างมันอย่างเงี้ยค่ะในจิตเราบอกแต่ว่าอ่าเหมือนมันพูดแต่อย่างเงี้ยว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ชัางมันช่างมันชังมันชั่งมันแล้วสบายใจค่ะแต่ว่าบางทีมันมันก็มีเผลอไปบ้างที่สติเราไม่ทํามันก็มีเผลอแต่เราก็มาเห็นที่หลังเราก็มาพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแก้ใหม่เตือนสติแล้วว่าต่อไปอย่าไปเป็นอย่างนั้นอีค่ะ คือตอนตอนนี้หนูก็แค่ทําทําสมาธิแบบที่หนูทําต่อไปอย่างเงี้ยถูกไหมคะพระอาจารย์ถูกต้องก็พิจารณาแล้วเวลาพิจารณาว่าเป็นตายลักไปเกิดดับกิดดับไม่มีตัวตนมันเมีท่าทั้งมันค่ะอาจารย์คะลูกหนูขอคําถามอีกอันหนึ่งคือตัวหนูอ่ะชอบฟังธรรมะมากคือจะฟังทุกวันตลอดเวลาไม่ว่าจะทํางานหรืออะไรก็คือฟังของพระอาจารย์ด้วยฟังพระอาจารย์ปรมุสต์ด้วยแล้วก็เอ่อท่านอื่นๆด้วยแล้วทีนี้ หนูหนูปัญญาหนูมันมากเกินไปกว่าสมาธิหรือเปล่าคะหรือว่ามันมันยังไงอ๋อมันถ้าปัญญามากไม่เป็นไรรอกอ๋อไม่มีปัญญามากกว่าัวปัญญาน้มากกว่าสมาธิอ๋อโอเคค่ะแต่หนูรู้ว่าสมาธิบางทีเราทำน้อยเพราะว่าเรายุ่งกับโลกมากนะคะแ ต, แต่ว่ า, าเร า, ถ, าเถ้าเป็นปัญญาแบบฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ปัญญาต้องระวังให้ด ค่ะส่วนมากหนูจะฟังของพระอย่างเช่นของพระอาจารย์แล้วหนูจะจับน้อมเข้ามาที่จิตหนูมาพิจารณาให้ให้จิตเรากลับมาแตกเองอย่างเช่นหนูเห็นดอกกุหลาบแล้วหนูเห็นว่าจิตเกิดความชอบแล้วเราซื้อมาแล้วพอเรามองดอกกุหลาบเราก็จะจับมาแยกว่าทําไมจิตเราเขาถึงชอบอ่าชอบเพราะสัญญาทํางาน ความจํามันแล้วก็สัญญาเวทนาสัญญาสังขารเขาปุุงแต่งแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเราชอบแล้วชอบก็เลยโอเคเป็นความสุขอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะมองอะไรเป็ น, นอย่างเงี้ยมันเคยชอบเนพอเห็นมันเคยชอบอะไรพอมันเห็นมันก็จะชอบมันเคยเกลียดอะไรพอมันเห็นมันก็จะเกลียดค่ะมันเดียวมันสัญญามาจากสัญญาความชอบและความเกลียดค่ะถ้าเราต้องการจะเลือกความชอบความเกลียดล้วก็ต้องมองว่ามันเป็นยินดีลมไฟ ค่ะค่ะค่าหนูหนูหนูก็มองต่อไปอย่างนั้นนะคะว่าเวลาเราชอบเอ้าแต่ดอกไม้มันก็คือมันมาจากเมล็ดพืชมันก็เป็นดินน้ํา้องปันเป็นทธาตสีนั่นคือสุดท้ายเราก็ชอบความว่างอะไรอย่างนี้ยค่ะเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็หมดไปค่ะค่ะหนูก็พิจารณาความว่างค่ะค่ะเพราะหนูก็ค่ะต้างนะปฏิบัตินี้ไปเรื่อยพยายามปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าพยายามได้อยากมีอยากเป็น ค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะโอเคสาธุสาธุาค่ะคนขัดจิตเพิ่งเ ข, ข้ามาเลยคนสุดท้ายอัดจิตเดี๋ยวไต้วันใช่ไหมร้องกราบหลวงราการครับมีอะไรไห ม, มไต้วันไม่มีครับเข้ามากราบพระอาจารย์ครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปที่เฟซรู้ว่าทราบมเยอะไหมคำถามมีทั้งหมด14คำถามเจ้าค่ ะ, อะลองดูเลย ห้าทุกมแลคำถามรแรกจากคุณหวานกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะทำอย่างไรถึงจะ บ, บรรลุทำให้ไวๆวไม่ต้องมาเกิดอีกเกินห้าชาเจ้าคะต้องปฏิบัติทั้งวันนั้งเกิดนั้งจะิเต็นดนหลับยังยจมกอมนั่งสมาธิพิจารณาตายร่างเดี๋ยว เ, เจเด็ดว 7, ันก็ได้เจ็ดเดือนก็ได้หรือเจ็ดปีเป็นอย่างมากคำถามต่อไปจากคุณจุปัญญา ทำอย่างไรจะดับเวทนาได้คะเวทนานดับไม่ได้ถ้าดับก็ต้องไม่มีร่างกายนะก็อยากเกิดนะแถ้าเกิดแล้วมันก็ต้องมีเวทนามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายถามต่อไปจากคุณวัชระกลาบนมัสการพระอาจารย์ครับขอโอกาสเรียนถามครับออกฌานแล้วพิจารณาเทียบกับตอนที่อยู่ในฌานจะมีประโยชน์ไหมครับ เวลาอยู่ในชานไม่ให้พิจารณาอะไรเนวะลาราบจากชานแล้วก็พิจารณาเรื่องตายรักทุกสิ่งทุก อ, อยากเป็นตายรักมั้คำถามต่อไปจากคุณสุทินกาเรียนถามพระอาจารย์ครับมีคนโพสต์ว่าสมาธิที่เกินหน้าปัญญากลายเป็นเกียรติคร้านถูกต้องไหมครับก็ถ้าทำแต่สมาธิอย่างเดียวมันก็ขี้เกียจ ม, ม, มันไม่อยากออกไปทัศปัญญา ว่าปัญญาต้องเป็นต้องคิดไงเวลาทาสมาธิมันไม่คิดมันนี่มันสงบมีความสงบ อ, อ, อย่างนี้ก็เรียกว่าติดสมาธิที่ดเก็บไปทําปัญญาแต่สมาธินี้ฆ่ากิเลสไม่ได้เพียงแต่หยุดกิเลสไว้ชั่วคราวถ้าต้องการที่จะฆ่ า, ากิเลสเพื่อจะได้ไม่กลับมาเกิดก็ต้องใช้ปัญญาคำถามต่อไปจากคุณสุภชัยอาจารย์ครับเวลาสวดมนต์แล้ว ใจไม่อยู่กับบทสวดต้องทําอย่างไรครับก็ใจลอยเลยสวดช้าเลยน้อมสวดช้าเลเริ่มต้นใหม่ ต, ตั้งสติแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วสวดช้าอิติปิสโสอาโกวะอะนะตัมามาแล้วก็วางคาบให้มันอยู่กับการสวดให้ได้คำถามต่อไปจากคุณปียะกลาบนมัสการพระอาจารย์ครับขออาจารย์เมตตาสอน ในสมถภาวนาทําไมเราจึงเรียกกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องเอาจิตมาผูกติดอยู่คําว่าอารมณ์ในที่นี้เหมือนอารมณ์รักอารมณ์กโกรธเบิกบานเศร้าแบบนี้ใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับคาว่าอารมณ์มันนหมายถึงหมายถึงวัตถุอย่างที่มีอยู่ในใจที่เรียกว่าธรรมอารมณ์อรําอารมณ์คือใจเราได้อะไรขึ้นมาเรื่องเราเป็นธรรมอารมณ์ขึ้นมาเรืงถึงรูปว่า นึกถึงขนมนึกถึงอะไรมันเป็นทำอารมณ์เท่านั้นยันไม่ให้มันนึกถึงขนมเพราะมันนึกถึงขนมงั้นมันทําให้เกิดกิเลสให้นึกอย่างที่ไม่ทําให้ไม่เกิดกิเลสเช่นให้นึกนึกถึงหมูจระเข้มันจะไม่เกิดความโลภความอยากกินแตถ้ามันนึกถึงพิซซ่านึกถึงแมคโดนัลล์อะไรย่างนี้มันก็เกิดเกิดความโลภเกิดความอยากกินขึ้นมา อารมมันเปอารมณ์ที่กระตุ้นกิเลสครับอารมณที่ที่หยุดกิเลสกรรมฐานนี่เป็นอารมณ์ที่หยุดกิเลสไม่กระตุ้นกิเลสเช่นพุทโธพุทโธนี้คำถามต่อไปจากคุณหวานรับนมัสศการการทํางานโดยใช้สมาธิกับการนั่งสมาธิภาพใจต่างกันไหมคะ ดังนั้นเพราะว า, าว่าสมาธิในการทํางานนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิอันนี้ว่าเป็นสติเวลาเราทํางานให้มีสติา ง, งานที่เราทําสมาธินี้คือเวลานั่งนั่งดูลงแล้วจิตรวมลงสงบนิ่งอันงี้ว่าเป็นสมาธิจิตเหลือแต่ตัวเดียวตามทําไม่นับรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าสมาธิคำถามต่อไปจากคุณใบไม้ในกำมือกราบนมัสการเจ้าคะ่ะ โยมขอเรียนถามวิธีการรับมือกับคนที่เขาจุกจิกคอยไล่ตี้ให้เราทำในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่โยมไม่กล้าที่จะปฏิเสธมันทำให้โยมรู้สึกโกรธใจไม่สงบเลยจะหลีกหนีก็ไม่ได้เพราะเป็นคนในครอบครัวขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะเจ้าค่ะก็คิดว่าเราเป็นลูกจ้างเขาว่ า, านั่นแหละเเป็นเจ้าเลยเราไม่ว่าจะสั่งอะไรก็เอายไปถือว่าเราเป็นเจ้านายเขา เราเป็นเจ้านาที่เขาแล้วก็มันก็จะอยอมรับเขาไม่ได้แต่ถ้าเราเขาเป็นเจ้าน้าทีเราก็ต้องยอมรับเขายอมเขาให้ช่วยชี้จุดจิตก็ต้องยอมคำถามต่อไปจากคุณสุรศักดิ์น้อมกราบเรียนถามพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับกระผมลองเดินจงกลมครั้งแรกระยะทางประมาณยี่สิบเก้ายี่สิบแปดเก้าไปกลับเก้าเท้าซ้ายพุทธ ก้าวเท้าขวาโถบางครั้งก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธเร็วขึ้นโดยไม่สนใจที่เท้าผมเดินได้ชั่วโมงสนาทีแต่จิตก็มีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างผมจึงเดินจึงดึงมันกลับมาให้สติบริกรรมพุโทโธพุโทโธอยู่กับผู้รู้นี้แต่ความคิดที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กับความคิดบริกรรมพุโทโธเบียดกันแพ้เบียดกันชนะ จึงอยากขออุบายาำพระอาจารย์ในการเดินจงกรมและการบริการพุโทโธในขณะที่เดินจงกรมน้องกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับร็ต้องพยายามให้ดึงจิตให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆส่วนความคิดมันจะคิดแล้วก็อย่าไปสนใจอย่าไปคิดตา่างให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวต่อไปความคิดต่างๆก็จะในเนื้อตัดพุทโธอย่างเางนี้คำถามต่อไปจากคุณพัชลาภร์ อาจารย์เจ้าคะ่ะลูกระลึกถึงความตายตลอดเวลาเจ้าคะ่ะลูกฟังหลวงตาตลอดทั้งวันและคืนเจ้าคะ่ะไปสมาธิมุสุขใช่ไหม้บูดไป อ, อ, อีกท่านหนึ่งคะ่ะไม่ใช่นนคนละคนละคนเจ้าคะ่ะครับบูดเหมือนกันเลย เขาบอกว่าเขาระลึกถึงความตายตลอดเวลาแล้วก็ฟังหลวงตาตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่สมาธิยังไม่ได้เลยเจ้าค่ะก็เล<ร>ยอยากลอทํทนำ้ำสาธินําต้องนั่งหลับตาแล้วดูลมหายใจเข้าออกถ้าฟังในจิตยังไม่นิ่งพอยังเคิดปูแต่งได้แล้วก็นั่งหลับตาแล้วพุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวถึงจะเข้าสมาธิได้มีสองคำถามจากคุณอนุสรนเจ้าค่ะคําถามแรก ขอโอกาสขอรับขอเมตตาเรื่องฉลาดในการทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในทางที่ถูกต้องบริสุทธิ์ในาศาสนาพุทธขอรับก็คือถ้าเราอยากจะทำบุญกับพวกพุทธศาสนาแล้วก็ถวายพวกสิ่งที่จําเป็นต่อต่อการดํารงชีพของพระภิกษุเป็นปัจจัยสี่อาหารบิณตบาตจีวรเครืนุหที่อยู่อาศัยปุติยารักษาโรค นกาารทาสคำถามที่สองของคุณอนุสรขอโอกาสขอรับการใช้ความเข้าใจในทางละกิเลสแต่ไม่เจริญสติหรือว่าผิดตามหลักพระพุทธศาสนาใช่ไหมขอรับไม่ผิดหรอกเนี่ยแต่ว่าเป็นขั้นตอนแรกเราต้องเข้าใจหนึ่ว่าทําไมเราต้องกําจัดกิเลสแล้วกําจัดด้วยวิธีใด ห, หลังจากนั้นเราก็ต้องไปปฏิบัติเกําจัดมันอยู่เฉยๆมันไม่ ทำความว่าใจอย่างเดียวมันไม่สามารถกำจัดกิเลสมันต้องปฏิบัติสิลสมาทิปัญญาคำถามต่อไปจากคุณพิทิพรนมันสการ์ค่ะปรับถามพระอาจารย์ว่าตอนแรกหนูตั้งใจว่าจะลาออกจากงานช่วงเดือนเมษาปีหกห้าแต่ตอนนี้เริ่มสับสนค่ะเหมือนยังรู้สึกผูกพันและเป็นห่วงหัวหน้าทั้งที่เจอกันไม่ถึงปีเหมือนผูกพันกันมากค่ะ ขอพระอาจารย์ช่วยแนะนําค่ะไม่รู้จะแนะนำยังไงเนี่ยก็อยู่ที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปอันนี้ต้องถ้าเรามีความตั้งใจเราก็ต้องแน่วแน่ต่อความตั้งใจของเราถ้าเราอยู่ก็เหมือนกับว่าเราไม่ไม่ได้ไปปฏิบัตินถ้าเราไม่ได้ไปปฏิบัติเราก็จะไปหลุดม้นจาะผ่านทุกไม่ได้ แล้วก็อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการอดทนเราก็ต้องไปคำถามต่อไปจากคุณธนพัฒนเราสามารถเจริญทางโลกและทางธรรมไปพร้อมกันได้ไหมและมีวิธีปฏิบัติอย่างไรกราบสาธุครับเมื่อช่วงเริ่มต้นก็ปฏิบัติไป ท, าทา่ทานทำธรรมทางโลกพร้อมกันได้เช่นเราก็ทํางานไปหาเงินหทาทองไป เราในเวลาเราก็ทําบุญทําทานไปนั่งสาธิินไปนั่งสมาธิไปแต่นั่งไม่ได้มากปฏิบัติไม่ได้มากถ้าเราต้องการที่จะไปทำธรรมได้ได้มากขึ้นเราก็ต้องแยากตัวไปต่อไปว่า ท, ทั้งสองทางที่มันมนไปด้วยกันไม่ได้ ต, ตอนเริ่มตอนที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆเรายัางสามารถรายังไม่สามารถปฏิบัติทําได้มากเราก็ เราก็จะมีเวลาให้มากับการทำธรรมโลกได้พอต่อไปถ้าเราปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นมากขึ้นเราก็อยากจะปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นเราก็ต้องเอาเวลาที่เราให้กับทรรโลกมาให้กับการทธรรมต่อไปก็ต้องยากทางกันไปมีสามคำถามเึ้นเข้ามาใหม่ค่ะพระอาจารย์โอเคคำถามสุดท้านะโมเดิร์ฟสามคำถามนี้มาจากคุณสุวรรณรัตน์คำถามแรก เหตุแห่งอวิชชาคืออะไรครับขาดปัญญาขาดความนึกทางพุทธศาสนาะขาดความนึกทางตายลัคนิจจรรมทุกข์ขันธ์ตตาคำถามที่สองเหตุแห่งสมมุติคืออะไรครับเหตุสมมุติก็คื อ, อก็คือความหลงหลงไปสมมุติว่านะเป็นนั่นเป็นนี่ขนะึ้น่ะความจริงมันเป็นเท็จท่าดิกน้ำลงไป เราไปสมมติเราเป็นต้นไม้เป็นมนุษย์เป็นจกักรเป็นอะไรไปมันถามสุดท้ายธรรมธาตุแตกต่างจากจิตอย่างไรครับธรรมธาตุก็คือธรรมะธรรมะที่เราที่เรามาปฏิบัติกันเช่นสติปัญญาสมาธิเนี่ยนั่นก็เป็นธรรมระเวลาปฏิบัติเรื่องต่อไปธรรมะมันก็จะฝังอยู่ในใจของเรามันถามาหมดแล้วเจ้าค่ะ <Okay. S 1> ค่ะ อันนี้ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาแนละ้วคืนนี้มันเด็๋ยเราเดียวพระ่นีเช้าตืต่นใช่ไหมนี่กับประมาณห้าทุนะ่อมสนทีแล้วสามชั่วโมงสิบนทีคิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้ท่านจะนำวิเศษที่ท่านได้ไดมีได้ทำในพิีพิจารณาปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเชิ Turn.